เำริงผ่อท่านสาธุชนผู้ที่ไปทำทุกท่านวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะมาสนทนาถามตอบคำามกันใครเข้ามาก่อนก็จะได้ถามก่อนใครเข้ามาทีหลังก็ต้องเรียงตามคิวไปก็พยายามรักษาเวลาหน่อยอยากจะให้เริกภายในเวลา ถ้าพวกเรามีศึกษาเมริกามากมอว่านั้นมันก็จะเดืเกินไปดันั้นก็อาจจะต้องขอความเมตตาเข้าประเด็นกั น, นจะได้ไม่เดืดเกินไปครับคุณสาธกาเชิญสาธกาอาจารย์จะถามค่ะ เธอเอินที่เคยฟังพระอาจารย์นะคะเวลาถ้าสมมุติว่าเรานั่งนะคะมันเหมือนหลับตาเฉยๆแล้วมันก็อยู่ความว่างเนี้ยคือคือถูกต้องใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็มันก็ถูกต้องในระดับหนึ่งแต่มันยังอาจจะไม่ถึงระดับที่ควรจะไปถึงคือในระดับที่จิตมีความสุขมาก ล, ล, ลูกเคยที่ว่าลูกที่บอกพระอาจารย์นะคะ มันมีหลังจากที่นั่นเนี่ยลูกก็สบายลูกก็เลยนอนแล้วก็เสร็จแล้วลูกก็มันนอนไม่หลับลูกก็เลยใช้แบบว่าเหมือนว่าเราก็เออดูลมหายใจอ่ะค่ะแล้วมันรู้สึกว่ามันเหมือนแบบมันเหมือนมีความสุขมากๆเนี่ยนะอาจารย์เหมือนแบบบอกไม่ถูกแบบมันแบบนัเนี่ยขอใหมันมีความสุขมันถ้ามันว่างแล้วก็มีความสุขด้วยแต่ถ้ามัน<ต>ว่างแบบยังไม่มีความสุขก็ยังอาจาย์ ยังไม่ใช่ว่างแทนอ๋อค่ะพระอาจารย์แล้วทีนี้ที่ฟังพระอาจารย์นะคะในในที่พระอาจารย์เทศอะเอสมถภาวนากับวิปัสสนาภาวนาทีนี้พระอาจารย์บอกว่าถ้าสมมุติว่าเราได้อุเบกขาจากวิปัสนาธรรมภาวนาแล้วเราก็ไม่จําเป็นคือมันจบแล้วลูกก็เลยงงเพราะว่าอย่างพระอาจารย์หรือว่าอย่างพระเออ ที่อันนั้นอยู่อ่ะค่ะเขาก็นั่งวิปัสสนาแล้วก็พวกเราที่ฝึกอยู่แล้วพวกที่แบบเขาแบบฝึกจริงจังเขาก็นั่งวิปัสสนาลูกก็เลยว่าเราก็ยังต้องนั่งวิปัสสนาอยู่ใช่ไหมป้าอาจารย์สําคัญใช่ไหมคือมันเบื้องต้นต้องนั่งสมถะภาวนาก่อนอ๋อคะ่ะทําใจให้สงบเป็นสมาธิค่ะ ใ, ให้ใจนิ่งสำหรับนา น, าน อยู่กับความสงบอย่างมีความสุขอ่าลูกลูกคิดว่าลูกอะอยู่สงบมีคือลูกอะไม่ได้แบบเหมือนลูกอยู่ได้นะมันก็รู้สึกแบบเหมือนปกติชีวิตประจําวันลูกอยู่แล้วเพราะลูกส่วนมากอะจะอยู่แค่จะไม่ค่อยได้คอนแทคคนอยู่แล้วว่าอยู่แค่หน้าหลานแล้วก็อยู่แค่อปลาอยู่กับแฟนแค่นี้ค่ะแล้วก็นั่งมันก็เลยเหมือนเป็นปกติของลูกอยู่แล้วอะค่ะพอเวลา เวลาเอาอจากสมาธิมาเวลาเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือสิ่งต่างๆก็ต้องให้มันสงบ ด, ด้วย ก, ก็ก็คือเฉยๆไงคะพระอาจารย์เอ ก, ก็ไม่ไปวุ่นวายครับใครเขาจนด่าเราก็ไม่รู้สึกอย่างนั้นใครเขาจะชมเราก็ไม่ได้ดีหรอกอ๋อเฉยๆค่ะพระอาจารย์เพราะว่าไม่ไม่ค่อยใส่ใจอยู่แล้วใครม า, ข, าขอใหขอไปก็ใช่ไห ม, มอ๋อเคย เ, เคยแล้วพระอาจารย์ ตังหูเพไทยแต่ก็เชื่ อ, อว่าฉันนะคือไม่ให้ใจเจอกับเรื่องราวต่างๆอืมอค่ ะ, <ล>ะคทุก<ม>ก็ต้องใช้ใช้สมาธิกับไปทำใจใสงบก็ไดไ้จะใช้วิไม่จะใช้วิปัสสนาพิจารณาว่ามันไม่ใช่เป็นของเรา ล, ลู ก, ล ก, กใช้มันจะไปก็ให้มันไป อ๋อเพราะว่าลูกอะใช้แนวที่ประอาจารย์สอนเพราะว่าปกติแล้วอะค่ะมันเคยมีตอนนั้นอะที่เฝ้าแม่แล้วแฟนนะคะไปขับรถชนขับรถชนนะคะแต่ลูกลูกลูกก็คือรถที่ในโรงบามน่ะคะ่ะมาชนเฉียวทีนี้แฟนะไปเฉี่ยวลูกก็บอกว่าให้ไปเขียนป้ายบอกเขาว่าเราอะไปชนเขาไม่เป็นไรแล้วก็เราอะก็ไปแบบเหมือนเราก็รับผิดชอบ แล้วลูกก็ให้รถให้เขาอะ่ะเอารถไปทาแล้วลูกก็เอารถของลูกอะ่ะให้เขาใช้แล้วพอลุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งอะ่ะพระอาจารย์รถของลูกอะ่ะดันโดนรถอีกคันหนึ่งชนแฟนบอกว่าไม่เห็นเป็นอย่างที่เธอบอกเลยเธอบอกเธอบอกให้ที่โดนเราไปชนเขาเธอบอกให้เราไปรับผิดชอบพอลุ่งอีกวันหนึ่งอะ่ะพระอาจารย์รถเราอะ่ะโดนชนแต่ไม่มีใครรับผิดชอบลูกก็บอกไม่เป็นไรเพราะว่าเราถือว่า เราอะ่ะไม่ได้ลำ บ, บากเราเราคือเรามีที่จะไปทําอะไรอย่างเงี้ยป้าจย์มันมันก็ไม่ได้อะไรคือปกติลูกจะเป็นแนวนี้อยู่แล้วลูกก็ว่ามันมันตรงทางใช่ไหม ป, าป้าจันอ่าปกติอ่าอย่าไปทุกข์แล้วก็ให้มีความเมตตาถ้าช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันไปพระอาจาันแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ป้าจย์บอกว่าให้ทดลองเออเราอะ่ะก็ต้อง ค่อยๆเพราะว่าต่อไปเราก็พบกับความเสื่อมใช่ไหมทีนี้ลูกออยากทราบพระอาจารย์อยากอยากถามเนี่ยสมมุติว่าถ้าเกิดเราไปเจอว่าเราเป็นมะเร็งเนี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วอย่างเหมือนแม่ลูกเนี้ยมันมีช้อยถ้าเกิดว่าเป็นสเตปเยอะๆไปรักษามันก็แบบทุกเวกนาเสร็จแล้วมันก็ดิ้นกัดลิกนแล้วก็ตายกับเราปล่อยให้ว่าคือเราเป็นสเตปเยอะแล้วแล้วว่ามันมันเอ็น้าแล้วเราไม่รักษาเราก็คือปล่อยตามธรรมชาติให้ตายไปเลย มันก็ได้ได้ทั้งสองอย่างอล้แล้วแต่เราจะเลือกทางทางไปตายจะไปทางทางลําบากหรือจะไปทางสบายอ๋อคือใช่ใช่เพราะลูกเห็นเห็นมีอยู่เคสนึงนะคะ่ะเขาก็เป็นสเปดท้ายพอเสร็จรลูขึ้นเขาก็ตายลูกก็ว่า hmm. แล้วจะไปเหนื่อยรักษาให้มันแบบกัดลิ้นเปื่อยทําไมอย่างนี้ใช่แล้วแตเ่เราจะเลือกได้ อ๋อแต่มันไม่ใช่คือคือบุตไม่ไได้ค่าตัวตายใช่ไหมคะอาจารย์เมื่อมันรู้แล้วมันต้องตายแล้วรักษาอย่างไงมันก็ต้องตายรักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายอ๋อแต่มันไม่บาปใช่ไหมคะอาจารย์ไม่บาปไม่บาปอ๋อค่ะค่ะงั้นก็จะได้เอาเป็นแนวไว้ค่ะอาจารย์ถ้าถ้าเราไม่เอาป่วยมาเองไตัวเราเองอย่างนี้ไม่โอ้โอ้ไม่ไม่เราไม่ม่ปมันตายโดยธรรมชาติของมันในเดียวมันในเดีวมันจะตายช้าแล้วตายเล็ว แล้วถ้าอย่างนี้ถ้าถ้ากรณีแบบเจอพวกล้างไปอะแบบทาร่าไปมากๆแล้วเรารู้สึกเบื่อแล้วก็ไม่ต้องล้างแบบไม่ต้องล้างก็ปล่อยก็ปล่อยมันไปท่อ๋ออ่าค่ะถ้างั้นพอกระจายแล้วค่ะอาจารย์มีพระอาจารย์อยู่รูปนึ้นท่านก็ช่วงสุดท้ายชีวิตท่านฉันไม่ได้ท่านก็ไม่ฉันมันอ๋อค่ะม่ใชก็รักษามันก็ท่านก็ตายไปอ๋อค่ะท้างั้นก็ เป็นแนวได้อ่ะพระอาจารย์แล้วพระอาจารย์ถามอีกทีหนึ่งเวลาพระอาจารย์ลงลงบสถ์นะคะฉันเสร็จแล้วอย่าเงี้ยพระอาจารย์จะอยู่คุยกับญาติโยมหลังจากฉันเสร็จใช่ไหมคะพระอาจารย์ถ้ามีก็คุยถ้าไม่มีก็ไม่คุยน่าแต่คนมาหรออ๋อลูกจะไปวันจันทร์ค่ะแต่ส่วนใหญจะไม่พูดยาจะพูดแบบเอาเข้าประเด็น ถ้าอยากจะพูดคำถามเข้ามาทางสุมไ่อยากจะได้พูดยาวมาค่ะไม่ลูก<ต>อยาก ไ, <ด>ไปไปกราบแล้วไปถามสันถามว่าสบายดีหรือเปล่าอะไรไอย่างนี้เรได้แต่จะให้นั่งนั่งคุยยาวๆอ๋อไม่ค่ ะ, อ, ะอยากอยากอยากไปเจอค่ะอยากไปทาบุญคนะ่ะได้ก็ต้องที่ศาลานี่เราลงเฉพา้าวันธรรมดาแล้ลวเสาร์อาทิตย์วันพระนี้ไม่ได้ลง ได้ลูกไปวันจันทร์เพราะลูกลูกให้แฟนลาเพราะว่าลูกรู้ว่าประจญ์ลงลงลงวันวันธรรมดาวันธรรมดาวันเช้าที่มันหยุดวันพลานึ่ไม่ได้ลงนะอ่าค่ะปราชญ์งั้นแค่นี้แหละค่ะวนเวลาตื่นค่ะเข้าใจก็รู้เรื่องนี้ยังไงม่ารักษาใจรักษาใจยิ่งกว่ารักษาอะไรทั้งหมดเนี่ยใช่ใช่ลูกลูกว่าลูกเป็นแนวหมดแล้วค่ะ ลูกจะถามเนี่ยคืออันเนี้แหละที่ลูกไม่าทุกกับมันอย่าไม่ทุกกับอะไรค่ะค่ะค่ะอาจารย์เข้าใจหมดแล้วค่ะค่ะขอบคุณรักษาก็ได้ไม่รักษาก็ได้แล้วแต่อ๋อค่ะลูกนึกว่าเดี๋ยวแบบถ้าไม่รักษาแล้วเหมือนแล้วเป็นบาปอ๋อไม่บาปท้างั้นก็ได้ค่ะรักษาก็ไม่เป็นกิเลสบางทีพระธรร่วินัยไม่กลัวตายแล้วเป็นรักษาทำไรมก็มันยังรักษาได้ก็รักษาไป ลูกเห็นถ้ามันสเตจเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะไปรักษาแล้วก็ไปเจอแบบชายไปแบบอะไรถ้ามั น, นถ้ามันเจ็บไม่คุ้มไม่คุ้มค่าเจ็บไปอย่าไปเยอะเจ็บดีกว่าใช่ไหมใช่ลูกว่ า, ามันไม่คุ้มแบบก็ก็ป่วยมันก็ตายเหมือนกันก็ปล่อยก็ไม่เราก็ไม่มีอะไรต้องทำแล้วเราคุยกันวันกับการหยุดทำไมใช่ไหมอา่อาอา่อาลูกประมาณนั้นนะคะพระอาจารย์ถ้าอยางนั้นก็ลูกรับทราบและเน็ตเนลูกอยากรู้แค่นี้แหละ โอเคสาธุเชิญ ค, คุณไปรวนต่อบปรุนกอทมฯเลยคุณไปรุนครับนักราสการท่านอาจารย์ครับกอทมฯครับอยู่พุทธมนพุทธมนตรสายสองครับผมครับวันนี้มาครับเรียนถามอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องมัมททิมาปฏิปทาครับในในเรื่องของทางสายกลางคือคือผม เอ่อก็อ่านหนังสือพุทธธรรมอยู่นะฮะช่วงนี้ก็พ อ, อเข้าไปดูเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของว่าเอ่อเราไม่ควรจะไปเอ่อไปไฝ่ในเรื่องของการมาสุขแล้วอีกทางหนึ่งก็คืออย่าไปทําให้ตัวเองเป็นทุกข์นะเอ่อทุกข์กายทุกข์ใจนจนเกินไปนะฮะและ้วแล้วพออ่านไปก็จะมันกลายเป็นว่าเอ่อพระพุทธเจ้าก็ให้ให้ปฏิบัติทางเอ่อในเรื่องของมัดมัดมีองแตกนะครับอันเนี้ย วันนี้ในทางปฏิบัตินะฮะสมมติเราไปเจอเหตุการณ์อะไรต่างๆเนี่ยเราจะพิจารณายัางไงครับว่ามันเป็นเป็นทางที่สายกลางแล้วนะครับุโยมต้องเข้าใจว่าพระสูนี้ท่านแสดงให้กับพระรแล้วก็ในยุคสมัยนั้นพวกนักบวช่วนมีพวกหนึ่งเขาคุนิยมดับความทุกข์ใจด้วยการทรมานร่างกายของตนซึ่งมันก็ดับไม่ได้ เปตาอาจะอาจจะทำให้ใจเข้มแข็งนั้งทนชู้กับนะกับความเจ็บของร่างกายได้แต่มันก็ไม่ได้ทำให้ความทุกข์ในใจหายไปอีกทางนึงก็ทางผู้คลองเรือนที่กินอยู่กับหาความสุขจากรูกเสียงกินแล้วเพื่อดับความไม่สบายใจต่างอันนี้ก็ไม่ใช่ทาง มันมันดับชุกขได้ชั่วครังชั่วคราวแล้วเดี๋ยวทุกข์มันก็กลับมาใหม่หมเหงียดใจก็ออกไปเที่ยวกันไปช้อปปิ้งกันไปกินอะไรกันอาหารหมนเหงียดไปท่านเนึ่ง๋ยวกลับมาบ้านกลับมาทํางานก็เจอเรื่องหดเหงียดอีกอันนี้ก็ไม่ใช่ทางที่จะไปทางที่จะไปนี้ต้องทางของศีลสมาธิปัญญาครับผมคือไม่ไม่ไม่ทุกไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ทรมานร่ากาย แต่เพียงแต่ห้ามไม่ให้มันเสพความสุขทางร่างตายง่าง่ายแต่ว่าให้ให้ถือศีลแปดขึ้นไปถึงสีลแปดศี1สิบคือตัดเรื่องการหาความสุขจากการทั้งหลายทุกเสียงกินเรากินก็กินให้น้อยๆกินกออยู่ได้ปัจจัยเสีก็อยู่กันแบบ สมถะเรียบง่ายแล้วก็เอาเวลามาบำเท็สติสมาธิปัญญาเพราะนี่แคือตัวที่จะไปทำลายต้นเหตุของความทุกข์กิเลสัญหาที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมนสิ้นไปได้และนี่คือความหมายของพระสูตีที่เราก็เลยมาแปลกันพุ่นวายไปเร่มันกลายเป็นเรื่องไ ม, ไม่ใช่เรื่องอะไรผมว่าทางทางโลกมาปแปลว่ามันสายกลาง ก็เลยไปหาว่าตรงไหนมันคือตรงกลางนั่นก็เลยก็เลยไปไปอะไรกันเหมือนพวกตาบอดคําช่างนะคนคนตาบอดนะคนไปคําช่างนะวันนึงก็ไปคําหางก็บอกว่าช่างนี่มันเป็นเชือกไยครับคนไปคําที่งวงูว่ามันเป็นงูอะไรเนี้ยมันก็มานั่งถกมาทิ้งกันไม่ไม่ได้ผลไม่ได้ประโยชน์อะไร เพราะไม่รู้ที่มาที่ไปของกส็สวยอันนี้ทางสายกลางท่านแสดงให้กับพระปัญจวัตรทีที่เคยติดตามพระองค์แล้วเคยหวังให้พระองค์นี้อดตัดสู้ด้วยการอดทักษิยานนแต่พอพระองค์ละมาะร่างกายเอพระองค์อดแล้วรู้สึกว่ามันไม่ ม, ไ ม, มันไม่ตัดสูด้มัน ค, คือทุกข์มันยังเกิดอยู่แล้วสาเหตุของความทุกข์ก็ไม่รู้เกิดจากอะไรแล้วจะดับมันยังไงก็ไม่รู้ แล้วก็เลยบอกว่านี่ปดไปก็ตายหรอกว่ะก็เลยย้อนกลับมารับประทานอาหารพระบัรจารวคีก็เลยคิดว่าพระมรดจ่าป่วยตายอะลยตีจากไปพอองค์อยู่ตามลำพังพระองค์ก็เลยใช้วิธีท่านทรงเห็นว่าทุกข์หายไปเวลาจิตสงบเวลาจิตไม่สงบทุกข์ก็กลับมาก็เลยรู้ว่ามันอยู่ที่จิตเนี่ย ความทุกข์เราพิจารณาก็เห็นว่าเวลาไม่สงบนี้มันก็คิดปรุงแต่งไปอยากให้ได้นั่นได้นี่อยากมีนั่นมีนี่ขึ้นมาเมื่เห็นว่าอ๋อทุกข์มันเกิดจากความอยากต่างๆที่มีในใจง่ายมันดับไปก็ต้อพิจารณาสิ่งที่อยากตัง้งปั่นว่ามเป็นไตรลักษเป็นของไม่เที่ยงได้มาแล้วถึงเมื่อจะมาดับความทุกข์ก็ดับได้ชั่วคราวดีใจ อยากอยากได้เงินอย่างวันที่ถูกตอรี่กันโอ้ยดีออกดีใจนะอ๋อวันนี้ครับเดี๋ยวเงินหมดก็ครัหมดก็เดือดร้อนอีกแล้วก็ต้องหาใหม่นะชื่อมาเพราะะนั้นมันไม่ได้ดับความทุกข์ด้วยทางที่ไปหาสิ่งต่างมาดับมันดับด้วยการหยุดความอยากในสิ่งต่างๆอยากในลูกเสีลกลิ่นนวดอยากในราบย้สารเสื่อนี่ต้องตัดคนทุกคนต่างหาลามย้อนเฉยนี้ละ ลาววันนี้มันหาวันหาลาวกันนศกะรอวันเลื่อนขั้นเลือนตำแหน่งเดี๋ยวเลือกตั้งแล้วเห็นไหมกหายศกันแล้วแต่ได้มาเท่าไหร่เดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปพอหมดไปความทุกข์ก็กลับมาใหม่ฉะนพัพระเจ้าเลยทรงตัดชลุปาริยสัจสิแล้วก็เลยทรงเห็นว่าทางที่จะ แก้ปัญหานี้ก็คือทางศีลสมาธิปัญญาที่ทรงได้บําเพ็ญมะเพียงแต่ไปไม่ถึงขั้นปัญญาตอนต้นหยุดที่เกดอยู่ที่ขั้นสมาธิแล้วตอนหลังมาเริ่มจะมีปรัสนาพิจรารณาสาเหตุของทุกข์มันเกิดจากอะไรเหตุที่จะทําทให้ทุกข์ดับนั้นเกิดจากอะไรจนในที่สุดก็ทรงเห็นอย่างชัดเจน เราต้องเห็นสิ่งที่เราหยุดความอยากและการความอยากจะหยุดได้เริ่มได้ก็คือต้องเห็นว่าสิ่งที่อยากได้นั้นมันไม่ได้เป็นตัวรับที่จะแก้ปัญหาของความทุกข์มันมันอาจจะให้ความสุขเราชั่วคราวแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปแล้วความทุกข์ใหม่ก็จะกลับขึ้นมาอีกความสุขน้อยลงก็กลายเป็นทุกข์ <c oughs> ทุกข์น้อยแล้วก็กลายเป็นทุกข์เมื่อสุขหมดก็ทุกข์ปัญหาใหม่ <c oughs> <c oughs> อันนี้แหละมันถึงเป็นเรื่องที่ท่านทรงเน้นสอนสร้างสายการเพราะความประจักษ์วิคีติดตามสร้อยเขาอาจจะไม่เข้าใจผูจ้าต้องอธิบายเขาถว่าการอดอาหารอย่างเดียวนี่มันไม่ได้ทำให้ทุกข์หายไปครับงน้นที่มาของคำว่ามัชิมาปฏิปทาทรงอธิบายให้ในการบอกว่าเราเรานอนแล้วไอ้ทางธรมาร่างกายอดอาหารต้องสี่ถึงเก้าวัน มันก็ยังไม่หาชุกมันก็ยังอยู่ในใจแล้ก็เลยเลยบอกว่าถ้าไม่ถ้าอดต่อไป ก, ก็ตาเขาก็เลยตัดสินใจเลิอกอดว่าวปัญจวัคคีย์ที่ติดตามก็เลยหมดศรัทธามาแยกตัวไปพ า, าอยู่คนเดียวได้ไม่นานท่านก็สัตว์เขาแล้วท่านก็นึกถึ ง, ถงว่าปัญจวัคคีย์เป็นกลุ่มหนาบุคคลที่พร้อมที่จะทำธรรมอันประเสริฐนี้ได้ แต่สามารถบรรลุธรรได้อย่างงดเวรพอก็เลยไปสอนพระบจรวิถีสอนทางสายกลางทางการหาความสุขแบบคารวาะก็เข้าใจากันแล้วมาบวชกันแล้วแต่ยังไม่เข้าใจว่าทําไมอดอาหารทรมานร่างกายแล้วทำไมไม่ทําให้ทุกข์จัดได้พ่อสบายนั่นก็มีพวกโยคีทรมานร่างกายด้วยวิธีหลายวิธีใชนั่งบนที่นั่งที่แหลมคอ แไม่อาบน้ำไม่ตัดผมอะไรอันนั้นอันนั้นจะเรียกเป็นการทําสมถะหลายๆรูปแบบใช่ไหมครับอาจารย์แต่ว่ายังไม่ถึงแับปัญญาที่พิจารณาได้ปัญญามาก็ไม่ไม่ใช่สมถะเป็นการเป็นการคิดว่าไม่ทราบเหมือนว่าก็ทำเหมือน่ันเขาคิดว่าเป็นวิธีดับทุกข์ให้กับเขาอไรแบบนันี่คือทางสายกลา อาศัายการเมื่อทางที่ผู้เจ้าทรงบำเพ็ญมาเนี่ยครับออกบวชเนี่ยออกบวชโยมอยากจะถือสายการก็ออกเหมือนถ้ายังเป็นโยมอยู่ยังไม่สักไม่กาลางมันยังมันยังสุดไปทางกางมาุขอยู่นะครับผม <c oughs> ตอนนี้ก็ไม่ก็ทําในเรื่องของศีลผมเ น, น, น, นื่องจากว่าศีลศีลแปดเนี่ยก็จริงๆก็ผมไม่รับประทานอาหารตอนเย็นนะฮะแต่ว่าบางทีเราผิวเราก็กินเล็กๆน้อยๆเหมือนกัน แต่ว่าไม่ไม่ได้ต่อไปก็ไม่ไป่กินมันไม่ตายลองลองลองดูครับแต่สุดเป็นเรื่องของการทําสมาธิแล้วก็เดินจงกรมผมทําทุกวันครับตีสี่ก็ตื่นขึ้นมาทำทำให้มันมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งมีกําลังที่จะไปบวชได้ครับก็ยังยังตัดไม่ได้เพราะว่ายังมีภาระครับตัดการไม่ได้ครับครับแล้วติดการมาสุดเนี่ย คาราวาทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ ส, สายกลางาปฏิบัติไงก็ไม่สายกลางอ๋อครับถือว่ายังยังไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่สายกลางครับอ่เข้าใจนะ อ, จอันนี้ไม่ได้ไม่ไม่ได้บินประมาทคาราวาแล้วก็เคยเป็นคาราวาด้วยครับผมครับอ่าขอบขอบขอบคุณครับอาจารย์ครับอ่ากราบนะมาส ก, การครับโอเคนะครัคุณ น, น, นันทภัทรจากกรทมเหมือนกันนี่เขาก็เริ่มไปทางนั้งบุดแล้วเนี่ยลาออกจากนั้นนะ <c oughs> การนวัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์อยู่บนเขาเจ้าค่ะพระอาจารย์เอมาปิดวิเวกบนเขาค่ะก็ออกวันจันทร์พอดีค่ะอาจจะได้ไปกราบพ้องคุณสาธากาเจ้า่ะพระอาจารย์ <c oughs> สาธกาจะมาเลยค่ะวันจันทร์เหมือนกันค่ะลูกลูกออกวันจันทร์ก็กะว่าจะให้ลูกคนรถมารับแล้วก็ไปหอฉันก่อนกับลาก่อนกับเจ้าขาพระอาจารย์คือความจรยย <c oughs> ิงถ้าไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ลาก็ได้นะเราไม่ได้เที่ เราไม่ค่อยใคยรกังวดเสียเรื่องการ ม, มาการมาการลาเน่ยกเพราะว่าถือว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของเราเองแต่แต่จะมาก็ไม่ว่านะแต่ว่าถ้ า, ถาไม่ไม่ไม่สะดวกอะไรก็ไม่ต้องก็ได้นะ ค่ะค่ะก็ดูเหตุการณ์ก่อนเจ้าค่ะพระอาจารย์<ม>ก็กับกับเรียนพระอาจารย์ว่าน้อมพยายามน้อมรับคําสั่งสอนพระอาจารย์ที่พระอาจารย์ให้คําแนะนําเมื่อคืนเจ้าค่ะพระอาจารย์จะไปปฏิบัติต่อเจ้ า, า, า, จา<ม>ค่ะพระอาจารย์ค่ะแล้วก็การทดสอบความกลัวได้ลองลงไปเดินตรงสะพานทางเดินตอนฟ้ามืดแล้วก็พอทําได้เจ้าค่ะพระอาจารย์มันก็คือแต่เช็ค จิตตัวเองแล้วมันได้จากการใช้สติเจ้าค่ะพระอาจารย์ความกลัวจริงๆในลึกๆยังไม่หายไปเพราะว่าน่าจะเป็นจากการที่ไม่ได้ใช้วิสตัมคือปัญญาใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ยังเห็นว่าทางกายเป็นเธอเราของเราค่ะแ ต, แต่แต่ตอนที่เดินลงไปเดินก็เกิดเสียงเกิดกวางเดินผ่านหรืออะไรเสียงอะไรก็นิ่งได้เจ้าค่ะพระอาจารย์แต่ลูกก็มองว่ามันน่าจะเกิดจากสติที่เราพยายามเจริญทั้งวันแล้วมัน มันเอาไปใช้ได้ตอนนั้นนะเจ้าค่ะพระอาจารย์นะ ส, ส, สติก็สําคัญปัญญาก็สำคัญก็สำคัญเจ้าค่ะพระอาจารย์สําสหรับวันนี้ลูกไม่มีคําถามเจ้าค่ะเข้ามารับฟังแล้วก็มากราบพระอาจารย์พพเจ้าค่ะกาาับพ่อพิบูลเจ้าค่ะนะโมนะโมวันนี้วนนชวนอปมากี่คนเนี่ยสองคนวันนี้ก็มีสองคนเท่าเดิมค่ะพระอาจครย์ ใช่ครับมีพอดกับแม็กครับอาจารย์โ okay. อนนเควันนี้มีคำถามอะไรไหมคะเอ่อวันนี้มีคําถามแล้วก็มาส่งกันบ้านครับอาจารย์จากกันบ้านที่อาจารย์ให้ไปฝึกดูความอยากครับก็จริงๆก็ได้ฝึกมาแล้วครับแล้วก็โชคดีที่มีเพื่อนของเราเพื่อนสนิทเราอยู่ในสูงด้วยเวลาที่อยู่ที่โรงเรยียนก็จะคอยเตือนนะครับอาจารย์ เออเวลาที่ไม่ใช่เวลาทานอาหารนะครับเราหิวแล้วก็จะเดินอยากจะเดินไปที mm ่โลกอาหารไปซื้อของกินแต่ว่าเพื่อนก็ทักไว้บอกว่าพระจารย์บอกว่าอะไรเนี่ยต้องดูความโลภอย่างนั้นนะครับพระอาจารย์บอไม่ตายแล้วรอยแล้วไม่กี่ชั่วโมงเดี๋ยวไม่ไ้กินตอนนี้พยายามหกกินเฉพาะเวลาเวลารับประทาน เวลานอกรับประทานอยากไปเวลาไม่ใช่เป็นเวลารับประทานก็อยากไปถ้าหิวน้ำก็ดื่มน้ําปรล่าพอไม่ต้องไปเดินน้ําเครื่องเดือดที่มีรสชาติต่งางๆคัพจารย์กับความอยากครับแล้วก็มีช่วงนี้สอบเยอะครับอาจารย์ก็เรียนหนักครับอาจารย์แล้วก็บางทีก็จะเครียดเมื่อเครียดก็จะนึกถึงคําที่พรอาจารย์สอนนะครับว่า ให้ท่องฟุตโตแล้วก็พอเราก็เลยมานั่งสมาธิครับพระอาจารย์แล้วเราก็นึกตามที่พระอาจารย์สอนนะครับว่าเออคือไอ้ที่ทุกอยู่อ่ะไอ้ไอ้ที่เจ็บอยู่ครับคือกายไม่ใช่ใจของเราครับพระอาจารย์ไม่ไม่มันไม่ใช่ใจของเราที่เจ็บแต่มันคือกายเราก็พิจารณาแบบมีปลาครับพอาจารย์แล้วก็นะาทางบางทีที่มันเครียดนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ร่างกายเคยรียดนะใจเครียด ตอนที่เขาใจอยากอยา ก, อยากให้อยากไม่สาวได้อยากไม่สาบตกอย่างนี้ถ้าไปนั่งสมาธิมันก็หยุดเคีย่นได้ชั่วคราวว่ามันหยุดคิดแต่ถ้าจะให้มันหายเที่ยงแล้ ว, วทําให้ดีที่สุดก็แล้วกันจะได้ไม่ได้ก็ะช่างโอ้มันเราทําอะไรไม่ได้ทําให้ดีที่สุดแล้วผลมันจะออกมาอย่างไงก็ต้องยอมรับผลที่เกิดขึ้น เราไปอยากให้มันเป็นแปลตามความต้องการของเราไม่ได้ถ้าเหตุที่เราทํามันไม่ถึงผลที่เราต้องการครับพระอาจารย์แล้วก็เวลาเดินจงกงรมค่ะพระอาจารย์ด้วยความที่เราฟังเอจากหลากหลายสํานักละเกินครับพระอาจารย์ก็ไม่แน่ใจว่าสรุปว่าเวลาเดินต้องทํายังไงครับเดินจงกรม<ป> ให้ความรู้สึกไปอยู่ที่เท้าเหรอคะพระอาจารย์ไม่ต้องใ ห, ใ, หให้มีความรู้สึกอยู่ที่พุโทโธเลก็คื อ, อบริการพุโทโธอยู่ในใจเหรอแล้วแล้วเวลาเดินต้องมีสติไหมครับว่ากําลังเดินอยู่่ะคก็นั่นแหละก็มีสติอยู่กับพุโทโธไม่ให้ใจไปคิดเรื่องอให้อยู่กับการเดินให้อยู่กับเท้าที่เราเดินแล้วดูทางที่เราเดิน อย่าไปเดินเลาดื้อล้มหรือว่าไปเดินไปชนไปเตะอะไรก็ให้ดูทางดูการเดินของเราแล้วก็ใช้พุดโถคอยหยุดความคิดที่จะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นั้นทำสองอย่างให้มีสติรู้อยู่ว่าก้าวก้าวเท้าที่เก้าวอยู่แล้วก็ใช้สุดโถคอยควบคุมถึงจิตมาให้ไปคิดถึงการสอบถึงเรื่องการเรียนถึงเรื่องอะไรให้อยู่กับการเดินเป็นอย่างเดียว อาจารย์ครับแล้วเวลาเดินนี่เท้าขวานี่ต้องเหมือนบริกรรมไหยครับเท้าขวาพูดเท้าซ้ายโถะครับอาจารย์ก็แล้วแต่เราเราจะใช้อย่างนั้นก็ได้พุทเท้าพูดหรือพูดเดินด้าวเท้าซ้ายก็ว่าซ้ายเดินก้าวเท้าขวาก็ว่าขวาไปเลยซ้ายขวาซ้ายขวาไปก็ได้ง่ายกวจาไม่ต้องพุทโธก็ได้หรือจะใช้พุทโถก็ไแล้วแต mm. ่เราตรงไหนที่เรา เป้าหมายคือไม่ให้เราไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆให้ใจว่างว่างใจให้ให้รู้เฉยๆให้รู้ว่ากำลังเดินเท่านนเองไม่คิดไม่ใ ห, ค, ค, ใหคิดถึงหน้าคิดถึงพ่อคิดถึงอาหารคิดถึงขนมคิดถึงอะไรเนทะ่านั้นครับอาจารย์รยนะครับนใจนะครับวันนี้ก็มีเท่านี้ครับอาจารย์อบครัเดินไปจ้ เดินไปแล้วก็ทําพุทโธไปพร้อมกับการเดินก็ได้โดยที่ไม่ต้องไปไม่ต้องเอาพุทไปผูกกับเท้าพุทโธพุทโธไปเท้าว่าเดินไปแต่ต้องดูทางต้องดูว่าเรากำลังเดินพนลงมีอะไรอยู่ข้างหน้าเราไม่คิดทําพุทโธถ้าเกิดมันไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ทําพุทโธไปด้วยถ้ามันไม่คิดการเดินเดินแบบไม่ต้องใช้พุทโธก็ได้ดูเท้าเนี่ยมันเดนก็ไ ผ่าอาจารย์ผาจารย์นะนะครับขอบคุณผาอาจารย์ครับเดี๋ยวขอข้ามไปที่ปอเทสเลยนะอเทมาด้วยกันช่วยกรักรูวสกกรนคขับอาจารย์อ่าเป็นยังไงอายุเท่าไหร<อ>่นะเอสิบสองครับสิบสองอยู่เกต6กนะ อ, อืมเกตดเจ็ดครับเกดเจ็ดะน เอาวันนี้ก็มาส่งกับว่าอาจารย์ที่ข้าก่อนให้ท่องพุทโธตอนเครียดครับเอแล้วมีไม่หาเครียดไหมตอ น, นวันนี้สอบอยู่แล้วก็เครียดอยู่สักช่วงหนึ่งแล้วก็ท่องพุทโธแล้วก็หายครับอืมแล้วพอหยุดเจ้ามันก็เครียด อ, อีกหอเป่าอ๋อไม่ไม่ลแล้แหละถ้ามันเครียดก็ถ้ามันเครียดก็หากใช้ปัญญาอ่า อะไจะเกิดก็เกิดตกก็ตกได้ก็ได้ยอมรับทุกทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นแต่ก็ทําให้ดีที่สุดพยายามดูหนังสือให้มากที่สุดแล้วเวลาไปสอบจสอบได้หรือไม่ได้ก็ต้องยอมรับผลที่เกิดขึ้ น, แ ล, น, นแล้วก็จะไม่คิดแล้วก็มีคําถามมีคําถามนึง ว่าถ้าสมมติมีเพื่อนคนหนึ่งที่เหมือนแบบว่าก้าวร้าวหนึ่งนะะจะทำยังไงออเราต้องเข้าใจว่าคนมีหลายแบบในโลกนี้คนก้าวร้าวก็มีคนแรบร้อยก็มีคนที่โรดร้ายก็มีคนที่ใจดีก็มีคนแต่เหมือนกับคลละไมชนิดต่างๆใช่ไหม เราไม่มีผลไม้ชนิดเดียวในโลกนี้ใช่ไหมมีกล้วยมีสับปะรดมีมะละกอมีหลายแบบด้วยกันคนก็มีหลายแบบเหมือนกับผลไมเนี่ยนะนี้นเวลาเราเจอกล้วยเราอยากจะไปให้มันเป็นสับปะรดได้ปะไม่ได้เวลาเราไปเจอคนก้าวล้าวเราไปอยากให้เขาไม่มาเก้าวร้าได้ปะไม่ได้ก็ปล่อยเขาก้า ว, วร้าไปเราวก็อยู่ของเราไปเรามันจะไม่เครียด ถ้าเราคิดว่าไม่ไม่น่าอยู่ใกล้ก็อย่าไปอยู่ใกล้เวลาคนเดินมาแล้วก็เดินไปทาง น, านั้นก็ทางนั้นเองครับแต่ไม่ต้องไปเปลี่ยนเขาเปลี่ยนเราไม่ได้เข้าใจไหมเรายังเปลี่ยนเราไม่ได้เลยในชะ่ไหมเราเป็นแบบไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมพระใจยอมยอมรับว่าในโรกนี้มันมีนาน า, นานจิตตังก็เรียกมีคนนิสัยที่ไม่เหมือนกันะ เราจะไปให้ทุกคนเหมือนกันไม่เหมือนเราทุกคนเหมือนเราไม่ได้ครับอาจยอมรับกับความความความความไม่เหมือนกันของของบุคคล ต, ต่างๆเลยเราภาษาพานันเลยอันนี้จังไม่เที่ยงไม่เท่ากันนิ้วเรายังไม่เท่ากันเลยใช่ไหมเราจะให้นิ้วเราเท่ากันได้ตั้งสิบนิ้ว มียาวมีสั้นมีเล็กมีมีอ้วนมีป่องใช่ไหมคนในรุ่นนี้ก็แบบนี้นะเราก็อยู่บนนิวน้วเราเราได้ใช่ไหมนิวนม้วเราเป็นหลายขนาดแล้วก็อยู่ประมันได้คนก็เหมือนกันคนก็มีหลายแบบแล้วเราต้ผ่านอยู่กับมันให้ได้คนก้าวร้าวก็มีคนเจเล็กก็มีคนนางแก่ก็มีคนดูนี่ก็เขาเป็นที่สัยของเขาอย่างนี้นวก็อย่าไปเข้าใกล้เขาละกนถ้าเรา ที่เราเป็นเหมือนอุจจาระเราเข้าไปใกล้แล้วบ้านะฮะก็ไม่ต้องเข้าไปเปลี่ยนแล้วเราไม่เปลี่ยนอุจจาระให้เป็นน้ำหอมขึนมาเป็นขนมขึ้นมใช่ไหมโอเคโอเคครับแค่นี้ครับองครับไปหาคุณหมอตอบคุณหมอพิเชเช่นากวธมมรุณกันับมราชการพระอาจารย์ครับวันนี้ยมไม่มีคาถามครับ แต่ว่ามากับพระอาจารย์วายมฟังธรมธรมัทเธอสนาของพระอาจารย์ทุกวันแล้วก็น้อมนําคําสั่งสอนของพระอาจารย์ไปปฏิบัติอย่างต่อนเนื่องครับพระอาจารย์เอาทว้เได้ไประโยชน์นะเราทาให้รู้สึกใจสงบขึ้นแล้วก็ทําให้อมองทุกอย่างได้ได้ดีขึ้นครับเรื่องของการปล่อยวางแล้วก็มองใจรักต่างๆเวลาเจอปัญหาอะไรต่างๆแล้วก็ อันนี้ก็มา ก, กราบอาจารย์ว่าอยมไม่มีคําถามแต่ว่ามาฟังคําสั่งสอนของพระอาจารย์ครับต้องต้องมาพิจารณาร่างกายเราให้มากนะเพราะมันใกล้ใกล้ที่จะเข้าห้องสอบนะร่างกายของเครับอาจารย์เนี่ยมันก็ต้องเจ็บไข้ได้ตัวนะเดี๋ยวมันก็ตรองตายเราพยายามทับการบ้านในข้อสองข้อนี้ให้ได้ควาแก่ก็เหมือนกันแก่ไปเรื่อยๆต้องต้องยอมรับกับสภาพเปลี่ยนแปลง ข, ของร่างกาย เคยแข็งแรงเคยทำได้เมื่อ like ก่อนอาจจะทำไม่ค่อยได้ก็หัดปรับใจให้อยู่กับสภาพของร่างกายเยาอาจารย์เหมือนเดิมครับตรงนี้ก็ก็น้อมนําคําสั่งสอนของพระอาจารย์ไปพระเจ้าทรงสอนให้เราหมั่นพิจารณาเรื่องร่างกายให้มากครับอาจ่างกายเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายครรับอาาจยลูกพ้นความแก่ความเจ็บความตายมันไม่ได้ เราต้องใจเราต้องเฉยกับมันได้กระเดื่อนมาเพราะร่างกายไม่ใช่ตัวเราเป็นเพียงแต่คนรับใช้เราเราได้มาจากพ่อแม่พ่อแม่สร้างร่างกายนี้มาให้เรามารับใช้ลเราแต่ถึงเวลามันก็หมดอายุมันก็ต้องขคลาออกจากงานไปครับอาจารย์ก็ได้ได้น้อมนําคําสั่งสอนอาจารย์มาพิจารณาเรื่องมรณานุสติอยู่ประจ็อย่าลืมนะ พอล้วบางทีเขาไม่คิดตั้งนั่เลยมันก็อยากอยากจะอยู่ไปนานๆขึ้นมาครับอาจารย์กิเลยกิเลยมันวายละกัครับกินเลยตัณหาเนี่ยถ้ากลัวมากกับอาจารย์ที่นั่นน้อมนำทำๆไปเรื่อยก็ดีทำๆทุกวันได้ก็ดีัำทุกวันครับปฏิบัติเดินยังงมนั่งสมาธิทําจิตให้สงบนะครับกันตอนเช้าทุกวันครับอาจารย์เราจะได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญา ครับครับขอบคุณอาจารย์มากครับอขอบคุณธรรมวันต่อเชิญธรรมวันสามแสนกลับมาสักการเจ้าค่ะอาจารย์กลับมาภาวนาได้แล้วเจา้าค่ะได้แล้วเหรอได้สนิกลับคืนแล้วเหรอแต่ว่ายังไม่เหมือนเดิมยังไม่ดีเหมือนเดิมก็ยังไม่ก็ยังต้องเจริญต่อเจริญสนิทต่อไปทุกทุกเรื่รรออะไรขัดความคิด วันนี้โยมเคหัวตัวเองไปสีท่ทีคือเป็นเหมือนที่ผ้าจานบอกเลยว่าน้ําเย็นพอเอาไปเข้าตู้เย็นยังไม่ทันเย็นก็เอาออกมาแล้วก็เอาไปใส่ใหม่คือมันก็อย่างนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วมันเรื่อยมันจะเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นั่งนานๆสินั่งนานๆนั่งบ่อยๆปฏิบัติ<อ>ให้มากขึ้นออกมาก็ต้องออกมาก็ต้องเจริญสติครับ อย่าปล่อยใจให้คิดเรื่เอเปืยๆทำอะไรเรื่อยๆต า, ามอารมณ์เจ้าค่ะแล้วก็บอกตัวเองว่าเฮ้ยอาจารย์เราเจ็ดสิบสี่แล้วนะทำไมแล้วแล้วมีแบบว่าเราเองจะไม่เอาไหนเหรอแต่นี่ค่ะไเป็นไรหรอมีอาจารย์ใหม่มอาจารย์ที่ตายไปก็มีอาจารย์ใหม่เยอะแยะเอา ก็บอกตัวเองอย่างนี้ยก็ค่ะแย่จริงๆแต่ว่ารับปากพระอาจารย์ว่าจะไม่ดื้อแล้วจ้ะพยายามศึกติให้มากๆอยากปล่อยให้ใจคิดใจเหมือนดิ่งพยายามมาเชื่อมาผูกมัมันไว้ไว้กับเสาตงนี้เสาก็คือพุทโทเรื่องนาำายของเราที่กำนังเคลื่อนไปอยเนี่ยเป็นเสาที่ยังดึงจิตมาให้ ลอยไปกับอดีตลอยไปกับอนาคตได้เจ้าค่ะน้องนํามาปฏิบัติเจ้าค่ะอะันนี้อย่าไปสนใจกับเรื่องหน่นนะนี้นเอาสติก่อนเนี่ยปัญญานี่รู้มากกันไปแล้วนู้แต่ทําอะไรไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์ไม่ได้ใช่เจ้าค่ะก็มีสติส ก, ก่อนก็มีสติมีอุเบกขาวก่อนแล้วทีนี้ถึงยา่าเอาปัญญามาใช้ได้โนะยนี้ทั้งนี้เจ้าค่ะ ไปที่อาจารย์พงพิไลต่อจากปอธมอไปงากู้หูกำลังปลุกอยู่นะกำลังปลุกปูุมาแล้วค่ะคำน้ำมาสการครับอาจารย์เอ้ยมาสการพอาจารย์ครับเป็นสองสองที่นี้ไม่เจอคุณหมอเลยไม่ทราบคุณนุกูเจอกันอไม่โอ้ยค่ะโอ้ยเลยนะคุณหมอกักตัวอยู่ครับกักตัว คงคงมาคงจะไปได้วันจันนี้มั้งค่ะก็ไม่เป็นไรไปได้สงสัยแต่เอีกะอ๋อลึกว่าคุณหมอส่งข่าวพระจ้าไม่ได้เซอ์ะค่ะก็ครอบครัวเป็นหลายคนนะคะโอเคก็ต้องจัดตัวทั้งหมดนะค่ะพอไปคนหนึ่งไปคนนึงไปติดเข้ามาแพทอยู่ในบ้านเดียวกัก็ติดเพราบ้านของบิลี่นี่ปิดทั้งบ้านเลยฮะไม่ได้เจอมาสองสัปดาห์นะคะ ก็คงหายแล้วค่ะตอนนี้ะคเราต้องระวังครับคุณเราเราอยู่เกือบแม่ค่ะเราอยู่กับคุณแม่อายุมากแล้วก็ต้องระวังค่ะโอ้ที่บ้านกวัวมากเลยค่ะเพราะคุณแม่ไม่ได้ฉีดยาด้วยค่ะอือายุเยอะเกินไปไม่ต้องฉีก็อยู่ห่างๆร้อยแลนะร้อยขึนไปร้อยแล้วค่ะร้อยเจ็ดเดือนแล้วค่ะร้อยเจ็ดเดือนค่ะยังสดชื่นอยู่ค่ะก็ดี เราก็ต้องระมัดระวังก็ก็ระมัดระวังค่ะกันเราเราระมัดระวังคนข้างๆเนี่ยค่ะเพราะก็กลวๆอยู่กันค่ะวันนี้ไม่มีคําถามคุณพระอาจารย์ก็ฟค่ะปฏิบัติอยู่เหมือนเดิมค่ะฟังแล้วก็มีความไมีไปแล้วก็เลยที่เราจเจอเราก็เจออยู่นะคะแล้วก็ก็รู้ว่าเราไปได้ยังไงเรามีพระอาจารย์เป็น เป้หมายนะคะที่จะเดินตามโอเคนะครับอทีุ่ญจยตพัทยาจอยพัทยาขายของยังขายอยู่ทุกวันรึเป่าอะไรคะติดโควิดทั้งบ้านเลยคะ่ะเหมือนกันนอะเออทไมไม่ไมด้ไปบาอาจารย์อาทิตย์ที่แล้วมันพุดอบอกพี่หลาอยู่ว่าพี่หลาคะ่ะหนูหนูติดโควิดหนูหนูเจอบชทแบบั่วทั่วติดกัหมดเลยเหรคะ่ะการไม่ดูแรงใช่ไม ไม่ค่ะแล้วก็ตอนรู้ว่าติดก็เฉยเฉยไม่ได้กลัวอะไรเหมือนกับ<ม>เราก็มีเป็นเหมือนไข้หวัดธรรมดาใช่ไหมใช่ค่ะมันเหมือนเป็นไข้หวัดแล้วมันก็ตัวร้อนตอนแรกมันตัวร้อนไข้หวัดแล้วก็มีน้ำมูกมันแต่มันก็ไม่ได้ดูแบบน่ากลัวร้ายแรงอะไรขนาดไม่ทรมานเลยเนี่ยค่ะไอ้อตัวเล็กเนี่ยตอนเนี้ยเขาตอนนี้หนูตัวจะหนูหนูเจอขีดเดียวแต่ว่าตัวเล็กอะพิ่งตรวจไปสองวันเขามีสองขีดก็เลยต้องใส่ใส่แมสก์อยู่ด้วยกัน มา้จ่ายม ไ, มไม่ต้องรเลยอ่ไม่ง่ายไม่ไม่ใส่แม่เลยหรือไม่้องใส่สอขีดแต่ไม่มีอาการเลยนั่นเองเคุณก็ฝามพระอาจารเราเ ล, ลอ่าสาธุวันดีครับสวัสดีครับเนียไ ป, ไปไม่คุยแล้ว โอเครักษาตัวให้ดีนะมีอะไรไหมมีอะไรจะถามไหมก็ไม่มีค่ะก็ได้ได้ได้ฝึกอยู่กับตัวเองตลอดก็พอรู้ค่ะแต่อยู่กับลูปมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยสงบเท่าไหร่ค่ะก็อย่าไปวุ่นวาก็แล้วกันอย่าวุ่นวาก็แล้วกันลองตัดนะอะไรจะเกิดก็เกิดทําให้ดีที่สุด พระอาจาร์ก็ระวังรักษาตัวด้วยนะคะคนใส่บาทเยอะไหมคะก็เยอะมันวันวันพาไม่ว่าทิ่นานคนต้อง5 0าร้อยกว่าห้ารันพระคือแบบมันมันมันเป็นเร็วมากเลยนะคะแบบแค่นี้เดียวก็โดนกันหมดเลยอ่ะอขอให้หายดีก่อนเดี๋ยวจะไปเดี๋อจะไปจ้อได้แต่มันไม่มีเชื้อก่อนนะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันไม่ั้นาไม่ออกจากบ้านค่ะเดี๋ยวเาฝากกันนี้ ฮึฮึด่าจ้าด่ารีบเร็วนะ<ข>อน่อมิวไลคอนจ้าฝังเข้ามาทำไมอันนี้ก็อยู่รู้จมรด น, นใจสองมึงกันเลย อ, อาจารย์ค่ะกลับนมัสการพระอาจารย์แล้วค่ะยิ้ม ยิ้มใส่ใส่คอมมาค่ะตลอดเลยค่ะตั้งแต่เปิดเปิดคอมมาค่ะ<ม>กับนิมิตการพระอาจารย์แล้วก็ชื่นชมกับน้องนโมกับเพื่อนน้องนโมอะค่ะ <c oughs> น่ารักจเลยค่ะ <c oughs> เขาเป็นเด็กแต่ว่าเขาเข้ามาปรึก ษ, ษาธร<ม>รมกับพระอาจารย์น่ารักจังเลยค่ะเหมือนผู้ใหญ่นะฟังใค่ะจิตใจก็เหมือนผู้ให<ม> <c oughs> ค่ะแล้วแลบบทำทำไมโยมบอกว่าชื่นชมพระอาจารย์แล้วก็เคารพพระอาจารย์แบบเหนือเสียนเก้าเลยค่ะขอบก็ขอบขอบคุณพระอาจารย์มากมากค่ะ คุณพ่อสบายดีนะสบายดีค่ะพระอาจารย์กับข้าวรถพระอาจารย์ค่ะค่ะรักและขอรับพระอาจารย์มากค่ะในที่คุณปุ้ยต่ยบรรอบปุ้ยจากลัสเซนเบิร์กก่าวนามสกุลค่ะพระอาจารย์คุณปุ้ยจากลัสเซนเบิร์กค่ะมีอะไรไหมเออจะมารายงานตัวส่งกันบ้านค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์สบายดีไหมคะสบายดีค่ะ คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโยมบอกกับพระอาจารย์ว่าโยมจะตั้งแต่วันพฤหัสที่แล้วโยมมีฮอร์เรเดไปถึงอาทิตย์หน้าไปถึงวันจันทร์ถึงจะกลับไปทำงานโยมก็เลยนั่งตอนแรกกะว่าเอ๊ะเราทำไม่ได้มั้งเออลองลองทำก่อน3มวันลองปฏิบัติธรรมแล้วก็ถือศีลแปคือเราไม่ติดต่อกับใครเลยเราไม่เอาเลยพวกพวกข่าวสารอะไรสืบข่าวสารอะไรเงี้ย ก็ลองปฏิบัติดูทําได้ค่ะก็เลยทํายาวมาถึงห้าวันค่ะก็นั่งสมาธิแล้วจิตมันก็นิ่งค่ะเออก็สงบดีแต่ว่าบางวันมันก็จะแบบไม่ไม่ค่อยสงบแต่บางวันมันก็จะสงบบางวันมันก็จะแบบว่ามันมันจะเห็นแบบดวงใหญ่ๆแล้วก็วูบอะไรอย่างเงี้ยก็ดีอย่าไปสนใจนะพิจารณาว่าเป็นมันไม่เที่ยงนะมันเป็นใจแล้วมันกลายแล้วมันก็ดับ เราไปสั่งมันไม่ได้มันจะมาก็มามันจะไม่มาก็ต้องปล่อยมันไปตามเรื่องไม่ต้องไปสนใจโยมก็ปฏิบัติสิ่งที่ต <ๆ S 2> ้องการก็คือความว่างความสงบค่ะเมืาอว่าโยมรู้สึกว่าตั้งแต่ปฏิบัติมานี้คือเอ่ออย่างสมมตรรริว่าเราทํา ง, งานเนี้ยคนมันโกนรธมในเราคือเราข่มได้เราข่มแล้วเราแบบเราเมื่อเมื่อก่อนเป็นคนที่ขี้โมโหและโยมก็ทําได้ค่ะ เโยมก็ขอขอบพระคุณพะอาจารย์อยูมากแปงว่าธรรมะของพระเจ้าเริ่มซึมซาบเข้าไปในใจแล้วซึมลากเลยอะกจะพยายามสั่เข้าไปเรื่อยๆเนี่ยเอาธรรมะเข้าไปเยอะๆกินเองกไม่มีที่อยู่จะได้โยมเชื่อเพราะว่าโยมเชื่อมากว่าเอ่อถ้าเราอยู่ในศีลศีลต้องรักษาเราถ้าเรารักษาศีลอย่างจริงจัง แล้วยมเป็นคนมีสัจจะถ้าตั้งใจแล้วยมต้องเอาให้ได้แต่ถ้าขี้เกียจก็คือขี้เกียจเลยยมเป็นคนอย่างนี้ยมก็ย้ำขุดตัวเองขึ้นมาก็ต้องตัดมันต้องข้ามมันให้ได้ความขี้เกียจย้า้มันมาอยู่ในใจแล้วใช่ค่ะแต่ถ้ายมตัดตัดไอ้พวกไอ้พวกข่าวสารอะไรออกมาได้เนี่ยนะคือยมจะทําได้เพราะยมดูแล้วอในเวลาห้าวันเนี่ยยมลองแบบเออตัดไอ้พวกเสพข่าวเสพอะไรแต่ละยอย่างเงี้ยนะ กยิไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้เพราะการไม่ทำมัน ง, ง่ายกว่าทาเยอะแยะเไม่ดูกับดูเนี่ยไหนจะ ง, ง่ายกว่ากันจริงค่ะและถ้า<ม>ดูว่า ต, ต้องไปหาต้องไปหาของดูถ้าไม่ดูก็อยู่บ้านเฉยเฉยก็จบง่ายดีค่ะถูกต้องค่ะยมมีความรู้สึกยมเชื่อมากและยมก็เชื่อว่าบางสิ่งบางอย่างเราไม่เราไม่จําเป็นต้องไปฝ่ายควาเรียนรู้แต่ว่า มันเหมือนกับว่าอย่างเวลายมนั่งสมาธิเนี้อย่างพระอาจารย์สอนเนี่ยว่าให้พุโทโธพุโทโธตลอดเวลาและเรารู้เลยว่าจิตเราเนี่ยอุ๊ยแต่งออกไปแล้วเว้ยแล้วยังอยู่มันก็จะเหมือนกับจะมีใครมาบอกเราว่าเนี่ดึงจิตออกเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยสะะติสติฉบอกให้เผยแล้วนะค่ะแล้วปกติโยมเนี่ยจะเป็นคนที่เมื่อสมัยก่อนเนี่ยบอกองค์กรว่าอึนสายไม่ชอบเกเร แต่ทีนี้แต่พอแบบเอาเขา้าเอาจริงจรังจังเข้าเนี่ยมไม่ต้องใช้นาฬิกาปุกอัตโมติกเลยค่ะตีหนึ่งคร่งยมตืตั้งใจตั้งตั้งใจแล้วมันเยอะมันจ ะ, จะปุกตัวอะไรขึ้นมาใช่แล้วก็ไม่หิวด้วยเออตมก็นึกว่าเอะยยมจะหิวมั้งเพราะว่ายมไม่ได้กินเยอะแต่ยมก็ไม่หิวนะพระอาจารย์นนโอเคดีมากมีอะไรยมจะลองยมจะลองทําทุกวันพระแล้วล่ะทีนี้เอต่อไปทํำหลายวันด้วยก็ได้ ทำแหละวันเดี๋ยวขอรวยก่อนนะพระอาจารย์เพราะว่าต้องไปทํางานนะต้องสู้กระสึกนะก็ทําทไปแล้วก็ถือศีนเพิ่มมากขึ้นหน่อยก็ได้ถ้าไม่ได้แปดข้อก็เอาแต่เจ็ดข้อก็ได้เอาได้ได้เลยค่ะอย่างนี้นโ อ, อ้ประจําอยู่แล้วเพราะคุก็ทันเจด้วยไงแล้วมันจะได้สะอาดตัวจะได้สะอาดด้วยใจจะได้สะอาดด้วยค่ะโอเค ะพระอาจารย์โอิพรให้ยมหน่อยสิวันนี้หวยออกไงวันนี้หวยออกโหววันนี้สอบตกอ่ะวันเนี้ยแหมวันวันประชาชนเชาวหวยแต่ว่าสอบตกค่ะอาจารย์นั่นแหละมันไม่เที่ยงอย่าไปอย่าไปอย่าไปหวังเพึ่งมันทําให้เราทุกข์นะไม่คิดมากค่ะมันเป็นอนิจจุคอนาตานะเล่นสนุกสนุกได้อยู่นอย่าไปหวังเล่นสนุกสนุกก็ไม่ใช่นักเล่นค่ะ จะมาเป็นเหมือนกับเสีโชไปใบสองใ บ, บอะไรเบอร์สเบอร์ใช่เราไม่ได้หวังแบบโอ้โไม่ใช่เซื้อทีร้อยใบพันใบบางคนโน no, ไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะยังไงโยม เ, นะเล่นเล่นสนุกสนุกอขอให้ดูนีขอให้ดูด้วยการทํางานดีกว่านะโอศาธุอืถอยากจะอยากจะกลับไปกลับพระอาจารย์เนียนกลับตรงนี้เลยเหมือนกันพระอาจารย์ยมจะได้กลับไหเนี่ยปีเนี้ย ถ้าจะกลับมันก็กลับนะถ้าไม่กลับมันก็ไม่กลับก <คน S 2> ันถามเราได้ไงอยู่ที่เราถ้ามันจะมาสัาอย่างช้าแน่ชุดไม่อยู่ใช่ไหมถ้าจะมาจริงๆก็ข อ, ขอให้พระอาจารย์มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะาสาธุขอบพระคุณอย่างสูงค่ะไว้ส่งการเดินสาธุค่ะาาคุณหมอพัาสานะต่อ ค, ค่ะการานสักการพระอาจารย์ค่ะวันนี้อยากเรียนสอบถามพระอาจารย์เรื่อ ง, บงเบือค่ะเรื่องการปฏิบัติในการพระอาจารย์คือว่าถ้าเรื่องในสัจฉิค่ะพระอาจารย์สมัยก่อนที่ที่ทําในสัญชินั่งสมาธิอะมันก็รู้สึกดีนะคะตื่นแต่ว่าพอตอนครั้งที่หลับมาจากวันทําเปาาที่เดินทั้งคืนอะ มันแล้วมันใช้จุดเทียนจนนมาแล้วเดินมันรู้สึกเลยว่าทางมันมืดแต่ใจมันสว่างแล้ววันรุงขึ้นอ่ะมันตื่นตลอดทั้งมันอุบเบกขันได้ตลอดเลยก็เลยอยากจะเรียนถามค่ะอาจารย์นะะว่าเอเ อ, เอในสัจชินเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยคือเรา เนื่องจากอายุก็เยอะอยู่แต่ว่าอยากจะเรียนถามเขาเห็นมีพระหลายรูปที่ท่านบอกบางทีหลายวันเลยเนี่ยก็อยากปรึกษาพระอาจารย์ว่าถ้าเราเล่นความเพียรเนี่ยเราควรจะมาชิมกับเนสัศชีพเนี่ยยังไงเพราะว่ารู้สึกว่ามันดีแต่เวลามันมมัันนทํำในวันรู้่งขึ้นทำไปจนกว่ามันมันเกิดผลเสียขึ้นมาถ้ามันไม่มีผลเสียมีแต่ผลดีก็ทําไต่ถ้ามันเริ่มมีผลเสียต่อร่างกายแล้วก็ต้องเราก็ต้องปรับเพราะร่างกายมันก็สามารถที่จะ ทำไรได้ในขีดระดับทั้งมันถ้าไปทำเกินขีดของมันมันก็จะเริ่มมีปัญหาได้ไม่ว่าจะเป็นในการรับการออกทหารหรือการปฏิบัติอดหลับอดนอนร่างกายมันก็ต้องมีขีดที่มันจาเป็นจะต้องนอนแล้วก็ต้องคอยสังเกตดูกิริยาการของร่างกายว่าผิดปกติไหมมีอะไร แต่ถ้าไม่มีอะไรผิดปกตินเดินนัถือในสัชชิกนักทำให้เราเดินก้าวหน้าทำทำก็ควรจะทำไปถ้าถ้ามันถูกกับจริตของเราเราจะแบบผ่อนสั้นผ่อนยาวก็ได้เนสัชชิกสักช่วงหนึ่งแล้วก็พักแล้วกลับมาเนสัชชิกใหม่ก็ได้ค่ะพระอาจารย์คะกันการเนสัชชิกนี่คือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือสามเรียบทแปล ว, ว่ามันอาจจะเป็นเรียบท นั่งหลับก็ได้ใช่ไหมคะหรือว่าหรือว่าไม่ควรนั่งคือคือเพื่อป้าหมายคื อ, ค อ, คอไม่ให้เรานอนไม่ให้เราเอนหลังนอ น, น, อนไม่ให้นอนเพต้องการจะเร่งความเพียรนั้นเหมือนพานนทเนี่ยพระเจ้าบอกว่าพรุ่งนี้ต้องตัดสรุปแล้วนะคืนนั้นเลยไม่ยอมนอนเลยนอนนะทั้งคืนแต่มันก็ยังไม่ยอมตัดสรุปทันทียังไม่มบรรลุทั น, นทีจนได้สุดใกล้สว่างแล้วมันบอกว่าพรุวันนี้เขาไม่มีทางแล้ว พระบุตรเจ้าคงทำนายผิดนะธรรมดาพระเจ้าไม่เคยทำนายผิดแต่สำหรับเร่าวนี้นะท่านคงจะทำนายผิดนะก็เลยยกเลิกการในสัจจิปไปนอนดีกว่เพราะเดินก็ไม่เกิดไปอยู่อะไรไม่ได้อะไรขึาพอไปเดินพอพอจะไอ้หลังนอนแล้วเนี่ยกิเลสมันหลุดไปกิเลสที่อยากจะหลุดพ้นมันมันหาให้ไปตรงด้านเนี้ยร <c oughs> ในบาทีในสัจคิกมากเกินไปมันก็อาจจะกลายเป็นนิวร์ขึ้นมาฝังทา ง, ง, งได้เหมือนกันเราต้องดูดผลที่เราต้องการก็คือคามนิ่งความว่างความสงบความประะาศจากความอยากเม้แต่ความอยากจะบรรลุมันก็กลายเป็นปัญหาเป็นกิเลสขึ้นมาได้ถึงถึงถึงขั้นขั้ น, ข, นขั้นตน้ตนๆนี่ไม่เป็นไรอยากจะบรรลุอันิยจะได้ปฏิบัติสิ่สมาธิไปเนี่ยไปแต่ถึงขั้นสุดท้ายนี่มัน กลายเป็นตัวขวางกันนิพพานได้เพราะฉะนั้นนะถ้ายังมีความอยากนะก็ต้องตัดถ้ามันเพราะนิพพานไม่มีความอยากแล้วเราอยากไปถึงนิพพานแม้แต่ความอยากไปนิพพานก็ต้องตัดมาถึงขั้นบันไดขั้นสุดท้ายเข้าใจไหมเข้าใจค่ะอาจารย์กีฬา น, น, นี่มันซับซ้อนนะมันถึงเวลาปฏิบัติได้ปฏิบัติมาตอนน้้ยก็ดีนะฉันทายินยินทำ แต่พอมาถึงบ้านไปเมต่อการยินดีทําก็ไม่ดีซะนะก็กล า, ายเป็นกีเลสขึ้นมามางทีไม่ทันนะการพาห น, นก็อนการยินดีอยากจะตัดทะลุอยากจะบรรลุพระเจ้าทํานายแล้วนะวันนี้วันสุดท้ายแล้วเนี่ยสว่างก็ต้องบรรลุนะภายในสามเดือนพระเจ้าบอกตอนก่อนจะจากอานนท์ไปอานนท์เธอไม่ต้องเสียใจการจากของเราไปเพราะเธอจะได้มีเวลาว่างไปปฏิบัตินะ เราปฏิบัติเพียงสามเดือนเราก็จะบรรลุนะ้บ้านหนก็เลยไม่เสียใจดีใจว่าอ๋อมองในมุมกลับก็ดเดมนกันเมื่อนำมารับใช้พระเจ้าแล้วไม่มีพระเจ้าเราเอารับใช้นะเมื่อจะได้ไปบำเพ็ญเพียรได้อย่างเป็นที่เมื่อสามเดือนก็เต็มที่นะเมื่อเดิถึงบันไดขั้นสุดท้ายนั่นเองคือยังไปติดติดอยู่ที่บันไดอยู่เมื่อเดินถึงเมื่อเดงนเดินถึง ชั้นที่เราจะไปแล้วเรายังยังไม่ติดที่มันนายคือความอยากอยากบรรลุทางยังติดมากยังติดมากอยู่มันเท่าไหร่ไม่บรรลุพอพอปล่อยมากมากไม่เอาแล้วหมดแล้วไม่บรรลุก็ไม่บรรลุมา น, นอนดีกว่าก็เลยบรรลุขึ้นมาทำนี่เข้าใจไหมเข้าใจค่ะพระอาจารย์ขอพบพระคุณค่ะพระอาจารย์จะกลับไปปฏิบั ต, ติเป่าโอเคขอพบพระคุณค่ะ ชัยคุณแม่พัวัตติพักวันคุณมพั ก, ะนะกวันอาจารยครับอาจารย์สุชาติ yes อ, อืมมีคําถามอะค่ะพระอาจารย์เพื่อนเพื่อนนโมว่าไงใช่ครับเพื่อนนโมครับถามว่าไรอืมมันจริงไหมอะครับถ้าเรามักโกดระหว่างทําบุญอะครับเราจะเกิดเป็นยักษ์ได้อ๋อไม่จริงหล้วเวลาทําบุญก็โกดได้เหมือนกันแต่ จะเป็นยักษ์นี่มันต้องโกรธบ่อยๆไม่ใช่แค่ทําช่วงที่ทําบุญครั้งเดียวเท่านั้นมันไม่ทําให้เราเป็นยักษ์ขึ้นมาเคพราะตอนนั้นตอนนั้นเป็นการเป็นการต่อสู้มันมันทําบุญก็เป็นเทพออโกรธก็เป็นยักษ์อ๋อเพราะผมชอบมาโกรธอะครับเพราะพี่ชายเหมือนแบบอน้าคาญมากอะก็ต้องก็ต้องอัดอย่าไปโกรธต้องยอมนะพี่ชายก็อย่าไปอย่าให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ ใชคะแล้วมีคำถามอีกสองอันนะคะอืมถ้าเรามีเหมือนแบบอะไรนะจิตใจไม่สว่างอะครับตอนที่เราตายอะอะไรจะเกิดขึ้นอ๋อถ้าไม่สว่างไม่สงบมันก็จะไปที่มื่ไปอับายเออโอ้ โ, อโหน่ากลัวเราต้องทำให้มันสว่างด้วยการบกกา ร, ริกรรมพุโทโธพุทโธเวลาจะตายกบพุโทโธพุโทโธอ๋อแล้วถ้าเราเหมือนแบบ ใช้เวทมนต์ดำอ่ะครับมันจะมีกรรมอะไรไหมครับมันไม่มีหรอกเพราะว่ามันเป็นของของปอมเป็นเหมือนของเล่นไม่มีประโยชน์ อ, อะไรโอเคของคุณนะคะพระอาจารย์สุดชัดมีท่านที่ไหน อ, อยู่ที่กรุงเทพนะครับอยู่ชั้นเดียวกันท่านปะใช่ครับโอเคดีแล้วนะพยายามกาะติดกนะันนะเพื่อนสามคนได้ครับของคุณมากนะคะพระอาจาบอกว่าให้คอบคนที่ ที่ที่ดีคนที่ฉลาดนะอได้ครับขอบคุณค่ะนะทุกคุณนันต์่อค่ะบุดอนธานีค่ะกลับมาสักการค่ะพระอาจารย์วันนี้ไม่มีคําถามค่ะอาารสายทิพสารคามนุคอนแก่นกลับมัสักการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้อยู่สารคามเจ้าค่ะค<ม>่ะไม่ไม่ไมี <ไร S 2> แต่ว่ามีมีรายงานการปฏิบัติค<ต>่ะพระอาจารย์นั่งค่งงงะ น, นะนั่งสมาธิค่ะพระอาจารย์แล้วก็ไม่ไม่ไม่จับเวลาปล่อยให้ตัวเองนั่งไปค่ะพระอาจารย์แล้วทีนี้พอนั่งสมาธิมันมีอา่าลักษณะของเหมือนวูบไปหน่อยนึงค่ะแต่ว่าไม่ไม่วูบแบบเหมือนกระชา ก, าา ก, ก, ก, ก, กค่ะพระอาจารย์แล้วก็นั่งต่อแล้วก็มันก็วูบอีกอีกครั้งนึงแล้วก็เราก็นั่งต่อจนถึงวูบครั้งที่สามค่ะพระอาจารย์มันก็สงบดีค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ถึงที่แบบ ที่รวมมาค่ะพระอาจารย์ก <cycles and> <shores> ็ม <you> <together> okay. ันมันสงบเป็นขั wow ้นขั้นบันไดสงบแบบขั so ้นบันไดไม่ได้สงบแบบตกตึกนะค่ะมันมบางทีบางคนก็มันตกแบบตกจากที่สูงลงมาเลยไม่เดนกระโดดลงจากตึกเลยบางทีมันก็ลงแบบเป็นขั้นกันไดลุกทีลนิดลูกเที่ยงนิดลงไปก็ได้เหมือนกันแต่มันก็สําคัญก็ให้มันสงบให้มันนิ่งให้มันเย็นให้มันสบาย เพราะว่าแต่ก่อนนีนจะเวิบแลงค่ะเหมือนเหวี่ยงแล้วก็จะตกใจอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์คราวนี้ก็ก็ดูเบาๆขึ้นค่ะเฉพาะเรามีสติมากขึ้นนะนะฮะค่ะก็เดี๋ยวพยายามนั่งต่อค่ะอาจารย์ยังไม่ถึงสองชั่วโมงค่ะได้ชั่วโมงสิบห้านาทีค่ะอยากกินเลหน่อยค่ะพยายามพยายามมีไหนครับสาหรับ่นค่ะเดี๋ยวพยายามต่อไปเรื่อยๆค่ะอาจารย์ค่ะอย่าถอยอย่าทิ้งนะค่ะอย่าเทนะ ไม่เทค่ะแต่ก็มีแอปแอปบางวันไม่ได้ทําบ้างค่ะเพราะว่ามันเหมือนเหนื่อยค่ะพระอาจารย์อเหนื่อยก็พักบ้านมาได้ค่ะแต่ว่าก็มีสองสองวันเสาร์อาทิตย์เมื่อคืนค่ะก็เลยแบบไม่ไม่ไม่ไม่ขอแต่งานเลยค่ะพระอาจารย์เพราะรู้สึกว่าเหนื่อยมากแล้วก็มานั่งสมาธิแล้วมันก็เลยเหมือนมีสติมากขึ้นค่ะค่ะดีมากดีมากชาทุกค่ะพระอาจารย์คุณอาบจากบอวินคุณอา ยังไ ง, ไงจะไปซื้อหอกส้อมคุยมาก่อนจองไปแล้ววันที่หนึ่งค่ะนะนะคะมีอะไรัหมไม่มีคำถามค่ะอ่าเปไปต่อเลยนะคุงกวางจากเพชรบุรีเพชรบุรีสวัสดีค่ะอ่ามีอะไรไหม ก็มีนิดนึงค่ะส่งการมาในที่ที่แล้วอาจารย์บอกว่าให้ท่องพุทโธพุทโธเวลาภุ่งสั้นค่ะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าหนูเจอกิเลสอย่างเงยอย่างเช่นว่าเอ่อเรื่องอย่างเช่นเรื่องความรักเนี่ยมากระทบใจแรงๆเนี้ยค่ะมันก็ทําให้แกว่งไปอีกก็เหมือนกันใช้พุทโธได้เหมือนกันแล้วก็บางทีมันก็ทําให้เหงาแบบเยอะๆใช้พุทโธก็ใช้พุทโธได้นี่ไทุกอย่างใช้พุทโธได้หมความทุกข์ชนิดต่างๆนี้ สามารถร่งรับมันได้เ้วยุทโธแบบเชื่อข่าวร่างับแบบเชื่อข่าวอ้าจะร่างรับแบบทวาน oh. ก็ต้องใช้ปัญญาป oh. <Yeah>. okay. ัญญาใช่ไมคะใช่ไหมคะเรามองว่าทุกอย่างไม่เที่ยมวันนี้มีเพื่อนพรุ่งนี้อาจจะไม่มีเพื่อนก็ได้พรุ่งนี้อาจจะอยู่คนเดียวเมื่ออยู่คนเดียวมันก็เหงามันก็ทุกข์ขึ้นมาทุกข์ขอก็อยากจะมีเพื่อนแต่ถ้าเรามองว่าการ ม, มีเพื่อนนี่มันเป็นทุกข์นะก็ ไม่เทียมแ ล, แล้วไม่สามารถที่จะไปกําหนดได้ก็อย่าไปมีเพื่อนอย่าไปอยากมีเพื่อนก็อยู่คนเดียวน่าไม่ทุกไม่หนาวว่าไม่จนถึงคนรักด้วยไหมคะนั่ น, นทุกคนทุกอย่างเราไปอยู่คนเดียวน่าดีสุดไม่ต้องมีอะไรมีแล้วมันเดี๋ยวเกิเวลาไม่มีขึ้นมามันก็ทุกข์ใช่ไหมใช่คะ่ะแต่ว่าก็เออคือคือค อ, อยากคือสมมุติว่าเรา ใช้ชีวิตทางโลกอะค่ะก็ก็อยากแบบหรือนูก็ยังเอ่อก็เรียกว่าอะไรอะค่ะยังยังยางอยู่ใช่ใช่ยังมีเพื่อนอยังยังมีแฟนอยู่ยังมีความสุขอยู่แต่ไม่มีความสุขแบบปลามีก้างเอาแบบนั้นกินแล้วเนี๋ยวไปโดกนก้างตามคอนะเดี๋ยวทะเลากัแฟนขึ้นมาทำไงใช่ไหมเดี๋ยวเลิกกันทำไง เมื่อเขาตายจากเราไปมันไม่มีอะไรแน่นอนซึ่าอเอาปลาที่ไม่มีก้างมันดีกวานั่งสมาธิทําใจสงบเนี่ยเป็นเหมือนปลาไม่มีก้างกินไปเท่าไหร่ก็ไม่มีอะไรมาตามัดคอนอยู่กับสมาธิที่ไมีความสุขไม่มีอะไรไม่มีความทุกข์จากสมาธิอย่างแน่นอนเพราะเราสามารถทําสมาธิหน้ทุกเวลาถ้าเราทําเป็น อาจารย์นะดู้ทามอีกนิดนึงค่ะเวลาที่เอ่อสมมุติว่าหิวอะค่ะความหิวอะถ้าเกิดว่าเวลาแบบถือศีลแปลไปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยมันก็อยู่ได้แต่สมมุติว่าออกจากศีลเนี่ยใช้ชีวิตปกติในโคตรหิวเลยค่ะพระอาจารย์ก็ไม่รู้เป็นไงที่แบบมันมันคุมไม่ได้อะคะ่ะก็ถือศีลไปทุกวันนีตามใช้ศีลคุมได้ก็ทำไมไม่ใช้ต่อไปล่ะ มันเหมือนว่าเวลาอยู่ที่วัดอะทาได้ปฏิบัติทำอะคะ่ะแต่เพรอว่าใช้ชีวิตแบบทางโลกปกติมันมันไม่ค่อยได้สิ่งแว่น้อมมันไม่เหมือนกันที่วันมันอยากกินก็ไม่มีกินแต่อยู่ที่บ้านนี้มันอยากจะกินมันเลยแล้วเต็มไปหมดเลยไม่มีไม่มีที่บ้านก็สั่งเข้ามาก็ได้ ส, ไไดสั่งอะไรเข้ามาใไหมคับอก็ต้องถ้าอยากจะแก้ปัญหาเรื่องกินก็ต้องพิจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหาร นึกถึงอาหารเวลามันเข้าไปในปากแล้วก็คายออกมานี่กินได้นะ ม, มันก็ไม่ค่อยน่ากินลเลยอ่นั่นแหละให้คิดถึงหน้าตาแบบนั้นแต่แล้วอยู่ในปากเราอร่อยแม่อร่อยใช่ไหมแต่แม่พอยให้มันดูหน้าตามันหน่อยกลับกินไม่ลงนะให้นึกถึงอาหารที่อยู่ในร่างกายแล้วแล้วมันจะทําให้เราไม่ค่อยอยากจะกินเี่นะอย่าไปคิดถึงอาหารที่อยู่ในจานอยู่ในเมนูเขาถ่ายภาพสวยๆใช่ไหมในเมนู เห็นแล้วน้ำลายไหลแต่พอเข้ามาถูกบวชเคี่ยวด้วยปากด้วยน้ำผสมกับน้ำลายก็กินคายออกมาเนี่ยเไม่อยากกินแต่ให้ไปกินอาหารร้านร้านมือละหนึ่งก็เหมือนกันนะเราเข้าปากแล้วเราคายออกมาดูแล้วตัดออาไปกินใหม่ได้เนี่ยมันจะได้แก้กิเลืได้ตัวตัวเนี้แก้แก้ความหิวความอยากกินได้อย่างดีเลย กล้าพิจารณาไหมอะลรปฏิกูลนะฮะเลยปฏิกูลและสัญญาสัญญาคือความจําได้หมายรู้ให้จําถึงภาพที่ไม่น่ากินของอาหารนะฮะนี่มันเข้าไปในหน้าทรายแล้วนั้นถ้าออกมาแล้วไม่น่ากินอนั้นน่าจะออกมาทางปากหรือทางต้นนะฮะนันก็เป็นอาหารนั่นให้คิดถึงอาหารแบบนี้นะถ้าอยากเวลรอยากจะกินอาหารรับประกันได้กินไม่ลง ไม่อยากกินนะดีะนะ่ะเราทำดูเราอาทิตย์หน้าส่การได้านได้ค่ับพ้าจันรม่ ว, ว่าเลืมเ่อหร่บางทีกับพอแน้เพราะต้องลืมนะพอเนึ้อิดอาหารขึ้นมาก็อยากจะกินขึนะ้นหมแล้วก็เกียวลงคอไปแล้วอะ ก, ก็เองนะั่น ไม่ น, นี่หมายถึงนึ ก, นกถึงภาพตอนที่ยังไม่ได้เคี้ยวแต่สมมุติว่ามาเคี่ยวอย่างเงี้ยนึกถึงภาพเวลาเวลาอยากจะกิน น, น, นั่นนู่นนี่นี่เวลาเราอยากเรานึกถึงมันตอนที่มันยังอยู่ในจานใช่ไหมมันก็อยากกินนะเนี่ยพอคิดถึงว่าถ้ามันเข้าไปในร่างกายแล้วแล้วมัน ข, ขับขับถ่ายออกมานี่มันน่ากินไหน่าดีไหมเราทำดูได้ค่ะวันนี้งั้นขอบพระคุณอาจารย์ ฝึกาเ ส, เสวานาาสอบถามทำแค่นี้ก่อนอก็ได้นะคะคน้ำประกันน้ําหนักจะไม่เกินจะพิจารณาอาหารปฏิกูลของอาหารได้จะปคุเงเนื่อกินอาหารได้นะข อ, ขอบคุณค่ ะ, ะบุญ ม, มีบุญต่อ ม, มีบุญจากพัทยาพุทธแลนี่ใครไปพูป้ธแลนพัทยาก็ว่าหาบุญมีได้ โฆศณาให้หน่อยไหมัุนมิวได้เลยไปมาเกิมีอะไรไหมถามเาบาเันมาฟังเข้ามาใกล้ๆหน่อยเสียงคลอ ย, ยวันนี้ไม่มีคำถามครับอาจารย์ไม่มีน ะ, ค, ะคุณยินดีต่อยินดีก็อยู่ใกล้ๆพัทยานี่นงโปปรัชญาอาจารย์ไม่มีคำถามค่ะโอเค เพราะคุณมากค่ะท่านอาจารย์คุณสมชายาคอนเสิร์ตเนีย่ยอรเป็นยังไงครับอ่ากบสวัสดีท่านผอาจา์ครับเอ่อเมื่อ่นนี้ได้เข้ามาฟังภาษาอังกฤษหรือเปล่วันนี้ผมหาแทบพรพกผมห า, หาแล้วหาเลยครับก็ใช้เิื่งเันเดียวกัน่รื่งที่ชันเข้ า, ข า, ขามาเกัน ผมหาเผากลับไป youtube อีกทีกลับไปอีทีกลัไปกลับมาผมไปที่ youtube แล้วผมก็ฟังอ่าตอนวันที่สิบสามก็ประทับใจมากครับแล้วก็ผมฟังแล้วก็มีคนที่ถามจากมาเลเซียแล้วคนที่ถามจากออสเตรเลียด้วยครับผมก็แม่รู้สึกว่าดีใจมากเลยที่เป็น Q คีอนเอใช่ไหอันนั้นเป็นคีอนเอใช่มวันที่สิบสามวันอาทิตย์ เป็นผมก็เลยผมหาคนอยากจะให้ขอเวลาแน่นอนทักทีหนึ่งผมจะถามอ่าผมจะถามอ ะ, อะไรนะที่โฮสต์นะที่ไอเอคุณเควินหรือเปล่าคุณแมควินเควินโอเคครับก็ก็ผมก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้จะไปหาหมอหมอก็บอกว่ามีความดัน มีความดันมีโคเลสเตอรอลอะไรโอ้แต่วันนี้ตกใจหน่อยวันนี้ครับไเวลาแปดโมงเกาโมงเก็ไปจะไปสามนครับกินให้น้อยหน่อยกินให้น้อยหน่อยก็เกอผมอยากจะเข้าเรียนเป็นปหนึ่งครับแต่ว่าเห็นท่านพูดบอกโสดาบันวิปัสสนาแล้วก็อะไรมั่งอะไรมั่งผมผมขอ S <S จะเข้าไปขอทำบุญทําทานรักษาศีลไปก่อนทาบุญทําทานรักษาศีลแล้วก็แล้วสมาธิพุนนโทโธพุทโธไนําได้เท่าไหร่ก็คน่นั่งทำไปก่อนผมก็ทําผมก็ทําด้วยครับแล้วก็ อ, อไม่ไม่พูดปดมากหรอกไม่ไม่ไม่พูดปดแล้วไม่ไม่กินเหล้ามากอะไรเนี้ยผมไม่ไม่ทํามากแล้วก็ได้ดีครับแล้วก็ อ่าครับแล้วก็อ่าก็พยายามคิดมากอยู่ตอนนี้เพราะว่าอายุมากแล้วคําบอกว่าอันนี้เป็นโลกนี้เป็นโลกนี้เป็นโลกนี้เอ๋อถ้าไปแล้วจะไปยังไงเนาะแี่ยคิดคิดอยู่ในใจอยู่ก็ไม่หายใจเท่านั้นเองเวลาไปก็ไม่หายใจนั้มันจะมีกี่โลกมันต้องเกิดแก่ไม่หายใจก็ไปกังวลกันไะมา อ๋ครับอ๋อเอาเอาย่งงางนั้นก็เอาเอาไม่มีโลกก็ไม่หายใจเหมือนกันเวลาไปก็ไม่หาใจเหมือนกันมีก็ไม่หาใจเหมือนกันครับครับเราตอนที่อ่างั้นก็รอไว้อาทิตย์หน้าวันวันอังคารนะมันผนมเมื่อวานวานี้เมื่อวานวานี้เวลาเนี้ยหาแทบตายเลยก็ youtube ก็มีมีลิงก์ให้เข้ามาได้ยูทูปก็ครับอ๋อครับผมก็ฟังนั่นแต่ว่า คับงันก็ไม่เป็นไรครับก็อยากจะแค่ตอมาีิคุณเข้ามาทางไหนทาง youtube หรือทาง facebook อ่ะอ่าเข้ายูทูบครับแล้วก็เข้าเมื่อเมื่อวานนี้ก็เข้าได้เมื่อวานนี้ก็ youtube เหมือนกันที่เดียวกันอ่าใช่ไหมภาษาอังกฤษอ่าดนตรีใช่ครับใช่ครับช่องช่องถ่ายทอดสดใช่ไหมใช่ครับช่องเดียวกันคช่องเดียวกันอ่ครับคุณแคทฟิน อช่วย notification ให้ผมหน่อย next time นะครับช <istance> ื่อคุณบอยมาจากแอนดเมใช่ครับุณบอยก็เดียวกันนี่หละในงาเดียวกันนี้ก็ลองเข้ามาวันอังคารอันนี้วันนี้วันพุธใชไหมที่ป็นอยู่ตอนนี้ตอนตอนเี้าเก้าโใช่ไหมเก้าโมงสิบงอะรนี้แต่เริ่มตั้งแต่เก้าโมง้ามงครับวันวันวันอังคารแทนเป็นภาษาจีน ก็ไม่มีวันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่คุณวันที่สิบสามที่คุณเข้ามาก็อันนั้นก็วันอาทิตย์แต่แล้วนั้นจะจะดึกสําหรับคุณก็จะประมาณตีหนึ่งนึกสองยาถ้าสดเนี่ยถ้าเข้ามาสดถ้าจะถามต้องเข้ามาสดก็ครั บ, ก, รบก็จะพยายามทําสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็พยายามจะปฏิบัติ ด, ด้วยที่หลายคนที่ ผมได้ยินว่าสมาธิมีศินแล้วก็มีปัญญามีอะไรวิสดาบันมีอะไรไฟอั น, นั้นเป็นเหมือนกับเรียนหนังสือตั้งแต่ตอนที่กอไก่อรรตอนอนุบากลก่อนแล้วก็ไปประถมแล้วก็ไปมัธยมแล้วก็ไปอุดมศึกษาไปเป็นญาตีโทเอกต่อไปัไครบตอนนี้ขั้นตอนก็รักษาสีให้ได้ก่อนอ้าข้อเนี้ย แล้เาเะไได้ไหมสวราไม่เดินไม่ได้นะมไม่พูดปวดอะไรได้ไั้มก็ได้ครับไม่ได้ก็ลอาางรักษาดูสิพูดยากแต่ทําไ <c oughs> ม่ยากนะค่อยดูว่าพูดผมดีคุณหมอได้นะครับลองไปทำดูได้ครับ <c oughs> บางทีก็ไปกับเพื่อนก okay. ันเดี๋ยวโอเคก็ไม่ได้แล้วสินี้ทำไม่ได้แล้วแต่ตอนนี้พวทําทำได้เราต้องมาจริงๆก็อ้างเพื่อนอ um, ้างมุนอ้างนี้ก็บอกโอเค next time ก็ o พ e ซี่เดินเพ บ, บซี่นเพบซี่ก็ได้หนึ่งคโค้งไปเลยเพบซี่ก็น้ำก็บอกก็ก็แค่ไดก็ค้งดตามแล้วถูกถูกมาด้กินเหล้ามัาานแพงะตายไห แล้วก็ของเหนื่อยนสชาชาไม่อร่อยเท่ากับแฟลปซี่โค้คร่ะโอเคหมดล่าก็พอไปเรียไปด้วยกเอาล่ะครับครับไม่เสียรบ ก, กวนเวลาท่านอื่นครับนะพยายามทำให้ได้นาห้าข้อนี้โอเคทํานไหนอมได้แล้วผมอาทิตย์หน้าดูีิว่าผมผมเจอาจะมาบอกกันโอเคมาถึง ะ, <า> ะ, ะคุณริสจากระยอง ครรมนวัตการเจ้ า, า, า, าค่ะพระอาจารย์ครับมีมีคําถามหนึ่งคำถามเจ้าค่ะว่ า, ามะไรพระสารเจ้าคะเวลานั่งสมาธินี่ถ้านั่งถูกมันต้องรู้สึกเบาเบาเย็นสบายปเป็นระเบียขาหนึ่งเฉยบางทีอยู่นั่งแล้วรู้สึกว่ามันยังไม่ถึงมาดูองอมต่อไปพุทโธต่อไปมันแน่นมั น, ม, นมันแน่น อ่ายังไม่ถึงยังไม่ถึงอ๋แซวว่ายังไม่ถึงมันเหมือนกดอะไรไม้อยู่มันน้ำเบามันน้ำโล่งมันต้องสบายมันยกภูกเขาออกจากออกไปนี่ค่ะต้องต้องต่อไปอีกต่อไปพุทโธไปเรื่อยดูต่อไปอย่าหยุดเวลาดูลมนี่คือไม่ต้องพยายามก็ดูธรรมชาติมาไม่ต้องไปไปแข่งไปเก่งดูดูที่ปลายจมู ลมอาจจะจัดได้บ้างไม่ได้บ้างก็นนั้น พ, พอรู้มันเข้ามันออกก็โอเ ค, คต่อมาคือไม่อยากไปคิดเรื่องราวของต่างเรื่ะพยายามอยู่กับลมตลอดถ้ามันดูลมมันก็จะไม่ไปคิดถ้าไปคิดก็แสดงว่ามันไม่ดูตลมมาค่ะอาจารย์<ม>เดี๋ยวลองเปิดตั้งต่อไปอีกนะคะบางครั้งมันจะประมาณเนี้ยคะ่ะยังมไม่ ไ, มไรหวเลย ร่มรูคาในการการปฏิบัติของทุกคนนันก็มันเด็กร่มูคานกแต่ถ้าพยายามฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ยืนได้ได้วิ่งได้ับขนะาครับาไ้ครับกายพิสตะาขานาองแข็งก่วมาอาจารย์ครับมีมีข้อสงสัยคือผมก็พยายามเคลีย เคลียงานทางโลกกันนะครับพยายามจะค่อยๆเคลียแล้วก็พยายามเจริญสตินั่งสมาธิไปเรื่อยๆก็เลยว่าเออถ้าเผื่อเราก่อนไปบวชเนี่ยครับอาจารย์คือถ้ า, า, ถ, าถ้าเราได้สมาธิอุเบกขาพร้อมที่ไปเจริญวิปัสสนาเนี่ยมันมันก็น่าจะดีที่จะทําให้เราไม่วอกแวกที่จะเดี๋ยวสึกเดี๋ยวอะไรแบบเนี้ย ประมาณอย่างนี้หรือเปล่ปาครับอครับใช่ถ้าได้ไปก็ดีแต่ถ้าไม่ถ้ า, ถ, าถ้าไม่มีแลก็รอให้ได้ค่อยไปก็ไม่ไ ม, ไม่ควรเพราะว่าการการจะได้มันง่ายกว่าถ้าไม่เป็นพระมากกว่าการเป็นคาราวานั้นถ้าพร้อมก็ไปเลยจะได้สมาธิที่ยังก็ไม่เป็นไรนั่นถ้าได้ก็ถือว่าได้ไ ด, ได้ได้ต้องทุนไปเยอะถ้าไม่ได้ก็ไปไปไ ป, ไปปลูกฝังเอาไปสร้างเ อ, อข้างหน้านกันนะ แต่ถ้ามาราว่าต้องเป็นคาราวาสให้มีสมาธิก่อนแล้วค่อยไปนี่บาทีมไม่ได้ไปนะพราว่าการเป็นคาราวาสที่การได้สมาธิกับการเป็นพระนี่เป็นพระมันได้ง่ายกว่านี่ถ้าเราคิดว่าเราพร้อมเราจะไหวันนี้เราก็ไปเลยไม่ต้องไปเราให้มีสมาธิก่อนค่อยไปอันนี้ก็เป็นกิเลสเราว่าคือยังยังมีภารกิจทางทางโลก อถ้ามีก็อยู่ต่อไปถ้าที่ว่าไม่มีอะไรนะเรื้อจะอยู่ไปทำไมก็ไปแล้วก็จะได้ไปปฏิบัติในที่สถานที่ที่เหมาะสมกว่าการอยู่บ้านอยู่เป็นผู้ฟังเงินอยากอยากไปครับอาจารย์ครับต้องไปหาวัดที่เงียบวัดที่ปฏิบัติจริงๆนะครับถ้าไม่ได้่อยะไปต้องไปดูวัดที่มันเป็นวัดปฏิบัตินะถ้าไปเจอวัดที่ไม่ปฏิบัติก็อจะไม่ได้ประโยชน์นะ จะถูกจับไปทำงานไปช่วยสร้างบวกสร้างเจดีขึ้นมาเนี่ครับครับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับอคุณหมอสุทัศนีเชิญประทุมทานนิธร ส, สการ์่นรนอาจารย์เจ้าค่ะไม่มีคำถามเจ้าค่ะโอเคยังคุณกิติษักด์ยชเพิ่กลับไปจากเขาเทียวอย่างนี้ ธรัสกานครับพระอาจารย์ครับเพิ่งกลับมาครับพระอาจาราย์เป็นไงดีไหมจะบอกไหกกดีครับดีเราไปคราวนี้มีอะไรแปลกๆเยอะเจอเยอะมากเลยครับพระอาจารย์ครับแบบมีคืนคืนแรกครั้งนี้อ่ไปอยู่แค่เบอร์สิบครับพระอาจารย์ก็มีเสียงนุ่นเสียงนี่อะไรเยอะแยะๆไปหมดก็ไม่ได้สนใจแต่ มีอยู่ช่วงหนึ่งมีเสียงแบบแฮแฮ่เหมือนผู้หญิงร้<ล>องม า, มาอยู่ใกล้ๆแฮบบ้วแแห่ๆนะครับแล้วก็อีกสักพักก็มีเหมือนเสียงนกเอ่อ ม, ม, มันมันน่าจะเป็นนกนะครับผมเดาแต่เหมือนเป็นคนเคาะประตูบ้านปักปักปักปักสามสี่ครั้งแ ต, แต่เราก็ไม่ได้ไป ไมมองไ ม, ม่สนใจไ ม, ม่สนใจแล้วก็วพอจะพูโทรของเราไปแล้วใช่ครับใช่ก็แต่คราวนี้มีเจอเยอะมากกับเสียงพวกนี้ครับเขาวก่อนยังไม่เยอะมากแต่ผมก็ทำทันอาจจะเป็นสัปดาก็ได้อาจะเป็นสัปสัปไม่ยากเลยใช่ไม่ได้ไปสนใจมันอต่พอพอไปถึงปุ๊บ ก, ก็ด้วยความอยากก็เดินตรงกลมปฏิบัติทันทีเลยครับแล้วก็สลับกันไปสลับกันมาครับการนั่งแต่มันไม่สงบตอนแรกครับ มันเหมือนเพราะว่ามันใช้เวลาครับมันเหมือนนับใจเราอยากจะเล่งให้มันสงบอครับเล่งอย่างยิ่งไม่สงบใจใช่ครับอาจารย์พกพอตอนดึกดึกสักสี่ทุ่มก็เลยนอนนอนดีกว่าแต่พอตอนตีสองคึ่งเราตื่นมาแล้วก็นั่งมันมันรวมแล้วก็สงบมากเลยครับเ <นะ S 1> หมือนแบบเราไม่ได้อยากให้มันสงบครับ <นะ S 1> ไปเรอ ย, ยมันก็สงบเลย <นะ S 1> ครับจิตมันได้ครับ ตามนานหลัไม่ได้พักด้วยมันก็เลยจะไม่เวลาเร็บขึ้นมาแล้วมันจะไม่ค่อยจะฟูงเท่าไหร่ม่ฟูเมือนตอนก่อนนันกรอรับอาจารย์แล้วก็ตรงแค่ศิษมันจะผมมองไปเห็นมันมีหินอยู่อันหนึ่งที่เป็นเหมือนหน้าผาครับเขาเทปูนเอาไว้ให้เหมือนไปนั่งแต่ต้นไม้มันลกมากผมก็เลยขออนุญาตพาเขาเอากรรไกรมีดไปตัดหาตงให้มันโลง่ลงๆแล้วก็ลองขึ้นไปนั่งดูครับ ได้ไดนั่งแล้วมันมันสูงนะครับมันก็เหมือนกับแต่แรกไม่งงถ้าลองกบอบออที่พระอาจารย์บอกออก็เคยอ่านว่ามีหลวงพู่มั่นก็เคยพยายามแบบนั่งแบบนี้มันเป็นอย่างั้นจริงพอเวลาจะเข้าพวังหลับนะครับเฮ้ยจะตกจะตกมันก็จะสะดุ้งตื่นสามสี่ครั้งแล้วมันก็จะไม่หลับเลยครับอ่าดีครับ อุบายของภาคปฏิบัติมันมีหลายหลายวิธีไหครับเพราะมันมองไปไกลๆแล้วแบบมันสูงมากเลยครับเวลาเรานั่งหลับตาเราโอเคตอนเริ่มแรกๆก็นิ่งแต่บางช่วงมันเข้าพวังจะหลับครับมันไม่ได้เข้าพวังสมาธิพอมันจะงบจะงบปุ๊บมันสะดุ้งเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวโตกสติกลับมาทันทีเลยกลับมาเร็วเลยครับสองสาครั้งแล้วมันมันไม่วูบเลยครับก็กลัวทีนี้มีคําถามอาจารย์ครับ ในตอนที่เราสงบแล้วเราออกมาใหม่ๆนะครับอกิเลสตัวไหนที่เราควรจะเข้าไปพิจารณาตัดเป็นตัวแรกครับคือเพราะว่าตอนนี้มัน<ถ>ยังถ้าถ้าถ้าคิดว่าสติเรายังแม่ดีก็ไม่ดีพอเพื่อมาฝึกส ต, ติตอนนี้ครับอ๋อเครื่องมือยังไม่พร้อมที่จะไปสู้กิเลส เราสติมีต่อเนื่องตลอดทั้งขณะที่เข้าหน้าออกจากสมาธิเลยโอให้มันเข้มข้นมากกว่านี้เข้มข้นให้มันเข้าสมาธิได้อย่างง่ายได้นู่นนู่นแล้วอยู่ได้นานเรารู้สึกว่าเราคุมความคิดได้แล้วทีนี้เราค่อยพิจารณาทำนะครับที่ตัวไหนก็นแล้วแต่ว่าเราตัวไหนที่เรากังวลเราไปติดกับอะไ ร, รแล้วกนะ็ปึกกั้นมันแล้วเรายังติดกับครอบครัวอยู่ว่าไม่แย่งงานคะรอบคไม่เที่ยง ต้างพากจากกันต้องตายจากกันไปทรัสมบัติเจ้าของเงินทางนาบยศชนะเสือเอาของไพนาบันถ้ายังติดกับมันถ้าไม่ติดกับราชยศชนะเสรือยังติดกับโูกเสียงกินรัฐครับพิจารณาโลกเสียงกินรับฐไปเราติดกับคนนั่นคนนี้อยู่ก็พิจารณาว่าไม่ช้ากันแล้ววต้องมีการจัดไปเมื่อตัดภายหน้าบได้แล้วทีนี้ก็มาตัด ตัวที่ใกล้ลราที่สุดก็คือร่างกายคราร่างกายเราก็ไม่เทียงโ oh. ออร่างกายนี้ยังยังเป็นตัวที่หลังใช่ไหมครับเอาขางภายนอกก่อนรถยนต์ก่อนบ้านก่อนเงินทองก่อนเขาม่ี <c oughs> ถ้าเรายังมีความกังวลยังมีความยึดยึดเกี่ยวสิ่งเหลงานี้แล้วก็ต้องพยายตัดให้ปล่อยวางแล้วมัน แต่างเงีเราบอกให้เราอยู่แบบคนอยู่แบบที่ไม่อยู่แค่นี้ได้ก็โอเคตัดได้นะถ้าต้องอยู่แค่นี้เป็นตลอดชีวิตก็อยู่ได้ถ้าถ้าตัวเองคิดมาคิดว่าอยู่ได้เราก็ชอบมากแต่เอาอาจจะที่ยังตัดไม่ได้อาจจะเป็นเรื่องของครอบครัวที่ยังก็ไม่ไม่เจรจาไม่เจรจาแล้วไม่เที่ยงยังไงไม่ใช่ก็เลยก็ต้องจากกันอยู่ดีไม่ใช่ ถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นมันก็อุบัติเหตุก็อาจจะจากกันเร็วก็ได้ใช่ไหมครับใช่ไงก็ต้องจากกันอยู่ครับได้ครับอาจารย์อาจารย์ครับแล้วก็อีกอันนึงคือตอนที่เราสงบอยู่เนี่ยครับเมื่อครั้งล่าสุดเนี่ยมันมีความรู้สึกเหมือนครับมันเป็นมีผู้รู้มีผู้ตื่นหมายถึงความรู้สึกเราเหมือนเราตื่นมากเลยแบบ ใช่เพราะว่าแล้วก็เบิกบานแบบสดชื่นอารมณ์ต่างๆมังทานกับตัวพี่จ๋าครับคุเบขาปากขึ้นมาคำว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่ในบทสวดมนต์หรือว่าที่ท่านเทศทางๆนี่คือประมาณตัวนี้ละตัวนี้แหละโอ้ค่ะเป็นแต่ว่าของท่านระดับถาวรก็คือทําอันแบบนี้ยังเป็นขั้นชั่วคราวอย่เดี๋ยพจากสมาธิมาก็หายไป แต่ถ้าขั้นปัญญานั้นมันจะอยู่อย่างเท้าบอลแล้วพอวันลุ้งขึ้นเห็นที่กลับมาแล้ววันจันทร์เริ่มเข้าสภาวะใช้ชีวิตปกติครับตื่นเช้ามาเลยระหว่างวันมันจะรู้สึกเบาเบสบายโล่งๆเหมือนแบบมันเหมือนมันยังตบข้างอยู่บางเบาบางว่างมันดีมากเลยครับเมือนเราเอาน้ำมาแช่ใตัวเย็นพอเอามามันก็ยังเย็น มันไม่เงี้ยมันไม่ได้เงี้ยแต่ถ้าเราไปท่องตามันเดี๋ยวก็ลอยขึ้นมาครับใส่ครับพอช่วงเย็นๆก็มีเรื่องนู้นเรื่องนี้เข้ามาเยอะเกาเริ่มไม่ไม่สบายแล้วครับไม่เย็นนหรือเรากลับมามาแต่งเอามาแช่ใด ต, ต, ตู้เยับแช่ในสนาที่ใหมอาจารย์ผมอยากจะพิจารณามีใจในใจเรื่องลึกเสนใจในตัวสักกายะทิติ่ะครับ มันยังไกลไ้ว เ, เ, เ, เอาเอาตั ว, ไปไปวเออาตัวครอบครัตัวอะไรพวกนี้ก่อนออันนี้ก็เป็นสักยาระทิฏฐิแล้วละ่ะเพราะเพราะเป็นดินน้ําลมไฟเขาไม่มีตัวตนร่างกายมาทำมาจากดินน้ําลงไปฟอันตัวตนของเขาคืออยู่ในจิตจิตของเขาไม่ตายไปกับร่างกายเขาก็ไปหาครอบครัวอันใหม่ของเขาต่อไปอืมครับนี่ก็สักกายะทิฏฐิ แต่ยังไม่ใช่ของเรามันยจะ er เกี่ยวข้องกับคนอย่างนี้แต่ต้องเข้ามาที่น่างกายของเราร่างกายของเราก็ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นของดินน้ำไฟของธรรมชาติถ้าอย่างตัวอสุภะเขาใช้เป็นตัวตัดของตัวเรื่องกรรมราคะอาเพภนะ ยังอยากจะมีแฟนย่งอยากจะมีครอบครัวนะครับต้องพิจารณาสุดท้าครับแล้วอย่างปฏิกูรูสำคัาก็คือตัดอาหารแต่ถ้าหันมากลับมามองเรื่องศัลยะที่ตีนิใช้อะไรเป็นตัวตัดนะครับราาอาจารย์ก็ไตรั้น้ำตาลโอไตรักใช่ไห ม, มพิจารณาไตาลักไม่เที่ยงน้ำตาลไม่เทียเท่ยงครับเป็นน้ตาเป็นดินน้ามันใสโอเคครับอาจารย์เดี๋ยวจะไปพยายามปฏิบัติต่อครับอาจารย์ คขอบคุณท่าสาธุครับคุณชนะดาเชิญยกสำรวบประกาศนะเมนูพรุ่งนี้นวัตกรรค่ะพระอาจารย์เมนูพรุ่งนี้เป็นข้าวผัดสับประรดค่ะกับแตงโมน้ำลายไหลเหมือนเดิมนะคะน่าะกถึงมันอยู่ในปากมันหายไหตอนนี้ ตอนนี้ส่วนตัวโยมก็คือทานอาหารน้อยลงนะคะพาจารันดีค่ะกินไป อ, อยู่อย่าไปอยู่เพิ่มกินค่ะคื อ, คอบา ง, บางวันถ้ากินกิเลยค่ะถ้าบางวันมื้อเดียวอยู่อยู่ได้ก็มื้อเดียวอะไรเงี้ยไ ด, ด้ดีมากค่ะแล้วตอ น, นสุขภาพาจะดีขึ้นในร่างกายจะไม่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรเงี้ค่ะวันนั้นวันนั้นได้มีโอกาสก็คือก็คือไปเที่ยววัดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพาจารย์ ก็เล่าพี่แล้วไม่ได้เล่าให้ฟังจริงอยากเล่าให้ฟังเพราะว่าตอนตอนที่เดินเดินเข้าไปนะคะข้างทางก็จะมีของขายซ้ายขวาอะไรยเงี้ยค่ะปกติก็คือจะชอบซื้อของกินหรือของอะไรที่คือทั่วไปอะไรย่างเงี้ยค่ะจะเป็นคนชอบซื้อของวันนั้นก็เลยลองพิจารณาค่ะพอาจารย์คือมันนึกขึ้นมาได้ไงแล้วมันก็พิจารณาอันนี้อ่าอันนี้จ้างทุกขังอนาตาแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นเลยค่ะตอนที่เราเดินผ่านเ mm. อ่อ คือพอพอพอเหมือนพอเราพิจารณาพูดออกไปในใจอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะย้อนกลับมาบอกย้อนมาสอนเราให้เรามองเห็นเห็นพอพูดออกไปตอนพูดอาจจะไม่ได้คิดแต่พอพูดเสร็จแล้วมันก็จะย้อนกลับมาสอนแล้วใจมันก็แบบตัดออกตัดออกนะตัดออกไปมันก็เลยรู้สึกว่าวันนั้นมีความสุขคือนะมันมีความสุขโดยนะที่นะไม่ต้อง เป็มาเป็นการพิจารณาด้วยปัญญาค่ะค่ะก็เลยรู้สึกว่าโอ๊ยอันนี้มันสุกขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ปัญญาลดน้อยแล้วมันอยากซื้อเา้าซื้อของดน้อยแล้วค่ะมันเบามากเลยค่ะพระอาจารย์รู้สึกว่าใช่เลยอ่ะแบบบางทีเรายังไม่ได้อาจจะยังไม่ได้เข้าใจถึงทองแท้อะไรเงี้ยพิจารณาไปก่อนพอพิจารณาไปมันก็จะสะท้อนกลับมาอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ ได้พิจารณาสร่ง ท, ที่เราไปไประยาดก่อนค่ะน่ไม่เทียงได้ไมาเดี๋ยวก็มีความสุดเดียวเดียวนันเดี๋ยวก็หมดความหมายไปนล้ค่ะซื้อบานต้องเยอะแล้วเป็นยังไงก็ยังอยากซื้ออยู่ น, น, นะ <c oughs> ให่ไม่พอใช่ค่ะโดยเฉพาะบางทีของกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะพาจานก็ก็ไม่กินมันก็ผ่านไปกินก็ผ่านไปไม่กินสบายกา ไม่กินแล้วมันก็จะไม่กินไปเรื่อยๆ <คา S 1> ถ้ากินมันก็ต้องกินไปเรื่อยๆถ้ า, <ค>าซื้อมันก็ต้องซื้อไปเรื่อยๆ <คา S 1> ถ้าไม่ซื้อมันก็ไม่ซื้อไปเรื่ <คา S 1> อยๆยังไรดีกว่านี่นะค่ะพิจารณ<ค>าด้วยปัญญาค่ะวันนี้วันนั้นก็เลยได้เรื่องนี้เพิ่มขึ้นมาค่ะแล้วก็รู้สึก ด, ดีดีดีใจเหมือนกันแล้วบางทีบางทีก็คิดว่าตัวเองเรื่องกามเนี่ยลดลงไปมากแล้ว เอ้บางทีรู้สึกยังนึกอยู่ว่าเอ๊ะเราตัดได้หรือยังอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์แต่พอแล้วก็นอนฝันฝันถึงผู้ชายพอเห็นผู้ชายหน้าตาดีที่เราเคยชอบอะค่ะอาจารย์ก็ตามเขาไปในฝันอะไรเงี้ยก็ ต, ตื่นมาก็ ต, <laughs> ต, ตัด ไ, ได <laughs> ื่นมาตื่นมาก็เอาอะไรเนี่ยเราถอยไปตามเขาไปอบางทีเราความที่ชอบจะหลอกเราไม่ได้ <laughs> บางทีแฟนมันจะมามันจะมาแย้งว่าอ้าวยังชอบเขาอยู่เนี่ยยังไม่เห็นอสุภทาเน่ยว่ะแต่จริงๆก็ยังไม่ได้เห็นอสุภทาค่ะพระจานทร์ใชอสุพทาแลก็ไม่ไม่ตามแล้วอาจะไปตามโกงก็ได้ <laughs> แต่แต่ก็ไม่ได้เห็นว่าแต่แต่ยมก็ยังมองเห็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะก็ยังมองมองเป็นแบบมีแขนไว้สําหรับหยิบจับของมีขาวไว้เดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เ, เห็นเป็นลักษณะแค่แบบนี้ค่ะแต่ว่ายังไม่ได้เห็นว่ามันเป็นความน่าขยักขยแยงหรือมองเห็นเป็นผู้พองหรือเป็นอะไรเงี้ยยังไม่ได้เห็นถึงตรงนั้นก็ต้องต้องไปดูภาพที่ดูภาพตัวอยา่างดูสกคนตายค่ะดอกภาพที่อยู่ในที่ปกตเงเรองเร่องปรัอยู่นะปอภาพเราจากข้าดูค่ะอืมันถูกไฟไหม้คนจมน้าตายขึ้นอย่างไ ก็มีภาพที่เป็นอัศวะให้เราดูหรือไปดูขอภาพจากโรงพยาบาลที่เขามีชันสูตรในตอนนี้กำลังมีชันสูตรใช้ก็ถ่ายภาพมาให้ดูก็ได้ค่ะแล้วถ้าถ้าเราไม่อยากดูนี่คือกิเลสข้อไหนคะพระอาจารย์ก็กิเลส ท, ที่มันอยากมันอยากสวยยังอยากของสวยงามอยู่ไม่อยากจะมองของไม่สวยไม่นะถ้ า, าอยากของสวยงามแล้วก็มันจะไม่อยากจะมองของไม่สวยะองาม คือเราไปรู้สึกเราไปรู้สึกลังเกียจอะไรเงี้ยใ่ไอาจารย์ยังไม่ถึงเวลาว่าจิตเรายังสงบไม่พอค่ะสมาธิยังมีกำลังไม่พอที่จะมาพิจารณาทำระดับนี้ได้ค่ะเอาเอาเซื้องของไปก่อนนิดนึงซื้อของไปก่อนเซื้อของกินกินอาหารไปก่อนนิดนึงเอาของง่ายง่ายก่อนได้ค่ะเดี๋ยวเดือนเดือนนี้มันคันเพราะนาฬิกามีแล้วราคะ ถ้าถ้าเห็นอสุภ า, านี่พระอนาคามีเลยเหรอคะพระอาจารย์พระอนาคามีถ้าตัดกามาลมได้อย่างเด็ดขาดนะ ม, มีคนเห็นอสุภะแล้ ว, ลวยังตัดกามาลมไม่ได้มีไหมคะพระอาจารย์มีก็มองเหมือนพวกที่มูนิทีที่เขาถ่าสดกันนี่เขาก็เห็นแต่เขาไม่เห็นของจริงเลยเขาเห็นแต่เขาไม่เอามาใช้เวลาเกิดกามาลมเขาไม่เอามาใช้ออ๋เขาก็ยังไปเห็นของสวยๆของงามรอๆอย่างนี้อืมอืม ต้อมาเห็นต้องเห็นตลอดเวลาเห็นตลอดเวลาแล้วมันก็มันก็ตัดความตัดได้นี่คือคือไม่ไม่อยากคือมันสูญไปเลยใช่ไหมคะอาจารย์ไม่รู้สึกเลยไม่มีแบบนิดนึงก็ไม่มีเลยอืมอืมค่ะเข้าใจแล้วค่ะพอาจารย์เดือนหน้าหนูเออโยมก็เลยจะลองไปอยู่วัดวันที่เออเออสิบหกถึงยี่สิบสามเจ็ดวันนะคะพอาจารย์ที่วันเช้านี่แหละ ที่ที่บนเข่าชีโอนะคะนนตั้งตั้งใจเลยค่ะพ่อจันแล้วเอ่อถ้าปิดวาจาจําเป็นไหมคะถ้าแบบมยู่คนเดียวอยู่คนเดียวก็ไม่มันก็ไม่ได้คุยกับใครแลไม่จําเป็นจะ<ๆ>ต้องไปไม่ต้องไปปิดวาจาถ้ามีความจำเป็นต้องพูดก็พูดได้อ๋อแต่โดยหลักก็เล้นไม่ให้ไปคุกคีกันให้อยู่คนเดียวไปแยกกันอยูอ่แต่ถ้ามีความจำเป็นต้องสั่งฮะสังอาหารสั่งอะไรนี่ก็สั่งได้พูดได้อ๋อโอเคได้ค่ะก็เลยตั้งใจว่าจะ กินอาหารแค่แบบเมนูมเดียวอย่างเช่นข้าวผัดอย่างเงี้ยค่ะทุกวันอวเอาแบบ ง, <ไป S 2> ง่ายง่ายที่ที่ ท, ที่ที่บ้านพักเขาก็มีมีตัวเย่็นให้เก็บแล้วก็มีไมโครเวฟให้หุนอาหารได้ค่ะได้ค่ะ บ, บางคนไปเขาไปกินอะไรก็มีเจ็ดวันแล้วไม่กินเลยแต่เรายังแต่เรายังไม่พร้อมในอย่างนี้นที่พูดถึงตัวอย่างให้ฟังค่ะถ้าถ้า ถ้าแบบพอเราอดอาหารมากแล้วเราเวียนหัวอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์กเดิมพวกถ้านถ้าตอนบ่ายก็เดิมพวกน้ํำผลไม้ได้เือดเครื่องเครื่องเดือดที่มีน้ําตาลน้ํำผึ้งอะไรนี้ได้ค่ะอน้ําผึ้งได้นะคะได้น้ําผึ้งได้น้ําหวานอะไร้ได้เครื่องเดือดที่มีน้ําตาลเดือดได้น้ําชากาแฟก็ดื่มได้นะค่ะแต่ถ้าจะดื่มนมต้องก่อนเทียมค่ะ จะดื่มนมต้องก่อนเที่ยงโอเคถือว่าเป็นอาหารได้ค่ะเดี๋ยวจะลองสักจะขอลองนิดนึงก่อนจะลองดูได้กี่วันเอาเอาทีนักขั้นไปก่อนขั้าได้ให้มันอยู่ด้ก่อนอยู่ใจมันกได้ก่อนอย่างอื่นยัง่มอย่าไปเอาทีหลายหมัดเลยเดี๋ยวมันถุกลอกซะก่อนอาทีละหมัดก็พอ ได้ค่ะอาจารย์อันนี้พูดเมีพูดให้ฟังเราให้ฟังเฉยเฉยไม่ได้เราต้องให้ทําทันทีทันใดนะค่ะก็ต้องจะต้องไปพิจารณาดูว่าว่าถ้าแบบจะถ้าเราจะอดเน้นอดเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมอดก็อดเพื่อห้ามห้ามกินเลสอะไกิเลสความอยากกินอะไรนันะอืมเพราะว่ากินกินเพราะหิวกินหรือกินเพราะอยากกินเพราะอยากอือมาถึงน้ำหนักเกยนกันเลค่ะ ใช่ค่ะโอเค okay, นะมีอะไรไหมเอไม่มีแล้วจ้ะค่ะอาจารย์โอยคไปที่ท่านตอบไปนะเพราะคุณยังสูงค่ะวีวอนะันเก้าสูงรอ่อยู่ที่ไหนคุณมีวานามสการค่ะอยู่กรุงเทพคะ่ะมีอะไรหมเออมันกับ อ, อ, อยาก ทราบว่าบางทีอย่างเนี่ยคะ่ะเราเราดูขาวมากๆะคะ่ะแต่ว่าอาบางอย่างเราก็สามารถใช้พุโทโธได้แต่ว่าบางอย่างก็ใช้พุโทโธไม่ได้ใช่ไหมคะ่ะถ้าเขาพุโทโธไม่ได้นี่คือดูลมหายใจอย่างเดียวแล้วมันจะหายไปใช่ไหมคะ่ะหรือว่าอะไรหายอ า, อารมณ์เหมือนกับใช่ค่ะอารมณ์อารมณ์มก็ใช้พุโทโธไม่ได้ส่วดนมนต์ก็ได้ นั่งหลับตาดูลมหายใจเข้ออกแตนะ่ต้องทํามันทํามากๆไม่ใช่พุทธโทสองคำแล้วมันจะหายไม่หายต้องท่องไปเรื่อยๆจนตารมมันจะหายถึงไม่หยุดได้อาจัรย์นนะไ ม, ไม่เหมือนกินยาไม่ดสองเม็ดแล้วมันก็หยุดหยุดกินนะอันนี้มันต้องพุโทโธไปเรื่ออารมณ์มันจะหายไปอยากใจไม่หยุดต้องพุโทโธได้ ก็อย่าไปดูสิอยไปดูข่าวดูอะไรถ้ามันะจำเป็นต้องดูดูแล้วมันทําให้เราบุ่นวายใจไปดูมันทําไงคะเหมือนเหมือนเราสวดมนต์สมมุติเราสวดมนมมต์กับหลวงปู่ท่านหนึ่งค่ะแต่เรามองมองมองมองเพื่อนมองแมวอย่าเงี้ยค่ะเป็นรูปหลวงหลวงปู่ค่ะแต่ว่าเขาเหมือนมาทําร้ายเราอะ อออย่าไปสนใจรูปอะไรสิเวลาสวดแค่อยู่บทสวดไปอย่างเดียวไม่ต้องไปงสนใจกับหลวงปู่ห้วงอะไรใครทั้งนั้นในสวดอยู่บทสวดบันอย่างเดียวเข้าใจไมเ้าใจค่ะมีอะไรอยู่ไหมอ๋อแล้วเหมือนกับเออมันมีครั้งหนึ่งที่ว่าเออเรารู้สึกเหมือนเข้าไปในอยู่ในใน จิตเข้าไปอยู่ในต้นไม้อะไรเนี้ยค่ะแล้วก็กเหมือนกับเห็นผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายคล้ายๆกับเป็นภาพในกาแพง อ, อย่าไปตาม อ, อ, อย่าไปสนใจให้กลับมาที่พุโทโธกลับมาที่สวดมนต์ดีกว่า เ, เป็นภาพล้อนภาพหลอกอ๋อต้องสวดมนต์อย่าไปตามเรื่อแต่แต่พอเราพอไแต่เรามองมองดูเ ภาพมันก็เคลื่อนเปลี่ยนไปเป็นอีกคนนึงอย่าอย่าไปสนใจมั น, นาจะไม่ไ ม, ไม่ไม่ให้ดูอะไรม่ให้ดูลงอย่างเดียวเ่พูดโทอย่างเดียวถ้าเราไม่ดูข่าวเราสวดมนต์อย่างเดียวค่ะ อ, อยากทราบภัยจะถึงตัวไหมคะภัยอะไรนะหมายถึงเหมือนสังคมมันอาจจะมีข่าวมีอะไรอย่างนี้ค่ะแต่เรานั่งสวดมนต์ค่ะอย่างเดียวเราจะ ถ้าเราไม่ติดตามข่าวไม่เราแม่แแมแเราแอนระวังตนเราจะเราจะโดนลูกหลงไหมคะหรือเราต้องแผ่เมตตาเรื่อยๆไม่ต้องเราการไม่ดูข่าวอันนี้เราจะได้ไม่ถูกความวุ่นวายมามาทําลายใจเราเป็นการประมาทไมไม่ประมาทโลกนี้มันก็เป็นอย่างนี้แหละสำไมก่อนเขาไม่มีข่าวก็ทําไมเขาอยู่เหมือนได้ไม่มีโซเชียลมีมือถืออะไร ก็อยู่ก็้บไปสบายไม่ต้องมาวุ่นวายครับข่าวของชาวบ้านกนนะแต่ถ้าเราต้องการเพื่อสดมนอย่างเดียวใช่ไหมคะ่ะเออสวดมนดีกว่าสวดมนต์ใจสงบแล้วจะในการสวดแล้จะไม่ทูกกับเหตุการณ์ต่ะเอาแล้วนะเอนทนี้ก่อนนะนะคะพระคุณค่ะอ่าไปที่คุณดาวต่อคุณดณาว อยู่บนแล้วคุะากราบนมัส ก, การนะคะพระอาจารย์ mm hmm. ใหาน้องได้ยินไหมคะได้ยินชัดเจนอยู่ที่อยู่บนอพอดีว่าวันนี้อยู่บนแต่พรุ่งนี้จะขึ้นเครื่องแล้วก็ไปชนบุรีค่ ะ, ะตั้งใจว่าจะไปกราบพระอาจารย์แต่ว่าคิดว่าไม่ทันช่วงเช้าพอดีเลยให้น้องไปติดต่อเห็นพระอาจารย์ อาจารย์ก็เดี๋ยวหนูส่งทีมน้องไปช่วงเช้าแต่ตัวหนูจะไปช่วงบ่ายแต่คงไม่ได้เจอพระอาจารย์ก็เลยเข้าไลฟ์นี้เป็นครั้งแรกเพื่อมาถามคําถามกรรมฐานพระอาจารย์นะคะได้เชิญถามเลยจริงๆคําถามมันค่อนข้างส่วนตัวเยอะมันเป็นสภาวะธรรมส่วนใหญ่หนูก็จริงๆอยากถามส่วนตัวมากกว่าแต่ไม่เป็นไรคะ่ะถือว่าเป็นธรรมทานนะคะคือก็หนูเองอะคะ่ะปฏิบัติสายหลวงปู่ม่านหลวงปู่ชามา จริงๆเพิ่งปกติเป็นคนไม่มีศีลแล้วก็ไม่สนใจธรรมมาเลยจนกระทั่งเมื่อสิบเดือนนี้เองค่ะพระอาจารย์ที่ที่เพิ่งเริ่มสนใจแต่ว่าปฏิบัติสัมมาสมาธิเนี่ยเพิ่งปฏิบัติมาสามเดือนที่อยู่กับพุทโทธตลอดนะคะแล้วคราวนี้หนูก็เลยเกิดความกลัวว่าเราจะคิดติเองหรือเปล่านะว่าเราได้อุเบกขาแล้วหรือเราเข้าชานหรือเรามีสัมมาสมาธิแล้วก็เลยจะรบกวนพระอาจารย์ฟังสภาวะนิดนึงนะคะ คือหนูก็อยู่กับลมหายใจแล้วก็พุทโธพุทโธไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งมันมีช่วงที่แบบว่านึกยังไงก็ไม่สามารถคิดคําว่าพุทโธออกมาได้หนูลองเปลี่ยนคําบริกรรมเป็นคําอื่นก็คิดไม่ออกมันมันไม่สามารถที่จะนึกคําบริกรรมได้เลยะคะ่ะจนในที่สุดหนูก็เลยเอาช่างมันแล้วกันก็อยู่กับความสงบนั้นไปพออยู่ไปอยู่ไปเนี่ยมันเกิดความรู้สึกที่ว่าลมหายใจมันหายไปแล้วก็กายมันก็ ไม่มีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจิตมันหดตัวหดตัวเล็กเข้าเล็กเข้าจนเหมือนกับเป็นเข็มอะค่ะแล้วก็แทงปึ๊บออกไปแล้วก็พอพอมันสุดเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในที่ที่มันโลง่งแล้วก็แบบไม่มีขอเขตแล้วมันสบายมากอะค่ะคือมันเหมือนกับจิตเรามันเหมือนกับอยู่ในที่ที่มันสบายมากๆหล้วก็ดูไปอย่างนั้นแหละอยู่ไปอย่างนั้นไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้คิดอะไรสักคั้งหนึ่งจิตเขาก็ถอนตัวออกมาเองอะค่ะจนกระทั่งเราเริ่มรู้สึก ถึงลมหายใจของเราเองอีกรอบหนึ่งหนูก็เลยอะออกมาเป็นหนูก็จับพุทธโธแล้วหนูก็เริ่มพิจารณากายก็คือเริ่มที่เริ่มเริ่มต้นเนี่ยหนูพิจารณากรรมฐานห้าก่อนนะคะเราครั้งเนี้ยพอกรรมฐานห้าอนุโลมปฏิโลมไปเรื่อยๆแล้วหนูก็เริ่มไปที่อาการสามสิบสองแต่คราวนี้สภาวะที่หนูติดเนี่ยคือพอหนูเข้าไปที่ป่าช้าเก้าค่ะแล้วก็พอเราพิจารณาไปถึงตอนที่หนอนกําลังชอนใช้แล้วก็ ธาตน้ําเนี่ยกําลังกําลังกําลังบวมกําลังเน่าอ่ะค่ะจิตนุนเนี่ยมันจะมีมีสภาวะที่มันสว่างว่าขึ้นมาแต่ไม่ไ ม, ไม่ไม่น่าจะใช่วิปัสสนาญาณมันเป็นสว่างแบบปุ๊บขึ้นมาทันทีแล้วก็เข้าไปสู่สภาวะที่ไม่มีกายแล้วก็ไม่มีลมเหมือนเดิมแต่มันเร็วมากเพราะตอนที่เราไต่จากสมถะธรรมดามันจะต้องใช้เวลากว่าจะไปถึงอสเตจนันะคะแต่พอพอเราพิจารณาตรงหนอนทีไรอะ่ะ มันจะกระโดดเข้าไปเร็วมากซึ่งตัวเราคิดว่าเอ๊เรายังไม่ทันจะเหนื่อยเลยทําไมเข้าไปหลบในสมาธิเร็วจังเลยอะไรอย่างนี้ค่ะจริ ง, รงๆหนูก็ปรึกษาปรึกษาพระอาจารย์ทางพระอาจารย์หนูเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ช้านะคะคือหลวงปู่ศีนะคะก็ท่านก็คําตอบท่านมันจะคล้ายๆคำคำพูดของหลวงปู่ชา้าคือจะฟังเข้าใจยากหนูก็เลยเอาคิดว่าอ่ะมันอยากเข้าไปท่านบอกแค่ว่าก็ช่างมันสิอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยเอาก็ช่างมันหนูก็ปล่อยมันเข้าไปเมื่อวานนี้เองที่หนูไปนอนวัดนะคะที่หนู ให้มันกลับเข้าไปอีกอยากเข้าเข้าไปหนูก็เข้าไปจนสุดปรากฏว่าอมันมันสภาวะนั้นน่ะมันมันก้าวข้ามไปได้คือหนูก็พิจารณาต่อไปได้จนถึงอ่าพิจารณาต่อไปได้จนถึงเป็นท่าดินที่เริ่มสลายออกมาค่ะแต่นนี้หนูหนูคิดว่าหนูยังไม่ได้วิพักษ์วิารณคิดว่าน่าจะเป็นการคิดเอาคือมโนภาพเอาอเฉยอันนี้คือการพิจารณาของหนูแต่ว่าที่หนูสงสัยคือ อ่าหนูหนูมี เ, เขาเรียกว่าสมาธิของเราเนี่ยมันมันได้อุเบกขาหรือยังเพราะว่าหนูทํารอบใหม่ๆรอบใหม่ ๆ, ๆมาเนี่ยมันยิ่งเข้าเร็วขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆแล้วก็พอพอคาบริกรรมเนี่ยค่ะมันไม่มีปุ๊บแล้วมันก็เข้าไปอยู่ในสภาวะที่จิตมันหดตัวแต่จะไม่ใช่ลักษณะเหมือนเหมือนเข็มในรอบแรกแต่มันหดแล้วก็เข้าไปอยู่ในสภาวะที่สบายมากแล้วก็ไหลกายไหล ไหลลมหายใจแบบที่หนูอธิบายไปอะค่ะพระอาจารย์หนูก็เลยไม่แน่ใจว่าี่เราคิดไปเองหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าเป็นสไตล์ของลูกศิษย์หลวงปู่ชาเนี่ยท่านก็จะไม่พูดให้มันชัดเจนแล้วก็ท่านจะไม่บอกเราด้วยว่าเราได้หรือไม่ได้แล้วก็บอกแค่ว่าพิจารณาไปหนูก็เลยไม่มั่นใจค่ะพระอาจารย์ก็ดูที่ว่ามันสบายหรือเปล่าว่ามันว่างหรือเปล่ามันไม่ไม่มีอารมณ์หรือเปล่ามันสั่งแต่ว่ารู้อย่างเงี้ยอันนั้นคือ คือควาส ม, งมงาสมบางบจิตนิ่งสมาธิแบบนี้มันไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลง ก, กับอะไรนี้เพราะว่าอพอออกพอออกจากสมาธิมาเนี่ยรู้สึกมันจะทรงตัวอยู่ได้นานมากโดยเฉพาะถ้าถ้าเดินจงกรมอะคะ่ะอาการแบบเดียวกันเลยกับการนั่งสมาธิคือเดินจงกรมหนูจะพอช่วงหนึ่งคาบริกรรมจะคิดไม่ออกเลยแล้วก็แล้วเสร็จแล้วพอคําบริกรรมคิดไม่ออกเลยเนี่ยหนูก็จะเข้าสู่ภาวะเดิมคือ มันเหมือนจิตมันหดตัวเล็กเข้าเล็กเข้าเรื่อยๆแล้วก็พุ่งออกไปค่ะแล้วก็พอพอหนูพอสักพักหนึ่งเมื่อคืนเนี้ยมันขณะเดินอยู่เนี้ยค่ะแต่รู้สึกว่ามันไม่มีตัวเลยหนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเป็นอะไรอค่ะก็เป็นตามที่มันเป็นแหะไม่ต้องไปแตามความเป็นจริงแค่ไม่รู้ตามความเป็นจริงไปแล้วก็เป้าหมายก็คือให้มันดูว่ามันมีความสุขหรือเปล่าถ้ามันสุขก็โอเค ถ้ามันยังไม่สุกก็สแสดงว่ายัางไม่ใช่แล้วแล้วหนูคําถามที่หนูอยากรบกวนถามพระอาจารย์มากๆเลยคือในเมื่อเรายังไม่มีวิปัสสนาญาณเนี่ยเราจะสามารถพิจารณาสติปัฏฐานสี่โดยเฉพาะยิ่งยิ่งพิจารณาฐานกายโดยการคิดเองหรือว่าเวทนาจิตทําโดยการคิดตัวเองก่อนได้ไหมคะพระอาจารย์คือเบื้องต้นการเจริญวิปัสสนาเนี่ยมันมีสองขั้นเนี่ขั้นแรกก็คือการศึกษาหรือการทำกานบ้า น, นะขั้นที่สองก็คือการถำข้อสอบ แเราพิจารณาร่างกายว่าไม่เที่ยง<ะ>เราเราก็ทกําการบ้านไปก่อนนะร่างกายต่อไปจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายสอนใจเรื่องให้ให้ยอมรับความจริงอันนี้ให้ได้เ<ะ>มื่อคิดว่านับได้แล้วก็ไปเข้าห้องสอบอื<ะ>เราน่างกายไปปล่อยที่ไห น, นที่มันอาจจะเกิดความตายขึ้นมาพอมันได้แล้ว<ะ>สังเกตหรือว่าใจเราปล่อยได้หรือเปล่ปาไม่ถูกกับมาเป็นความตายได้หรือเปล่ปา Mm hmm. ก็เป็นขั้นทําขั้นทํา ข, ข, ข้อสอบแต่ก่อจะทํา hmm. ข้อสอบไราต้องทําการบ้านกต้องรู้ว่าเราข้อสอ บ, อสอบเอามีอะไรเช่นความตายความเจ็บนี่เราก็ลองไปทําข้อสอบสองข้อนี้ได้เร mm hmm. ื่องวิวิปัสนาอเวลานั่งแล้วมันเจ็บเราพิจารณาความเจ็บไม่เที่ยงมัน mm hmm. นั่นตาเราไปสั่งมันไม่ได้ mm hmm. มันจะมาก็มามันจะไปก็ไป mm hmm. เรา ต้องฝึกใจเราให้อยู่กับมันได้ๆแล้วเราจะไม่ทุกข์เพราะถ้าเราอยากจะให้มันไปมันไม่ไปเราก็จะทุกข์มากแล้วจะทรมาใจมันคือการพิจารณาเวลาทําข้อสอบจริงอาจารย์พิจารณาเห็นว่าความเจ็บเป็นตายร่างเล้วมันจะเฉยกับเข้ามาที่อุเบกขาว่างๆดังนั้นมันก็รู้ว่าตาไปนี้อยู่กับความเจ็บได้แล้วไม่บวมแล้วไม่นักไม่ชันกับความเจ็บนะ หนูเคยสู้เวทนาอยู่ครั้งนึงค่ะคือนั่งสมาธิไปแล้วมันปวดมากแต่ว่าตอนนั้นหนูก็เลยแบบตัดสินใจว่าหนูจะดูมันไปเรื่อยๆนี่แหละถ้าไม่รู้ก็จะไม่ยอมลุกเลยหนูก็นั่งไปเรื่อยๆแต่มันกลายเป็นว่าหนูรู้สึกว่ามันไม่น่าจะใช่ไตรักเพราะว่ารู้สึกจิตหนูมันหนีเข้าสมาธิไปทําให้มันไม่มีตัวไม่มีตนทําให้มันไม่เจ็บอ่ะค่ะอ า, าจารย์ก็เ<ต>ลยเราก็ต้องสอนว่าความเจ็บนี้มันเป็นไม่เที่ยง มันเป็นอนันตามันไม่ได้อยู่ภายใต้คาสั่งของเราเป็นเหมือนดินติดฟ้าอากาศ<ะ>มันจะมาก็มามันจะไปก็ไป<ะ>เราก็อาย่าไปยุ่งกับมันนมันมาก็ปันมันมามันไปก็ ป, กปัดม<ะ>ันไปแล้วพระอาจารย์ค่ะปัญหาหลักของหนูเนี่ยหนูรู้ตัวเลยค่ะเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันมีคนหลายคนที่ที่เขาเมีอภิน ญ, ญาโนุเนี่ยเขามาบอกว่าเราแบบมีของเก่าค่อนข้างเยอะเราเกิดอัตรามานะขึ้นมาแล้วเราก็รู้ว่า ตัวเราเนี่ยมันไปได้เร็วกว่าคนที่มาเริ่มเริ่มพร้อมๆกันเนี่ยหนูจะแก้ปัญหาเรื่องอัตตามาณนี้ได้ยังไงดียะคะก็ยอมรับความจริงเลยว่านักปฏิบัติธรรมพรจ้าก็แบ่งไว้เป็นบัวซีเหล่านะครับางพวกก็รู้ไว้บางพวกก็รุ้ชาปก้าวหน้าชาบางพวกก็ไม่ไปไหนเลยพวกพวอยู่ใต้น้ำพวกอยู่กับโทนต้งนี่มันก็ไม่สนใจทำเลยก็มี นเราจะอยู่ตรงส่วนไหนก็ย อ, ยอมรับความเป็นจริงไปเท่นั้นเองนะครับรับรู้ต่าแบบเป็นจริงไม่ต้องไปดีใจไม่ต้องไปเสียใจไม่ต้องไปหเกลีไม่ต้อง ไ, ไปยินดีเมื่อเราเป็นอย่างนี้เ ร, เราก็ต้องรับมันเหมือแบบนตอนที่หน้าตามราเป็นอย่างนี้เรารับมันได้อเใช่ไหมเวลาหน้าตามันไม่เหมือนกันใช่ั้มหน้าตามนไม่เหมือนกันค่ะการปฏิบัติธรรมจิตใจของแต่ละคนก็ไม่เท่ากัน ก็เลยแบบโอ๊ยมัวแต่คิดว่าตัวเองเก่งตัวเองดีมันเลยยิ่งแย่หนูก็พยายามจะแก้แต่มันแก้ยากมากอย่าไปสนใจมันอย่าไปสนใจคำเดิมเหล่า น, นี้ให้สนใจอยู่การปฏิบัติของเราดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูจะให้ทีมเพื่อนๆไปกราบพระอาจารย์ตอนเช้านะคะแต่ตัวหนูอาจจะไม่ได้ไปทีมมาทีมแพทย์หรือทีมหมอทำไมพระอาจารย์รู้ว่ <laughs> าใสชุดน้อยอยู่ไม่ <c> ่ <oughs> ไปที่ไปเนี่ยจะเป็นทีมที่เขาอยู่ชนบุรีกับภูกเก็ตอะคะ่ะเป็นทีมกัลยะาณมิตรกันนะคะแต่ว่าตัวหนูเองนะ่ะได้ไปช่วงบ่ายก็เลยไม่ทันพระอาจารย์กย็ที่ไกมาที่ไกลมาสองคนพันถิ่ตามมาที่จีนใช่ไหมค่ะใช่ค่ ะ, คะเขาบอกว่าพระอาจารย์ติดภาวนาช่วงบ่ายใจจีหนูอยากไปกราบอยากไปถามสภาวะธรรมมากเนี่ย แต่ตลาดช่วงเช้าเพราะในนานจะออกมาทำภารกิจแล้วทำให้มันเสร็จๆไปไม่อยากจะให้มันยืดเยื้อมีหลายเวลาอาเวลาต้องมีเวลาส่วนตัวบ้างค่ะไม่เป็นไรคะ่ะแค่มามที่ไลฟ์ก็พอแล้วขอบคุณนะคะเราก็พอพอใจะยังที่ถามมานี่ยราจะได้คำตอบใช่ไหม คือตอนนี้หนูแค่งงแค่ว่าบางคนบอกว่าต้องมีวิปัสนาญาณถึงจะเริ่มสติปัฏฐานสีที่แท้จริงเพราะไม่งั้นจะเป็นปัญญาที่ได้มาจากการคิดตัเองเ อ, อย่างเช่นเราเราพิจารณาท่าอย่างเงี้ยเราจะไม่เห็นเป็นท่าที่แท้จริงถ้าเราไม่มีญาณมิแท้จริงอะค่ะอ่าไม่ใช่เนาะคือเราต้องพิจารณาจน ก, กว่าเราจะเข้าใจแม้เล่นหอนออย่างเงี้ยเราวร่าเรียนไปตอนต้นก็ไม่เข้าใจเรียนไปเรื่อยเรืยเร่ยแล้วมันก็เข้าใจพอ<ต>เข้าใจเราเรียกว่าวิปัสนาญาณ เข้าใจกันแล้วปล่อยวางได้พอเราเข้าใจแล้วเราก็ปล่อยวางเรื่งที่เราพิจารณาได้อาจารย์คะเราขออีกคําถามนึงค่ะทำไมเขาถึงคือคนที่แบบว่ามาแนะนําให้หนูเข้าสู่ธรรมทั้งหลายเขาถึงห้ามแล้วห้ามอีกไม่ให้หนูเข้าสมาธิอะคะคือเขาเราไปฟังเลยมันมีมีมีคุญเชื่อเยอกเกินไปครับไม่ดีฟังว่าพุทธวิธรรมาสอมว่าปอน หนูก็เลยแบบอ้ยปวดหัวแต่ว่าพระอาจารย์หนูบอกว่าไม่ต้องกลัวเลยเรื่องอภินญาของเราไม่ต้องสนใจเราไม่เอาเราหลับก็พอค่ะท่านพิญน่ะเป็นาค่ากิเลไม่ได้ใช่ค่ะตอนแรกหนูหลงลิตมากเลยค่ะหนูก็เลยแบบเลิกทุกอย่างดีกว่าเไปเอาเข้าสู่การทำอย่างเดียวก็เลยเข้ามาสู่สัมมาสมาธิได้แค่สามสี่เดือนนี่เองค่ะก็ถือว่าเป็นบุญมากเลยดีมากปฏิบัติต่อไปนะใกล้นะยังว่าจบกันค่ะ คนกิตินันท์แคนคนกิตินันทิอยที่ไหนสะยองระยองมีกิตนะินันได้ยินหรือเปล่าเปิดไปได้ไหมอาจารย์มิ้วเลยครั บ, บรครับกราบตัวบัญชาการครับการวิธี่ระยองใช่มครับผมมีอะไรไนหะมไม่มีมครับผมก็ฟังทุกบ่ายสองโมงครับแล้วก็สองทุ่มกับทุกวันนะครับ โอ้ยชาติขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับสุมาลีต้อแมมาลีพุทธการข้าหลวงพ่อกลาหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อคะคือปฏิบัติน่ะบางทีมันก็ฟางครั้งมันก็ดีบางครั้งมันก็ไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันข้าสติขอเราอยที่สติมา คือถ้าถ้าวันไหนแบบกินกินน้อยนอนน้อยอ่ะมันก็ปฏิบัติได้ได้ดีค่ะหลวงพ่อ <S <S แล้ ว, แ ล, วแล้วทีเนี้ยพอช่วงวันไหนที่เราเหนื่อยเราหิวเนี้ยเราก็กินอาหารเข้าไปเยอะอ่ะมันก็มันก็ปฏิบัติไม่ดีมันก็จะง่วงอะไรเนี้ยค่ะแล้วทีนี้มันก็มีช่วงที่เราอยากกินอยากกินอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันมันรู้สึกว่าเอ๊ะกายเราเนี่ยกายอะ่ะมันมันอิ่มแล้วนะมันเหมือนมีอะไรมากระตุกเราอ่ะค่ะหลวงพ่อบอกว่า กายอะมันพอแล้วแต่ทําไมใจอ่ะอยากจะโน่นจะนี่จะกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันก็เลยเหมือนเชือกมาดึงมันก็เลยหยุดอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อก็ดีก็อย่าไปทําตามใจส่วนใหญ่เป็นเป็นเรื่องของกิเลสค่ะค่ะแล้วแล้วแล้วทีนี้ถ้าสมมุติว่าปฏิบัติถูกต้องเนี่ยมันจะต้องสงบมันจะต้องดีทุกครั้งใช่หรือเปล่าค่ะหลวงพ่อคือตอนต้นมันก็น้องลดพวกคการ่ดนการ นพอปฏิบัติเมิ่มมันกำลังมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะเริ่มมันก็จะเริ่มตีไปไปเรื่อยๆงั้นถ้า<อ>ยังไม่ยังมันลุกขึ้นแสดงว่าจิตสติของเรายังไม่กำลังไม่มากี่ยังไม่เสถียร<อ>มันดีมันดีสติก็เผลอไปหายไปพอพอช่วงที่ นี่แบบว่าดีมากๆอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วเวลาเราออกมาแล้วเนี่ยเวลาเราไปทํางาน<ม>ทำอะไรเสร็จเนี่ยใจอ่ะมันอยากกลับเข้าไปให้ได้แบบแบบอ ย, อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่ออืมก็ดีทีเดีย ว, ว่าทาาเราอาจจะไม่ไม่อําหนวยเพราะเรายังต้องติดตารางการงานอยู่ค่ะคือช่วงที่บอกว่ า, วา ช, วช่วเป็นหนักบวชไม่ได้พอเป็นหน้าบวดแล้วมันก็มันก็จะมีเวลาให้กับการปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกใคร ก็คือตอนนี้ก็คือติดติดแค่ไอ้เรื่องค่ะครอบครัวอะไรแค่เนี้ยค่ะหลวงพ่อก็ต้องอยอมรับก่อนสภาพไปก่อนผลก็ทำได้เท่านีค่ะว่ามันยังมีมีมีประสานขวางกันมันไในที่เราไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกทางมันก็ปฏิบัติดีมาแล้วน้ำมาเกี่ยวข้งองอกับวนได้ตอนนี้มันจะปฏิบัติไม่ดีตอนนี้ก็แทบจะแบบเหมือนอ เอาเวลาที่อยู่กับตัวเองเยอะค่ะหลวงพ่อคือมีเวลาหนูก็จะเข้ามาทํามาปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแต่ว่ามันก็เหมือนเหมือนมันไม่ได้ทั้งหมดเหมือนที่หลวงพ่อบอกค่ะว่าถ้าถ้าคนที่เขาไปบวชเลยอ่ะมันไม่ต้องมามาห่วงอะไรทั้งโลกก็คือทุ่มไปเลยอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อใช่มันขึ้นตารวนเนี่ยทั้งบวชนี่ก็แบบมันขึ้นตาม่วดอันนี้มันได้เป็นช่วงช่วงอย่างเงี้ยคะ่ะหลวงพ่อเราอยู่ได้ตามด่วนนี เด็ดไฟแดงมันเด็ดอะไรมาเดี๋ยวเดี๋ยวก็แบบเขียวเดี๋ยวก็แดงยาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อถ้าเกินทางด่วนแล้วมันไม่มีไฟเขียวไฟแดงค่ะหลวงพ่อหลวงพ่อคะแล้วเรื่องการปฏิบัติเนี่ยมันมีประโยชน์มีคุณค่าแต่ทําไมทําไมมันทํายากแล้วก็คนส่วนใหญ่เขาถึงไม่ไม่ค่อยเห็นประโยชน์ตรงเนี้ยค่ะหลวงพ่อเพราะเขาจูความหลวงหลอ หลอกให้เห็นว่าประโยชน์จริงอยู่ที่รากนุ่สารเสื่อที่ภาพสุดทาตาหรือจมูกเล่นกายส่วนใหญ่จิตใจจะถูกหลอกนอกจากของตลาดที่คิดเป็นเย่ะมันไม่สดจริงรากนุ่นสารเสื่อก็คือยังติดอยู่ในความหลงใช่ไหมคะใชกความหลงครอบมำในคนโบราณที่ยังมีความทิดอโลนี้แบบ ใช่ไหมแต่มันเปลี่ยนความคิดยากนะคะหลวงพ่อเพราะนั้นอย่าไปเปลี่ยนคนอื่นแล้วเปลี่ยนตัวเราก็พอค่ะหลวงพ่อขณะตัวเรายังเปลี่ยนยากเลยเราไปเปลี่ยนคนอนื่นแล้วถ้าโดยที่เขาไม่สนใจอยากจะฝักเราไปเปลี่ยนเราหรือเขาก็จะหาว่าอย่ามาอย่ามายุ่งนะค่ะหลวงพ่อเราเปลี่ยนตัวเราฝันที่แบบเหมือนพระพุทธเจ้าถ้าไม่เอาคนในวางไปบวชด้วยใช่ไหม นั่นก็ไปบวชคนเดียวใช่เ<ะ>พราะถ้ารู้ว่าเปลี่ยนเขาไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นแต่พอถ้าเราบวชมันตัดสินลัทีินี้เปลี่ยนมาได้แล้วสิก็ อ, อยากจะบวชตามเราเลยนะลูกก็บวชภรรยาก็บวชนมาเลี้ยงก็บวชญ<ะ>าพี่น้องก็บวชตามเยอะยๆหนึง่งพ<ะ>อเราทําตัวเราเป็นตัวอย่างขา เ, เขาไปมันเดี๋ยวก็เขาก็เขาก็จะตามมาเองค่ะ หลวงพ่อครับแล้วแล้วอีกคำถามคือว่าต่อถ้าเราไปถึงความว่างแล้วแต่ว่ามันยังว่างไม่จริงอะค่ะหลวงพ่อแล้วมันมันเหลืออีกตัวหนึ่งคือคือจิตตรงเนี้ยคือจันหนูยังไปไม่ถึงนะคะคือแต่ว่าอยากถามเป็นความรู้เฉยๆอะค่ะว่าไอ้ตรงตรงจิตตรงเนี้ยมันมันต้องทํำยังไงถึงให้เป็นว่างที่แท้จริงอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่ออ่าก็ต้องกําจัดกิเลสที่เป็นตัวขวางกั้นความว่างนีไย าายงถึงถึงแม้เราจะได้เรียกว่าเ อ, อเข้าไปถึงอุเบกขาที่มันลึกๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมันยังมันชั่วคราวไง เ, เดี๋ยวออกมาแล้ก็กิเลสมันก็ออกมาเพ่งๆต่อมันยังไม่ตายต้องใช้ปัญญาข้ามมันใช้ตายแลกกิเลสมันจะหายัปอย่างครอบครัวนี่เรากำลังพิจารณาว่าเป็นตาแล้วไม่เที่ยง<บ>เกิดแล้วดับ ในตัวตนเ้าถึงจะตัดได้เราถึงจะไม่ไปไปยุ่งกับเราไปอยากครับอยากกับเขาปล่อยเขาอยู่ไ ป, ไปตามเรื่องครับเขาจะอยู่ก็อยู่ก็จะตา ย, ตา ย, ยก็ตายในที่สุดก็ต้องตายค่อนั่นแหละมันถึงจะเนี่ยมันจะว่างจริงนะเร ป, ปล่อยได้ ป, ปล่อยด้วยปัญญาแล้วมันจะว่าง ไม่ว่าจะเข้าสม า, มาธิหรือไม่เข้าก็ได้มันก็จะว่าแต่แต่ถ้าถ้าบอกว่าเรา evac, เราปล่อยเขาตามสภาพอันเนี้ยมันมันไม่ได้แปลว่าเราเราเขาเรียกว่าอะไรคะไม่ไม่ได้ดูดายหรือว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมหนูพ่อถ้ามีหน้าที่ดูดายเขาเราก็ดูระต่อไปตามเขาเรียกว่าตามอัตภาพเหรอคะตามตามหน้าที่ตามหน้าที่อ่าเพราะต้องเราต้องเลียงดูเขาเราก็ต้อเลียงไปถ้าเราไม่ ถ้ไม่ต้องเลี้ยงดูก็ไม่ต้องเลงไปปลก็เาอยู่ก็ไปวันนี้หนูมีคำถามเท่านี้ค่ะหลวงพ่อโอเคนะสมมติถ้าเราตายไปนี้เขาอยู่ได้แบบคือได้ไม่ได้ก็ไม่รู้อ่ะก็ต้องปล่อยเอาไว้ใช่ไหมคะหลวงพ่อเขาก็ต้องอยู่จนได้ใช่ไใช่่ถ้าเ่นนี้เราต้องไปได้แล้วตอนตอนนี้ก็เอาลูกไปไปฝากแม่ไว้อ่ะแบบ ก็คือก็ห่วงแต่ว่ามันมันเหมือนว่าตอนนี้ก็คือแยกแยกกันอยู่อะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อก็กลับไปดูตามหน้าที่อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าโรงเรียนก็ไม่ได้ไปค่ะเขาเป็นเด็กพิเศษก็ก็คงไม่ไม่ได้สามารถดูแลตัวเองได้เยอะขนาดนั้นนะคะหลวงพ่อแต่แต่หนูก็ยังกลับไปทําหน้าที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อก็ตามหน้าที่ค่ะหลวงพ่อทาตามหน้าที่ได้ยังหน้าที่ต้องทำก็ทำไป แล้ก็ช่วยตัวเขาองนั่นแล้วก็ไปทำไมทำไมทำไปเรียกก็ไหวเขเลีตัวเขเองไะโอเคนะะกลับขอบคุณหลวงพ่อค่ะสาธุค่ะคุณหมอนาวุฒิจากกรทมนาทีสุ้ายไม่ได้เจ้งเลเข้ามารับบัี่าครับนัมศการพระอาจารย์ครับนะครับเพรผมผมเข้ามาฟังธรรมครับไม่คัมสคัญโอเค สบายดีนะได้ขอบคิดสบายดีครับได้ขอบคิดเลยเดี๋ยวปลายเดือนเข้าไปครับมาโอเคเไปที่คนเกิดบัณฑิตเชียงคูเกิดทีด่อยู่ที่ไหนที่วัดมัตตการาอาจารย์ครับอยู่กรุงเทพครับแถวจอมทองครับแต่บ้านก็อยู่ตรงพุทธมณนฑนลสายสองเหมือนกันครับมีอะไรกนะ็อ่าก็ พอดีว่าได้ดูคลิปที่ในเพจของอาจารย์ครับแล้วก็เอามาปฏิบัติครับที่อาจารย์สอนเรื่องการดูลมหายใจเข้าหายใจออกครับรู้สึกเป็นประโยชน์มากครับที่ไม่ต้องไปตามลมเข้าไปข้างในครับแต่ทีนี้ข้อที่อาจารย์ในคลิปอาจารย์บอกว่าให้ดูที่ปลายจมูกใช่ไหมครับอออีนี้ถ้าเกิดเรากําหนดพุทธโทเราก็ยังให้ เหมือนกําหนดจิตไว้ที่ปลายจมูกใช่ไหมครับใช่ให้ดูลงกันคือม่คือผมเคยเจอปัญหาที่อาจารย์บอกเคยสลอนเลยคือผมไปตามลงไปแล้วมันเหมือนมันไปบังคับให้มันยาวมันคืออัดในฝ้าดูได้ใช่ไหมเป็นเหมือนเป็นเหมือนยาเข้าประตูคนจะเข้ากี่คนออกกี่คนก็ให้ตาตาเิไปนั่นแต่เมื่อจะสึกเย็นๆตรงปลีกจมูกนะครับอาจารย์ ก็ได้ไม่ไม่ไม่เป็ประเด็นทาำคัญเย็นงนะ<อ>่ายไม่เย็นง่ายนะเพอาะสำคัญเกิน อ, อยู่ที่ใ จ, ว, ใจวันใจเราเริ่มเย็นเริ่มสบงบมากกว่าครับเริ่มเย็นใช่ครับแล้วก็รู้สึกมีอาการคล้ายๆกับคุณหมอดุ ด, ดาวที่อุบลตะเกียครับว่ า, mm hmm. วาเออพอพอมาดูจิตตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วมันเย็นมันสบายโล่งปลงเบาครับแล้วรู้สึกมันก็เย็นกลายอาจจะหายไปก็ได้ใ ช, ใช่ใช่ครับลักษณะนั้นครับ <ived S 2> <ừ> um. แล้วเราก็พอรู้สึกตัวไอ้ที่เราไม่รู้แน่ใจว่าไอ้ที่หายไปเมื่อกี้คือเราหลับหรือเปล่าแต่ว่าเราก็สึกเราไม่ได้ง่วงครับยัง <ừ> um. ทําต่อได้อีกครับก็เลยไม่แน่ใจมัน เ, เป็นกูจะงมันมันเราคุยกันเนี่ยเราต้องรู้ตลอดเวลาว่าเราคุยกันอยอืมครับถถเถ้าไม่รู้่าสดุดท้ายสติเพิ่ไปแล้วกันะสติอะหายไปชั่วครัยใช่ไหมอย่างนี้ก็เราก็แค่รู้ กลับมาลูตัวบ่อยๆใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ลูตัวลูนมเพื่อให้จิตนิ่งสงบให้เป็นอุเบกขาอืมครับอาจารย์จะจะลองไปทําต่อครับแล้วก็อ่าจะจะบอกเออจะรายงานอีกเรื่องคือสัปดาห์ก่อนก็คือได้ไปงานศพของเพื่อนร่วมงานครับเราก็คือเพื่อนร่วม ง, งานอ่ะผมเพิ่งคลอดลูกแค่เดือนเดียวครับแล้วก็มีภาวะติดเชื้อในมดลูกแล้วก็เสียเลยครับ มันก็มันมันเหมือนว่าตอนที่เราไปช่วยคือผมก็ช่วยยกโรงอะไรเงี้ยแล้วก็เขาซาบะเลยก็เปิดโรงอะไรเงี้ยแล้วก็พอคือพอเห็นมันเหมือนเรามันเหมือนกับเขามาสอนเราอ่ะครับ mm hmm. เหมือนว่าเอ้ยตอนสมัยเขาอยู่นี่เขาสวยมากเลยนะแต่ว่าพอตายก็คืออูในโรงเนี้แบบคืออีกแบบนึงนะครับแล้วก็ mm hmm. เราก็เห็นคนข้างๆคนข้างๆญาติเขาเพื่อนร้องไห้กันระงมแต่แบบแต่เราไม่ร้องเลยครับแต่เราสึก แต่เราสุดแค่เสียใจสังเวชแต่ว่าเราไม่ได้สึกรู้สึกมันมันไม่เศร้าใช่หมได้ใช่ครับเหมือนเราเข้าใจครับก็เลยแบบก็เลยแอบแบบก็ไม่ได้กังวลอะมากคืออาจจะแบบคนอาจจะมองให้เราไม่เห็นจะร้องไห้อะไรเงี้ยแต่แบบเราก็สึกจิตใจเรามันไม่อยู่เบรคามนไมไ่จะเฉยเฉยใส่ครับ<น>ก็เลยได้แบบเอาธรรมะที่อาจารย์สอนแล้วมาดูว่าเออเรากับเรามาพิจารณากับตัวเราเอง พ่อแม่เรากับลูกเราภรรยาเราเนี้ยบะเออวันหนึ่งเราก็ต้องเจอแบบนี้แล้วก็พยายามปรองไปเรื่อยๆครับราอาจารย์ถูกต้องนะถูกถูกถูกแล้วใช่ไหมครับออแล้วก็ดูความไม่สวยงามของร่างกายไปด้วยเวลาเจอใครสวยๆงามๆไปเรื่อยนึกถึงภาพของคนตายแ ล, วล้วมันทําให้เราต่อไปครับก็ต้องตายนึกถึงที่ อ, อ่านนางอะไรที่อ่าที่เป็นตัเนวเลข<ม>สวยสวย เอาบรรจารวไม้ผมนึกถึงเรื่องนั้นตลอดเลยครับบรรจารวไม้ไปดูศพของเธอมาดูภาพบรรลุหน่ยมรรลุอนาคานี้ตัดตัดการมารมได้ครับแล้วมันแล้วก็สึกตัวเราก็รู้สึกมันก็เบามูอด้วยคำแบบเจอถึงเจอคนสวยก็รู้สึกว่านี่ก็แค่ขันห้าของเท้าราวเดินมาเราเนี้ยภาพศพแท่ใช่ใช่ก็เพรกเลือเออมันก็ ยิ่งปฏิบัติก็ยิ่งได้เยอะขึ้นเยอะเรื่อยๆครับอาจารย์เน่ทามาถูกทางแล้วต้องฝึกสมาธิไปด้วยนะสมาธิจะทำให้ใจเราเย็นเป็นอย่รครัไม่มีอารมณ์เวลาที่เราเห็นสิ่งที่ไม่น่าดูทั้งหลายครับพยายามจะลดละให้ได้เยอะขึ้นครับอีกคำถามอาจารย์อย่างคนที่เลี้ยงสัตว์ไงครับเอ อ, เ, อ, อเลี้ยงอย่างเงี้ยครับ มันเป็นการให้คุณให้โทษไหมครับอย่างเช่นแบบเราให้อาหารมันเหมือนได้บุญไหมหรือว่าการที่อยู่ที่ว่ามันมันมันมาได้ยังไงถ้าเราเป็นตัดเลีเนี่ยครับถ้าเราอยากะ้มันเพราะมันนามาเป็นเพื่อนเราแก้เหงาองนี้มันก็เป็นกิเลสอืมแต่ถ้าเกิดเป็นสัตว์ที่มันมันมันหลงทางมาเป็นเราต้องการความช่วยเหลือแล้วก็เลี้ยงมันไปอย่างนี้ก็เป็นความเมตตา ครับอาจารย์อยู่ที่ว่ามันมาในถ้าอยู่บางคนนี่เสียงงานไปซื้อมาแล้วก็ต้อมาเสียงเงินคอยเรี้ยงมันดูมันแล้วก็ต้องมาทุกกับมันนี่นี่ก็เป็นกิเลสมันโดนนะครับแต่ถ้าเป็นม้าม้ายาจุกม้าม้าเขาเรียกไม่มีที่อยู่ม้าจอนจัดใช่ไหมครับม้าจอนจัดมันถ่ายมามนล้วมาเกาะมาอยู่ที่บ้านเราเราว่ามันมาก็าไม่อาหายตล้วลี้ยงมันไปตามสภาพนี้ก็ ก็ไม่ถือว่าเป็นเป็นกิเลสเพราะเราไม่ได้เป็นสรรหามาันมามันมาเองแล้วเราก็มงงเพื่อไม่ให้มีความว้เมตตาเราก็เลี้มันไปตามอัตตาไปมันจะเป็นจะตายเราก็ไม่ไปร่วมวายไปกันแล้วคนที่คื อ, คอพอดีว่าบางทีการที่ไปให้อาหารหมจจาจรจัดนะครับแล้วกลายเป็นแหล่งรวม แล้วมันไปสร้างความเดือดร้อนให้คนที่อยู่แถวนั้นนะครับมันจะเป็นต้นก็ไม่ควรถ้านไปทำอะไรแล้วมันทําให้เกิดโทษเป็นอะไรก็ต้องลับครับก็ถือว่าเป็นกรรมของมันไปพอไปเลี้ยงมันมันมีกำลังมันก็ไปสร้างความเดือดร้อนกัคนแล้วน้องไม่เลี้ยงมันอาจจะต้องดูให้ถูกที่ด้วยใช่ไหมครับแค่ดูให้มันดูให้ถูกที่หน้าที่นานไปเสื้อไปส่งเสริมความมั่นความไม่สงบของชาวบ้านก็ไม่ควร ถึงแม้จะไปควาเมตตานัแต่เมตตาข้างหนึ่งแล้วก็ไปสร้างฝวามทุกข์ให้กับอีกด้านหนึ่งเมตตาหมาแต่ไม่เมตตาชาว บ, บ้านอครับอ า, าจารย์ตอนนั้นเราใช้อุเบกขาวางเฉยไปออยู่เอาไปก็แล้วกันอยู่ได้ก็อยู่พอ อ, อุเบกขื่อรู้ตามความเป็นจริงไปใช่ไหมตามความเป็นจริงพ่าช่วยแล้วมันจะไปทําให้คนไปกัดคนเลยเขาเงี้ยมันทําให้เป็นปนัญหาขึ้นมา แล้วขอคําขอครับถามคำถามสุดท้ายครับอาจารย์ อ, อย่างเมื่อก่อนเคยเคยจําเป็นต้องไล่ที่คนเช่าที่ครับพอดีว่าเราต้องใช้ที่ดินอะไรอย่เงี้ยทำเราสัญญาเช่าก็ไม่มีเงี้ยครับแต่รู้สึกเราก็เคยได้ยินเขาว่าเหมือนบางคนเช่าบางคนเขาก็รู้สึกพอเราไปปอกไล่เขาเขาก็เกิดความทุกข์เี้ครับอย่างนี้ทางเราเราก็บก็ได้รับผลผลบาปด้วยใช่ไหมครัก่อนทีมันไม่หรอกเพราะเราก็พ เ, าเพียงแต่ใช้สิทธิของเรา เป็นที่ของเราแล้วเราต้องมีความจำเป็นที่จะตใช้หาประโยชน์เราก็ต้องขอรลให้เขาออกไปและก้อนที่เหลือเราก็ต้องอาศัยมาตรการการส่งหมายช่วยครับเพียง okay, แต่ว่าเขาอาจจะไม่พอใจแล้วา้าจจะจองไว้จองธรรมเวลานี่เราก็ห้ามออกไม่ะแต่เราไม่ไปเบียดเยียนเขาเพรามาเบียดเยียนเราต่างหับ <c oughs> บางทีก็ได้ยังเคยได้ยินเขาบอกก็ตอมใจเพราะเราตอมใจตายเพราะเราบอกเราไปไล่ที่เราผอกว่าไม่เกี่ยวตอมใจนะครับก็เลยเขาเป็นเกลียดว่าถ้าเขาอยู่แล้วเราตอมใจตายเขาไม่คิดอย่างนั้ผมผมชอบคํานี้จริงๆแต่ก็พยายามแบบเราก็ไม่อค่าเลยแล้วเราก็แผ่เมตตาไปเราก็ทำตามสิทธิ์ของเราได้ทําตามครับ ได้ครับแล้ก็ไม่ได้ไปแบบกลมแขง็งรังกาอะไรก็ไม่ใช้ใช้หลักกฎหมายไปครับแต่ถ้าเราเราไปห้างก็ไม่ได้ถ้ า, าโกรธเกลียดเราไปมาก็ถือว่าเป็นเวรเป็นกรรมไปครับแต่เราก็คงไม่ต้องไปโกรธเกลีดตอบถูกไหมครับเพราะว่าไม่ ว, วา่าจะไม่เขาโกรธเกลียดเราก็ให้เงินเขาจักตอนั่งไ ป, ไ ป, ไปที่ไหนไปเช่าบ้านที่ไหะอยู่ไปมีเหมือนกันครับก็ต้องแบบ พาไปหาบ้านเช่ า, าให้แล้วก็า ว, ว, าวางมันจํำให้ด้วยแบบวางมั่นจําให้เขา้าเริ่มต้นได้ใหม่ครับมีเรื่อมื่อก่อนก็เราแบคุณบอยก็ช่วยครอบคัวหนึงมีที่เดินอยู่แล้วเาช้าเช่าแล้วไม่ยากจ่ายก็เช่ามาเป็นปีเลยครั บ, บหลังเลยต้องหาที่ใหม่ให้เขาอยู่เขาจะได้ย้ายออกไปได้อืมก็เป็นปัญหาของของคนเพื่อให้เช่าเกือบทุกที่ครับ ก็เรืองยาวนานกับสภาพเนี่ยไม่มีอะไรก็ทุกเนีนะพระเจ้าบอกใช่ใช่ครับไม่มีดีกว่าเหมือนท่านบอกว่ามีวัวก็ปลุกทุกข์พระวัวเนี่ยนีเงินก็ทุกข์กับเงินมีแฟนก็ทุกข์กับแฟนไม่ว่ามีอะไรมันต้องทุกข์เท่าเพราะมันไม่เทียบครับเก็ทําเหมือนที่พระอาจารย์บอกประจํำครับว่าพยายามแบบทาหน้าที่ของเราไปแล้วมีเวลาก็มาปฏิบัติมาฟังธรรมเพื่อให้เรามากที่สุดครับพระอาจารย์เอ อยยุงบอกใครดีกว่านะครับกับคณะสการขอบคุณครับครับคุณสพัฒนาบอกวนอินาวักการพระอาจารย์เจ้วค่ะอ่ามามาเลยสาวพระอาจารย์แล้วก็มาขอฟังธรรมเจ้วค่ะอันนี้ไม่มีคำถามนะอะไรนะค่ะไม่มีคาม มีคำถามนะคะทานมีมีมีเวลามีก็จะมีเวลาแสดงพระอาจารย์แสดงธรรมก็ได้คําตอบนะคะพระอาจารย์โอเคเน้นไปที่ท่านตอบมาเลยนะขอพระคุณเจ้าค่ะสภานาและสภานี้ใกล้ๆกันเลยนะชื่อชื่อใกล้เทียนกันจากเดลัสเท็กซัสกลับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้คุณพ่อและลูกไม่มีคําถามเจ้าค่ะขอร่วมฟังเจ้าค่ะโอเคถ้เธอเธอเจ้าค่ะ คนสอนดวงสอนดวงอันนี้จากสวรรค์เขตสวรรค์เขตประเทศลอาจารย์อมีอะไรไหมหายหน้าเป็นทนานค่ะพระอาจารย์คํากราผู้อาวุโสค่ะากราที่เสกไม่มีคำถามนะคคือว่าอ๋อได้เข้าเข้าแบบเข้าสมาธิแบบไม่ลึกมากค่ะพระอาจารย์ก็ดีใหม่ๆก็อย่างนี้ทั้งนั้นอะ ค่อยๆทาไปแล้วเดี๋ยวมันก็เริขึ้นมากขึ้นถ้าฝึกสติให้มากขึ้นไปเรื่อยๆหมดแล้วค่ะพระอาจารย์ <Okay. S 2> ข้ามากรพาอาจารย์าารขอให้พระอาจารย์มีอายุสุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะา ส, า ร, สรับบอกว่าเป็นอย่างนั้นนะโอเคคุณธานาันชายต่อคุณธานาันชายอยู่ที่ไหนจะไม่ได้ สาธุครับพระอาจารย์อยู่กรุงเทพครับปีเปลี่ยนเครื่องก็เลยภาพมันเอียงๆหน่อยนะครับไกระจาต่อม า, อาครั้ง <ๆ S 2> ที่ครั้งที่ห้าหกแล้วครับคือจะสอบถามท่านพระอาจารย์ครับคือได้ฟังคลิปใน a c e b o o k ของของพระอาจารย์นะครับก็จะมีหัวข้อนะครับสมาธิสามแบบคือควิกะสมาธิอัปปะปะนาสมาธิและอุปจารสมาธิ รวมถึงการแยกธาตุแยกขันธ์ที่ท่านพระอาจารย์เคยแนะนำนะครับแล้วก็ได้ฟังก็คือเข้าสมาธิเข้าไปลึกๆเนี่ยแล้วแต่ว่าเราจะได้ระดับไหนเสร็จเพื่อให้จิตนิ่งพอออกมาเนี่ยถึงจะมาที่นาไอหลักธรรมตรงนี้ครับก็เลยเลยจะสอบถามท่านอาจารย์ว่าถ้าเรานั่งสมาธิแบบเข้าจิตนิ่งไปลึกๆไปเลยนะครับ เพื่อให้จิตกับกายแยกจากกันตามที่ท่านอาจารย์แนะนำออกมาแล้วปุ๊บในขณะที่เรากลับมาสู่สภาวะถอนจากสมาธิแล้วเราจะมีเอาหลักไปคิดอย่างเช่นอานิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยครับแต่ตรงนี้เมื่อเราคิดถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งสำเร็จแล้วแล้วมันจะทำยังไงต่อไปครับก็ลองไปทำข้อสอบก็ลองไปทำข้อสอบว่า เราเขาเราเห็นจริงหรือไม่จริงใชาเราบอกว่าเงินทองเป็นอนิจจังไม่ใช่ของเราก็าเรามาเอาเงินที่เราไม่ใช่ไปปล่อยจักรหรือถ้าเรารจะทุกข์เขาแบบจักรทำนองนั้นทะุกข์ครับคือเราต้องทดสอบว่าเราปล่อยวางได้จริงหรือเปล่าบางทีรรเราคิดว่ามันไม่ใช่ของเรามันไม่เท่มัแต่เขาเก็บไว้จนเราตาย <laughs> มันก็แสาไม่ปล่อยใช่ไหมครับ อันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังกับทุกเนื่องทุกอย่างเราเหมือนกันนะถ้าพิจารณาว่าไม่เที่ยงก็สละเหมือพนพระพุทธเจ้าเลยท่านสละบ้านจะสมบัตินะสละบ้านบ้านดูเสมอเสินสุดเ พ, พาราะไม่เที่ยง ม, ยมันเป็นตายร้ายมันเป็นทุกข์นะนั่นแหละถึงไปข้อสอบตอนตี้เราพิจารณาแบบทําการบ้านไปก่อนเป็นทฤษฎีไปก่อนดนี้ น, นเรากาเรเอาทฤษฎีนี้มาม า, มาพิสูจน์ว่าเรา เ้าปล่อยวางได้จริงไหมถ้าปล่อยวางได้เราเราจะได้ไม่ทุกข์ปรนะมานั้นครับสาทุกครับก็ของกระผมเคยที่เคยเรียนท่านอาจารย์เน่ยเฉียดเสียชีวิตไปครั้งหนึ่งก็คือไปทําบรลลูนหัวใจนะครับทำบรลลูนหัวใจในขณะที่ทําบรรลูนหัวใจเนี่ยจิตก็เข้าสมาธิไปเลยเพราะว่าหมอท่านจะแทงที่แขนข้อมือเพื่อที่จะ ไปสวนที่หัวใจหนึ่งเส้นที่มันตันนะครับตอนนี้เนี่ยช่วงนั้นสมาธิเราฝึกแต่เด็กๆแบบพุโทโธพุโทโธหรือในสายต่างๆเนี่ยพรากฏว่าจิตเขามารวมตัวกันนะครับหลวงพอ่อจิตมารวมตัวกันตอนนั้นผมก็คิดว่าจะเราจะเสียชีวิตละบอสจิตรวมตัวกันเสร็จปุ๊บ ก, ก็จะเย็นรู้สึกเย็นสบายแล้วแล้วเกิดการคิดที่ว่าเราไม่อยู่ครอบครัว ก, ก็อยู่ได้ เราไม่อยู่ไปที่ทำงานก็อยู่ได้เป็นเป็นวัณะนั้นคล้ายๆเหมือนแล้วแล้วจิตเขาก็คิดเองว่าทุกอย่างมันสมบุตณหมดเอาไปไม่ได้สักอย่างแล้วก็ไม่ห่วงอะไรเลยครับนแสดงว่ามีย ong t ค i ับไม่เป็นห่วงอะไรแล้วแล้วเราจะบอกว่าถ้าไปก็ไปแบบนี้แหละก็เลยเข้าสู่สภาวะนิ่งเย็นสบายแล้ว แล้วบริกรรมในใจเองว่าอะไรนิพพานังกลมังสุขขังไปเรื่อยๆอะ่ะจนจนกระทั่งคุณหมอเริ่มแทงที่แขนแกก็บอกว่าเจ็บหน่อยนะคะตอนนั้นก็เริ่มรู้สึกตัวเหมือนกลับออกมาเป็นมนุษย์ใหม่อ่ะครับตอนนั้นก็เลยเหมือนกับว่าเฉียดเสียชีวิตไปไปแล้วครับทําให้ทําให้มีอยู่ข้อหนึ่งที่เขาว่าไม่ยึดร่างกายครับในข้อของไอ้สักยะทิฐินะครับในช่วงนั้นทําให้เห็นจริงเลยว่า เราเอาไปไม่ได้สักอย่างไม่ว่าจะเป็นเงินทองทรัพย์สินอะไรของที่สะสมนะครับมันก็ต้องหลังจากนั้นมันก็ต้องไม่กลัวตายแล้วต่อไปนี้เพระเรองการตายตตได้ทุกเวลาครับก็เลยก็เลยคิดว่าไอ้ข้อเนี้ยเราน่าจะาได้ได้เฉียดคนอื่นามากที่สุดเพราะเราใช่จะตายเพราะเราเจอข้อสอบจริงครับถ้าตไปก็ต้อง ขั้นต่อไปก็ต้องรสอบไอ้ตัวเจ็บตัวเจ็บปวดทุกข์ไมทนมันเราจะอยู่กั บ, บ, บอาการเจ็บปวดต่างๆของร่างกายได้หรือเปล่กับสาธุครับก็จะมีคำถามมีคำถามหนึ่งสอบถามพระอาจารย์นะครับก็คือได้ฟังคำสอนของหลวงพ่ออุปดูวัสแกะครับท่านจะบอกว่าถ้าเรามีญาณอย่างรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเราไม่มีเรื่องบังเอิญเลย อันนี้แนวคิดเนี้ยผมคิดว่าก็มีความเป็นไปได้ที่จะจริงหรือท่านอาจารย์ทรงเมตตาใช่ถ้าอยางรู้จ เ, เว่าทุกอย่างเกิดจากเหตุเหตุก็คือการการะทำของพวกเราเนี่ยอย่างที่เรามาเจ อ, อที่นี่ได้กเขากมีเหตุคุณต<ส>าถูกคุณคุณก็มีการการะทามาเราก็มีการการะทามาแล้วเรามาเจอกันไม่ได้บังเอิญทุกอย่างเกิดจากเหตุ กับสารทครับก็ทําให้มาเจอท่านาอาจารย์เ อ, อนะครับเนี่ตุอ้งอย่างมันเกิดจากเหตุมไม่ได้เกิดจากการต้อเดินกับเข้าใจครับโอเคแค่นี้ครับเดี๋ยวให้ท่านอื่นอขอท่านอาจารย์สุขภาพแข็งแรงนะครับสาธุครับแบบคุณทุกตาเก้าศูนย์นแปดอยู่ที่ไหนทุก ต, ตาใช้เปิดมาย ก, การเอ่ากลับมาัสการค่ะอาจารย์อยู่โตเกียวค่ะ อา่าอ่าที่แล้วคราวที่แล้ก็เ ค, ย, ค, ย, คยเคยเข้ามาแล้วใช่ค่ะเวันนี้มีอะไรครับมาฟังมไม่มีครูบาอาจารย์กับกับขอบพระคุณในความเมตตาของพระอาจารย์ค่ะที่คือโยมมีความปิติมากค่ะที่ที่ไม่ได้กลับเมืองไทยมาตั้งแต่โควิดอะค่ะอืแต่ว่าได้พบครูบาอาจารย์ในช่องทางของซูมแล้วก็ช่องทางต่างๆในในโซเชียลเจ้าค่ะเออ ขอกราบอมุตนากับทุกบุญทุกการสนของพระอาจารย์นะคะอันนี้เด็กน้องที่ตัวเกียวมันต้องสองยานกว่าแล้วเนาะพระอาจารย์เมื่อกี้แผ่นดินไหวหนักมากเจ้าค่ะคือโยมต้องคือโยมฟังซูมพระอาจารย์อยู่แล้วโยมก็ตั้งสติเพราะว่ามันคือแรงมากค่ะก็คือเกือบเจ็ดฟิตเตอร์ะค่ะในตัวเกียวว่าสี่แล้วโยมก็ตั้งสติแล้วก็วิ่งขึ้นไปอุ้มลูกคนเล็กที่อยู่ข้างบนคนโตสองคน เตือน tsunami ไหะเตือน t s ก็เตือนซูมาซนามีคะ่ะเตือนมีเตือนค่ะ <Reese. S 2> เมื่อประมาณเกือบเกือบสิบห้านาทีที่แล้วค่ะ <Reese. S 2> แต่ว่าก็เปิดซูมะ้าจาย์แล้วก็หันกล้องแล้วก็ขึ้นไปอุ้มลูกคนเล็กวิ่งออกไปจากนอกบ้าน <Reese. S 2> แต่ก็คือตอนแรกก็ตั้งสติก่อนเพราะว่ามันเกินเกินไปเกือบเกินไปสามนาทีาาทคะค่ะอก็คือแรงมากแต่คือจิตจิตของโยมก็คือแบบนึกถึงครูบาอาจารย์แล้วก็ ฟังฟังซูมของพระอาจารย์อยู่แล้วก็เปิดทิ้งไว้แต่ว่าวิ่งขึ้นก็คือเดินขึ้นไปอุ้มลูกลงมาแล้วก็เดินออกไปนอกบ้านเพราะว่าที่บ้า น, นสั่นที่ทบ้านสั่นจะเทือนเยอะแรงมากค่ะว่าแรงมากค่ะแต่โยมบอกตั้งจิตว่าเอถ้าเกิดอะไรขึ้นก็คือครูบาอาจารย์พระอาจารย์ก็อยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะ่ะแล้วลูกชายก็บอกว่าเออม่าม้าเบาเสียงได้ไหมเพราะว่าผมจะนอนแล้วก็คือวิ่งกลับเข้ามาในบ้านแต่ว่าก็ยังเปิดซูมพระอาจารย์อยู่ค่ะ เม่ตอนนี้มีอ่ชอไวเนเนี่ยคิดว่าน่าจะตามมาค่ะมตามมาต่อค่ะโอเค่วาก็รอฟังใครนะกับสาวทุกค่ะขายมขอเอ่อกราบขอน้อมกราบในพระก็คือในความกรุณาของพระอาจารย์ในทุกบุญทุกกุศลนะคะแล้วก็มีโอกาสโยมอยากจะกลับจะได้ไปกราบพระอาจารย์ที่ที่ชนบุรีแล้วค่ะ นาจารย์ค่ะสาธุค่ะอล้วที่คุณทัชเชลีต่คุณทัชทัชเชียที่ไหนกับนมำสักการพระอาจารย์ค่ะหนูอยู่ศิลชาข้างบ้านน้องปางวะไ ร, ร, รค่ะพระอ า, าจารย์ค่ะก็วันนี้มากราบเฉยๆคระอาจารย์แล้วก็น้อมเอาสิ่งที่พระอาจารย์เคยสอนอยู่ตลอดนะคะว่าร่างกายมันไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายก็พยายามอยู่ค่ะ คือตัวแผลหลังผ่าตัดประมาณหกสัปดาห์ก็ค่อยๆดีขึ้นแล้วก็จิตใจในช่วงแรกแย่มากค่ะอาจารย์แล้วก็ค่อยๆทําค่คคะแล้วก็ยึดยึดเอามาสอนตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะพอกลับขอพระคุณมากค่ะอาจารย์พยายามเตือนเตือนตนอยู่เรื่อยๆนะว่าร่างกายไม่เที่ยวร่างกายไม่เที่ยงเจ้าค่ะเจ้าค่ะพอวางมันลงได้มันก็เบา แต่บางทีมันก็กลับมาตกบ้างครับอาจารย์กลับมาตกแล้องแก้แล้วลองเป็นค่ะว่าเอ้ยมันจะยังเหลืออยู่ไหมมันจะเป็นยังไงไม่แต่ว่ามันไม่มีประโยชน์เลยค่ะอาจารย์อยู่ให้มันมีความสุขในปัจจุบันดีกว่าใช่ค่ะ่กลับขอบพระคุณมากค่ะคําสอนสาธุนะคะสวัสดีค่ะว่าเรื่องอยู่ว่าบว่านีื่องจะข้ามไปก่อนเนี่ยไปที่ประเด็น K ก่อนนะเรียน แม่นแคได้ยินไหมหนูว่าไงอยู่อยู่ที่ไหน <S <S อยู่ตโตเกียวค่ะตโตเกียวเป็นกัรเหนือเมื่อกี้เข้าอีกคอ น, นเทนต์เขว่า <S 2> <S 2> <S มีแผ่นดินไหวอยู่บ้านยังกันหรือเปล่าคนละบ้านค่ะแผ่นดินไหวค่ะตกใจมากเลยกําลังอาบน้ําอยู่ค่ะรีบเลยน้องก็ร้องค่ะคอยกราบพระอาจารย์ด้วยกันเนี้ยค่ะ ตอน น, ตนี้สงบแล้ใช่ไหตอนนี้สงบค่ะแต่เขาบอกว่าน่าจะมีอัฟเตอร์ช็อตามมาแบบนี้ค่ะห้าถึงหกลิตรน่าจะได้ออาาโอเคก็ตอนนี้กันเด็กกนะ็นอนหลับนละ้นอนไม่หลับแื้วนะค่ะนอนไม่หลับสองอาทีที่ผ่านมานี้ไม่มีตสติจะทำสมาธิเลยค่ะพระอาจารย์ตามข่าวด้วยแล้วก็น้องกวนด้วยค่ะ ก็อย่างนี้แหละมีมีครอบครัวมันก็เป็นมันก็เป็นภาระมันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมค่ะยอมแล้วาไปก่อนนะจะไปทุกคนมาค่ะโอเคกลาบพระอาจารย์ค่ะกบครับสาธุสาธุค่ะโอเคนะถ้าไม่มีอะไรก็ไปที่ท่านต่อไปนะค่ะเราก็รีกลับมาแล้วราลช นมตาตการเขาหลวงพ่อแว บ, บไปแว บ, บเดียวคิดว่าโอเคครับเออวันนี้จะถามว่าความดีที่แท้จริงคืออะไรครับหลวงพ่อความดีก็คือสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่มีโทษเรียกวความดีการกระทํทาที่เป็นประโยชน์ไม่มีโทษกับใครทั้งตัวเราและผู้เรีย่าความดีี่แท้จริง โอชัดเจนชัดเจนมากครับก็เดี๋ยววันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ผมจะไปเที่ยวอุดรจะว่าจะไปกราบที่วัดป่าวัดป่าว่าไม่เคยไปก็ในกาบิดกาปูนไนกาบิดกาปูนก็ก็น้องมาที่ใจนะแค่นี้เจดีย์มันทำมันทำเจดีมันทํามาจากอะไรมันทำมาจากอิฐปูนนะเนี่ยอิฐปูนทราย ทองคำนีืออะไรแล้วา ส, สุร์ศิลปะมันก็เป็นวัตถุทั้งนั้นการจัการของตายจริงๆก็ปฏิบัติการด้วยการปฏิบัติบูบชาสิอะไรวะครับผมนะน้าบูชาผู้ใด ก, ก็จะทำสมควรกับทำผู้นั้นคือผู้บูชาเราสถาคนไม่ใช่ประกาศนู้นที่อินเดียประกาศเจดีนั้นเห็นไหม เป็นชาวพุทธแค่นี้ยังคำคำสองของพูทเจ้าสั้นๆแคนี้ยังจำไม่ได้จำ ไ, ได้ยังได้แล้วครับผู้ะนะที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมผู้นั้นแหะคือผู้บริบูชาเราตถาคตที่ไปไปกราบอิจการปูนนั่นนะ่ะไปเย็นเดียวก็ปกราบอิกากรปูนกัน อาจจะมีพระาธาตุก้อ น, นัล็กๆอยู่ก้านสองก้อนอยู่ในเจดีย์แล้วก็มามองไม่เห็นอยู่ดีนะปฏิบัติบูชาดีก่อนนะแลกิเลสมันไม่ชอบกิเลสมันชอบไปนู่นไปอินเดียไปนู่นไปอุดร อ, อยู่บ้านแล้วมันเบื่อมันได้ออกไปเที่ยวแล้วมีเหตุได้บุญได้กุสลด้วยนะกิเลมันรอเอาจริงไปเพื่กิเนลเเนั้นแนะ่ะ ใช่ไหมาำไมเพื่อทนี้ก็ไปปฏิบัติเลยสิไปแล้วไม่ต้องกลับบ้านไปกลับแ ป, ป๊บๆเสร็จแล้วกลับนะอันนี้ให้ให้เข้าคิดไว้นะไม่ได้ว่ากันนะครับโอเคเดี๋ยวท่านต่อไปอนนตมีความโอเคเดี๋ยวไปที่คุณสุทธิดพงศ์นะเพราะเดี้ยวลปรามจะเกินคุณสุทธิดพงศ์เชิญ ยังไม่ได้เปิดไมเลยกล่าวนำมาสักกา ร, การพระอาจารย์นะครับผมอยู่ที่ไหน อ, อยู่ชนบุรีพนัฐนิคมครับผมอม่อะไรอ่าวันนี้เข้ามากราบพระอาจารย์ครับโอเคไม่มีคําถามนะะได้ไหมมี ม, มีมีนิดนึงครับพระอาจารย์ อ, อ่าก่อนหน้านี้นมีมีโอกาสได้ไปกราบพระอาจารย์ที่ตั้งแต่พระอาจารย์อยู่แสดงธรรมบนเขานะครับผมเออ ครับทีนี้ก็ตอนนี้ด้วยสถานการณ์ด้วยก็ไม่มีโอกาสขึ้นไปแล้วก็ตอนนี้ก็ทำงานอยู่ครับทีนี้ได้นำคำสอนของพระอาจารย์นะครับมาม า, มาพิจารณาแล้วก็มาปฏิบัติตามมันก็จะได้เห็นที่หลักๆคือเห็นเห็นความเป็นจริงครับความเป็นจริงอีชัดขึ้นเลยครับ เห็นตายแล้วเห็นตายแล้ทีนี้มันก็เห็นเรื่องทุกข์มันก็ก็เข้าใจครับแล้วก็ทีนี้เราเราได้สัมผัสด้วยได้เห็นตามความเป็นจริงด้วยมันก็เลยรู้สึกว่ามันมันมันบางได้ครับเราเราเข้าใจทีนี้ครับทีนี้เราก็เข้าใจว่าทุกอย่างมันมันเป็นไปตามธรรมชาติมันเป็น แเปลี่ยนแปลไปตามธรรมชาติคือมันมีอยู่ของมันเป็นไปอย่างนั้นนะครับอมันก็ทำครับครับมันก็เลยทําให้เราว่าเออเราไม่ได้ยึดอาจจะยึดแต่เราเราเข้าใจมันก็จะจะเบาบางลงไปเอครับแต่แต่แต่แต่ที่นี้ครับอาจารย์มันมันเหมือนจะติดอยู่ที่อัตรานะครับความความเป็นตัวตนมันมันเหมือนจะจะจะวางยากอยู่ครับแต่ก็ยากเสียแลดินดินมีดินเป็นตัวตนหรือเ่าดินมีตัวตนอเป่ น้ำมีตัวตนรึเป่าลมมีตัวตนรึเปล่าครมีตัวตนรึเปล่าเมื่อมันรวมกันเป็นอาการทันสองมันยังมีตัวตนขึ้นมารึเปล่ะมันก็ไม่มีครับเราไปสมมุติขึ้นมาขึ้นมาเองว่าเป็นตัวตนคมันใช่ปัญญาแยกแยะคนะกระจายไหครับผมตอนนี้จะได้จําได้ว่าร่างการไม่มีตัวตนมันมันแค่เป็นน้ำลมไฟครับอาการฐานสอง มันก็เหมือนเป็นเป็นเป็นธาตุนะครับอ่าเป็นห่นยนต์ตอนไหนเป็นที่หยนต์จิตทำมาใช้ทํางานน่ะให้กับจิตพาจิตไปไปกินไปดื่มไปเที่ยวไปเล่นนะเนี่ยแต่ทีนี้มันมันจะเห็นจริงตอนมีญาตินะครับที่อที่เผาทีนี้ก็เผาแล้วทีนี้สุดท้ายก็เหลือเหลือแต่ผงกระกระดูกทีนี้กระดูกก็ไปฝังกลับไป ที่ดินเหมือนเดิมครับมันก็เหมือนเป็นธรรมชาติไปครับแต่ตอนนี้ก็ต้องต้องได้เรียนรู้ครับถ้าสิ่งนี้มันรีไซเคิลอยู่ตลอดเวลาครับทีนี้ก็เลยเลยทําให้เราเราเข้าใจถึงถึงความเป็นธรรมชาติของทุกสิ่งอย่างไม่มีเดิตอนทุกอย่างเป็นธรรมชาติครับแต่ทีนี้มันมันก็ต้องฝึกต้องเรียนรู้ไปกับกับกับความเป็นจริง ต้องคอยคอยตื่นใจสอนใจด้วยับถ้าไม่สอนก็มันจะมันจะไปเปลี่ยนเป็นตัวตวขึ้นมาอ่าครับก็แค่นั้นเนี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์อบคุณทิาวรรเชิญทิาวรรอยู่ที่ไหนพูดได้เลยนวัสกานนวัสการค่ะหลวงพ่อหลวงพ่อได้ยินไหมคะได้ยินชัดเจนค่ะอ่าอ่า เพิ่งมาเข้าครั้งแรกนะคะแต่ปะกะติก็ฟังอยู่ในอยู่ในไลฟ์อยู่แล้วอะคะ่ะแต่นี้ตั้งใจว่าอยากจะมาขอคำปรึกษาขอส่งกันบ้านนะคะแล้วก็อยู่ที่ไหนหนูอยู่กรุงเทพค่ะแถวพุะะนทธมณฑลสายหนึ่งนะคะ ค, ค่ะคืออย่างนี้ค่ะคือปะกะติเวลาทำสมาธินะคะคือหนูไม่ได้ใช้พุทโทนนำหรอกคะ่ะหนูใช้ลมหายใจก็หายใจสักประมาณแค่สองสาครั้งเท่านั้นเองช่ชวงหลังๆ แค่สองสมทีเท่านี้มันก็จะนิ่งๆล่ะก็จะสงบนิ่งไปอ่ะค่ะแต่ว่าเราจะรู้สึกโล่งๆสบายๆนะคะมันก็จะอยู่ในสภาวะนั้น่ะสักพักหนึ่งเราก็ก็จะมีความคิดโผล่ขึ้นมาค่ะแต่ว่าความคิดก็จะเบาๆนะคะหนูก็ไม่ได้รู้สึกอะไรก็แค่ยืนดูเฉยๆแล้วความคิดก็ผ่านไปหนูไม่ได้พยายามจะหยุดมันนะคะแต่แค่ว่ายืนดูเฉยๆ่ะคะแล้วความคิดก็หลุดไปแล้วมันก็นิ่งๆแล้วบางทีความคิดก็กลับเข้ามา ก็จะวนๆอยู่แบบอย่างนั้นแ่ะนะคะเราต้องมีอะไรยึดไว้เความที่จะได้แมก่กลับมาต้องกลับมาที่ลมถ้าดูลมก็กลับมาที่ลมแต่ว่าบางทีลมมันมันนิ่งๆลงไปค่ะหรือว่าหนูควรจะคล้ายๆว่ า, า, าหายใจกลับขึ้นมาใช่ไหมคะ่ะอ๋อไม่ถ้ามองถ้าจับลมไม่ได้ ก, ก, ก็ก็คอยมีส ต, ติค่อยให้จิตอยู่กับความว่างไปความคิดก็ต้องหยุดความคิดทันทีอย่าไปคิดตามอ๋อค่ะคันนี้ ทนี้ช่วงหลังๆบางทีมันเป็นหนีด้วยค่ะว่าบางทีเราไม่ได้อยู่ในสภาวะที่ต้องนั่งหลับตานะคะบางทีเหมือนเหมือนเราเรายืนทําสวนอยู่อย่างเงี้ยค่ะอ๋อแล้วหนูแค่ยืนมองอะไรบางอย่างเนี้ยมันก็พอเรามองปุ๊บมันความตอนนี้มันจะสภาวะคล้ายๆตอนอยู่ในสมาธิเลยค่ะก็คือมันก็นิ่งๆเฉยๆความคิ ด, ไ, ดมไม่เกิดเป็นเค่ะความคิดมันไม่ได้เกิดหนูเห็นต้นไม้แต่ความคิดไม่เกิดหนูเห็นแค่แตงๆะคะ่ะอันนี้ก็ดีแล้ว อย่าไปคิดกับอะไรนอกจากมีความจำเป็นต้องคิดค่อยคิดถ้าไม่มีความคิดก็ไม่ต้องคิดค่ะแต่รู้เฉยเฉยจิตรู้เฉยเอ๋อค่ะค่ะแต่ต้องแอบสารภาพกับหลวงว่าหนูไม่ได้นั่งสมาธิยาวๆหลายชั่วโมงไม่ได้ทําไม่เป็นไรถ้าจิตไม่ไม่คิดก็ใช้ได้อ๋อค่ะค่ะแล้วแล้วก็ไม่ทุกข์เก่าอะไรด้วยนะไม่คิดแล้วก็ไม่ทุกข์กับอะไรด้วยใช่ค่ะใช่ก็ไม่ได้ทุกข์กาอะไรไม่วุ่นวายกาจะชมกายะด่างมันเรื่องของเขาไป มีแจะรับรู้ไปค่ะเท่ า, ทานี้ละ ก, ลกันหลวงพ่อพยายามนาั่งสับรับจิตนี้ไปเรื่อยๆก็แล้ค่ะก็คือหลกัหลกๆคือหนูใช้สติประจำวันนะคะล้างตาอะไรหนูก็แค่มองมาที่ตัวเองแล้วก็ตั้งสตินในสิ่งที่ทําเท่านั้นเองค่ะหลงวงพ่อใช่ถูกต้องให้จิตเราเฉยๆเป็นกลางเป็นอุเบกขาไม่วุ่นวายไปขัดแย้งกันค่ะแต่ว่าหลายๆครั้งหนูก็ทดสอบตัวเองนะคะอย่างเช่นเวลาไม่สบาย ก็อ ย, า, า, อยางยรู้สึกว่กรู้สึกว่ารู้สึกว่าถ้าเป็นความเจ็บปวดมากๆก็ทนไม่ไหวค่ะต้องทำได้ต้องฝึกก็ต้องฝึกฝึกฝึกนั่ให้มันเจ็บแล้วก็สานจิตว่าความเจ็บมันเป็นธรรมชาติเป็นอัตตาเราไปสั่งนั่นไม่ได้เราต้องฝึกจิตให้อยู่กับมันให้ได้นี่แรกๆหนูใช้ความอดทนนําไปก่อนได้ใช่ไหมคะได้แต่ทั้งอุทนและอดเบีขาเป็นตัวเดียวกันเนี่ย อแล้ว oh, okay. มีมอุบกติขาแล้วมันจะทนได้ถ้าไม่มีอุบัขาแล้วมันจะทนไม่ไหวแล้ว <Okay. S 2> ทนไม่ไหวแล้วก็ใช้สติปุกอุบัติขาขึ้นมา <Okay. S 2> ดูมัลงไปแล้วพุโทโธพุทโธไปอาจจะต้องใช้รกรรมอะไกรรในช่วงนั้นล <thank> องทำดูนะลองทำดู <Okay. S 2> เพื่อให้จิตมันอยู่กับความเจ็บให้ได้ให้ปล่อยวางความเจ็บ ั่งกาจะเจ็บก็ป่ายมันเจ็บไปแต่จิตเราอย่าไปวุ่นวายกับมันเนีด้วยการรักษาจิตให้อยู่ในอุเบกขาเข้าใจนะใช่ค่ะขอบคุณมากมากค่ะโอเคแชร์ตนวางเมื่อไรต่อตามงานเจ้าค่ะไงไนที่ผ่านมาค่ะขอบคุณเจ้าค่ะที่ผ่านมาหนูหนูเคยชอบเอ สินค้าหาทางทางออนไลน์แล้วก็ F F แปลว่าอะไรอ๋อ P มคือเหมือนซื้อสินค้าเพอพว่า F F แล้วไม่เข้าใจมนาเข้าปคอนเฟิร์มค่ะใช่เจ้ค่ะแต่ว่าซื้อาอะไรก็คือเหมือนเป็นการซื้อมาแล้วมาใส่ใส่เสร็จแล้วก็ขายต่อทีเนี้ยหนูหนูว่าซื้อเพิรนนะคะก็เลยมองว่าเออเราเราซื้อเยอะเกินไปก็เลยทาโทษทาโทษตัวเองด้วยกัน ไม่เข้าไปซือ้อแล้วก็พอสักประมาณสองสามวันก็ลองลองคิดว่าน่าจะสติเยอะขึ้นก็เราลองเข้าไปดูก็ก็ไม่ซือ้ออันนี้ก็คิดว่าน่าจะมาจากการที่แบบว่าเราหักข้ามใจสติก็อีกส่วนหนึ่งการหักข้ามใจก็อีกส่วนหนึ่งต้องไหมเจ้าค่ะสติการตัวหักข้ามใจนั่นก็ตัวนึ้นก็เป็นปัญญาหักข้ามใจด้วยเหตุผลนะค่ะค่ะก็สติ ก, ก็กคือการหยุดสติก็คือการหยุดกระทํา ในสิ่งที่ปัญญาบอกว่าไม่ควรจะทำค่ะได้ค่ะวันนี้มีลูกสาวมาแบบมือให้อาจารยเจ้าค่ะสวัสดีค่ะมีอะไรทานได้เลยหนูจะมาขอพรค่ะวันเสาร์นี้หนูมีสอบอพร น, นี้เราเคยเจอปีเยอะค่เ ะ, ะเรียบร้อย๋ยวดูจักมากเราถาถ้าดูเต็มทใจก็ต้องนั่นใจได้ต้องได้แนๆ่ๆนะค่ะ ตอนเราไปบอกไปเสกไปต่อให้หนูได้ไม่ได้อยู่ที่ความสามารถของหนูอยู่ที่เหตุนะเหตุก็คือการการทําหน้าที่ของเราให้เต็มที่ให้สมบูรณ์แล้วผลมันจะปรากฏขึ้นมาเรี๋อีกตัวเดียวเจ้าค่ะแล้วก็ถ้าจบนี่ก็สอบเทียบบุตรม .6 ได้แล้วนะคะก็ดีก็ทําทไปถ้ายังไม่ได้ก็อย่าไปเสียใจไม่ได้ก็นั่งรอรอบใหม่ต่อไปนะ โ <Okay, S 2> อเคนะฮะคือามาที่กุญแจนะกุญแจเข้าๆออกมาโผล่ที่หลังอยู่ตรงนีนนกก้ค่ะวในมรดกการ่ะค่ะจ้ได้ยินไหเจ้าคะชัดเจนอ่าคะ่ะหนุก ย, ยมเข้าออกพอดียมไม่ได้เข้าออกหรอคะ่ะยมฟังตลอดแต่เผอิญว่าหน้าจอมันตัดไปตัดมาเพรา ะ, ะว่าเดี๋ยต้องแ บ, บแวไปหยิบกระดาษหยิบของอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะค่ะ พระอาจารย์สบายดีนะคะสบายดีจ้ะค่ะโยมก็พยายามนั่งสมาธิเมื่อวันก่อนก็นั่งไปแล้วเหมือนจะนั่งได้ดีนะคะแต่พอถึงเวลามันก็นั่งได้นานไปโดยที่ไม่รู้ตัวแต่ว่ามันมันยังต้องพุโทโธพุโทโธบ่อยๆอะคะ่ะใช่ร่างสติเรายังไม่บ้กพอต้องสร้างขึ้นมาใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าโยมก็พยายามอยู่เจ้าค่ะแล้วก็พยายาม ฝึกสติไปได้เรื่อยระหว่างวันเมื่อกี้ก็ว่าจะไปจะเดินตรงกลมเพราะมันง่วงงวงนั่งทำไปแล้วง่ว <c> ง <oughs> นัง่นกะ็นั่ก็ไปเดินอยู่หน้าออฟฟิศเป็นเป็นวงกลมแบบเหมือนเป็นฮอลเวอ์อะคะ่ะแล้วมันแบบปวดไดยมก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ดไม ด, ไดข้ข้านอนเข้านอนวันนี้ยังหาวอยู่อ๋อตอนนี้วันนี้อุ่นแล้วค่ะวันนี้แปลม<า>กมากเลยคะ่ะพระจา้าวันนี้หกสิบสองศาใช่ค่ะแต่ว่าอากาศมันแปรปรวนมากเลยยมแบบเดี๋ยวก็แอร์ทำ คือจะเปิดหน้าต่างก็เปิดเอาเดี๋ยวอพอเปิดหน้าต่างทิ้งไว้เมื่อคืนเอาตอนเช้าตื่นมาฮีเตอร์ทํางานโย ม, ม, ย ม, ยมค่อยเข้าใจว่าตอนนี้มันเป็นอะไรมันแป๊บวนไปหมดนะคะ<ม>แต่ว่าก็ก็ปล<ม>่อย<ม>ไปตามตามที่มันจะเป็นนะคะเราก็แค่มองมันเฉยๆไปอะค่ะพระอาจารย์<ม>ค่ะตอนนี้โยมก็พยายามใจเย็นอย่างที่พระอาจารย์บอกไม่ว่าจะเกิดใครมารบกวนอะไรก็พยายามยอมหยุดเย็นแบบพระอาจารย์บอกมันก็นิ่งขึ้นเจ้าค่ะ<ม><ม>ค่ะ ค่ะวันนี้มีอะไรมากไปกว่านี้ค่ะพระอาจารย์เพื่อนๆแ่ไม่เข้ามาเลยสนิงทองเมื่อหายวปไหนสลิงทอหรอคะอาจจะงานยุ่งก็ได้ค่ะเพราะว่าช่วงนี้ไม่รู้อเมริกาจะไปเข้ากับนานาโต้เข้ารวมสงครามของก็แพงน้ํามันก็ขึ้นย่นแบบโอ้ยจุกแขงเนไทยเหมือนกันเงินไทยของขึ้นเหมือนกัน อ๋อน้ำมัลคิดว่าถ้ายมเติมน้ำมันนี่คงเดือนละสามร้อยเหรียญก็เดินจะเห็นเดินคอถ้าจะยมยังคิดแล้วถ้ายมเดินหนึ่งวันมันยังไม่ถึงนี่ธรรมดาขี่จักยานนั่นแหละเปลี่ยนีัยานอาต้องไปส่งลูกด้วยค่ะก็เลยคิดว่าเออทอะไรดีเนาะน่าจะแบบว่าบินบีปบินได้นี่ก็ถือว่าเป็นกรรมของเราตันนี้เราเจ่าค่าน้มันไป ใช่ค่ะใช่ก็ก็เ อ, อก็ขอให้แบบไม่เป็นไรอะไรจะเกิดมันก็เกิดขอให้เราได้ทำดีทุกวันก็โอเค ค, อเค่ะอย่าไปทุกข์กับมันนะใช่ค่ะค่ะพาจารย์ขอพระคุณเจ้าค่ะกราบแม่วาสการค่ะวันนี้ไปที่เฟซบุ๊กได้แล้วเดี๋ยว20ิบนาทีคุณยาวโอเคมีคำถามจากทาง Facebook และ YouTube ทั้งหมด12บสอคำถามค่ะคำถามแรกจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม กรับนมรสการพระอาจารย์ที่เคารพเป็นอย่างสูงช่วงระยะเวลาเกือบปีที่โยมห่างหายไปจากการเข้าสู่มิทติง้งโยมยังปฏิบัติเข้มข้นเป็นประจำอย่างเคยพยายามเพิ่มสติดูกายดูสิ่งที่มากระทบใจในระหว่างวันพอมีสติมันจะทิ้งสิ่งที่ผูกรู้กลับมาอยู่ที่ผู้รู้แทนและอยู่กับผู้รู้ได้นานขึ้น ฐานของผู้รู้ขยายใหญ่ขึ้นเต็มช่วงหน้าและหน้าอกจิตปลานีสว่างมากกำหนดสภาพนี้ขึ้นตอนไหนก็ได้จิตโยมภาวนาเองตอนกลางคืนมันมีดวงสว่างเหมือนดวงจันทร์สองหน้าตลอดคืนพอสติโยมขาดไปคือนอนหลับไปจริงๆมันก็หายไปโยมนอนแต่จิตมันตื่นตลอดบางที นอนอยู่กับรู้แบบนั้นสองถึงสามชั่วโมงได้โดยไม่หลับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเกิดปรากฏการทางจิตที่แปลกมากจิตโยมรวมลงตอนที่นอนพอนาก่อนที่จิตรวมลงนั้นหัวใจโยมเต้นแรงและเร็วมากจนโยมคิดว่าจะขาดใจตายไปแต่จิตไม่มีสิ่งใดอีกเลยโยมหลุดเข้าไปในที่ที่หนึ่งที่ที่โยมรับรู้สิ่งที่เห็นได้ด้วยใจเท่านั้น โยมเห็นภาพชายหญิงแสดงความรักด้วยการกอดจูบกันแล้วร่างนั้นก็เริ่มเน่าเปื่อยย่อยสลายไปแต่จิตโยมก็สั์แต่ว่าเห็นมันไม่มีคำพูดคำอธิบายใดๆเลยในตอนนั้นตั้งแต่วันนั้นมาจิตโยมปราณีตสว่างขึ้นกว่าเดิมอีกมากเปิดโล่งปร่งขึ้นผู้รู้ขยายใหญ่มากกว่าเดิมขึ้นไปอีก อยากให้พระอาจารย์เมตตาช่วยแนะนำทางที่มันจะเป็นไปต่อจากนี้และโยมควรพิจารณาหรือปฏิบัติอย่างไรต่อจากนี้จากคนไกลบ้านกราบขอบพระคุณอย่างสูงค่ะก็วเวลาที่เราเป็นสัมผัดนัรู้กับใครกับคนกับสิ่ของหรือกับเหตุการณ์ตา่างๆก็ให้พิจารณาว่ามันไม่เทียมมันเป็นทุกข์ถ้าเราไปวุ่นวายไปกับระยุ่งกับเขา พิจารณาสอนให้ให้สักแต่ว่ารู้ไปกับสิ่งต่างๆที่เรามาสัมผัสเห็นรูปก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินเสียงก็สักแต่ว่าได้ยินนัมผัสกับร้อยกรศสักแต่ว่าสัมผัสอย่าไปมีอารมณ์รักชังกลั ก, กับสิ่งที่เราสัมผัสรับรู้ำถามต่อไปจากพระเอกชัยพระอาจารย์เชื่อเรื่องพระสีอ่านไหมครับก็เป็นคํา พยากรที่พูะเจ้าส่งเปิดทูตคือผู้ ผ, ผ, ผูพยากรว่าจะมีพระพุทธเจ้าองคต่อไปมาในหนานั้นต้องเป็นเวลาหลายกับหลายกั้ด้วยกันแล้วก็คำถมต่อไปจากคุณนิมกราพเจ้าอาจารย์ค่ะอยากจะถามว่าทำไมเราจะต้องหลีกเลี่ยงสิ่งต่างๆแทนที่จะทำใจให้มั่นคงและสามารถจะอยู่กับสถานการณ์อะไร ก็ได้ด้วยความมั่นคงและจิตใจที่สงบครับอ๋อถ้าจิตใจเรามั่นคงสงบแล้วก็ไม่ต้องเด็นี่แต่ถ้าจิตใจเรายังอ่อนนะฮะอยู่ยังหวั่นไหวอยูอย่ก็ต้งองเดกไปสร้างพลังขึ้นมาก่อนคุณถามต่อไปจากคุณออนจีลาถ้าเราไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้ใส่บาตรไม่ได้นั่งสมาธิแต่เราได้สวดบุดบุดกวดน้ำบุทิกุศล สอบถามพระอาจารย์ว่าจะมีกุศลแบ่งปันให้เขาเหล่านั้นไหมคะไม่มีล่ะคำถามต่อไปจากคุณออนอนงกราบนัฏการพระอาจารย์กลัวนั่งสมาธิแล้วกลัวจะควบคุมจิตไม่ได้กลัวจิตจะหลุดได้ค่ะก็ต้องฝึกสติถ้าไม่สติถ้าไม่หูุดต้ดฝึกพุทโธพุทโธไปก่กที่จะนั่งสมาธิ้ก็ต้องสามารถพุทโธ คอยควบคุมความคิดต่างๆให้ได้ก่อนถ้าควบคุมกวารคิดได้ก็สามารถเริ่มนักสมาธิได้คำถามต่อไปจากคุณยุทธศักดิ์ตีแมลงสาบตกยูผิดศีลไหมครับถ้าตายครับผิดมีสองคำถามจากคุณเพกกี้นนทะ์คำถามแรกขอโอกาสกลับเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะ เวลาเราทําบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้บิดามารดาหรือผู้ล่วงท่านอยู่ในภพภูมิที่รับได้ท่านจะรับได้ใช่ไหมเจ้าคะถ้าก็รอรับอยู่ก็ได้คําถามที่สองหากเราทําบุญแล้วอุทิศบุญนี้ให้กับท่านที่ยังมีชีวิตอยู่หรือให้ท่านร่วมอนุโมทนาบุญท่านจะได้รับบุญไหมเจ้าคะ แล้วบุญที่นี่แนละ้วบุญทีท่ให้แต่ผู้ตายส่วนผู้ที่มีชีวิตอยู่เ้าก็เอาเข้าวของมาให้ก็เลยไม่ต้องไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปทําบุญเอาเข้าวของไปทําบุญแล้วก็ไปเอาบุญไปให้ทขาคำถามต่อไปจากคุณยศชัยการบริกรรมบริกรรมธรรมโมได้ไหมครับได้ทําบริกรรมอะไรก็ได้พุทโธธรรมโมสังโฆอิจิปิโสอรังสัมมาได้ คำถามต่อไปจากคุณเอกวิทย์น้ำตาลอ้อยพระสามารถฉันเป็นปรามาัตถ์หลังเที่ยงได้ไหมครับได้น้ำอ้อยน้ำตาลคำถามต่อไปจากคุณเชอร์เห็นคนไปกราบถาา้ำพญานาคควรหรือไม่เจ้าคะ่ะไม่รู้มีจริงหรือเปลาที่ไปกราบไปจากลูกลลกปันนั่นไ่่นคะำถามต่อไปจากคุณหญิงสวัสดีค่ะ รบกวนสอบถามว่าถ้าเราถือสีนห้าเป็นปกติทุกวันแต่เรายังซื้อหวยใต้ดินเป็นบางครั้งรบกวนถามว่าจะถือว่าผิดสินไหมคะถ้าผิดสีนจะได้ไม่เล่นคะ่ะไม่ผิดหรอก ม, มันไม่ได้อยู่ในสินห้ามันเป็นรบายอย่างนูคือที่เป็นสิ่งที่เราไม่ควรแน่นแขน็งเพราะมันจะทำให้เราต่องจบมากกร่าจะลงเงิน คำถามสุดท้ายจากคุณอรณิชาน้อมกราบพระอาจารย์เจ้าคะ่ะหนูขออนุญาตเรียนถามพระอาจารย์หนูชอบปล่อยปลาดุกปลาช่อนแต่หนูอ่านใน Google เขาบอกว่าอย่าปล่อยปลาดุกปลาช่อนเพราะปลาดุกชอบกินปลาเล็กทั่วไปและจะทําให้ระบบนิเวศไม่ดีหนูก็เลยไม่ค่อยสบายใจเกรงว่าปลาดุกที่หนูปล่อยจะไปกินปลาเล็กตัวอื่น ถ้าทำแบบนี้จะเป็นบาปหรือไม่คะพระ้าจายนขอให้ประธานสุดประพาสแข็งแรงใช่ไหมที่ว่า<ม>เป็น safe news นะเป็นเป็นข่าวปลอมนะเพราะว่าสัตว์ทุกชนิดที่ เ, เกิดมานี่ยเขามันไอพวกที่ทําลายระบบดิเวศมากที่สุดก็คือพวกเรานี่แหละพวกมนุษย์นี่แหละเนีย่ยโอกรอยกับพพวกเราเนีั้นบาง ท, งทีสัตว์เขาอยู่เข้าดีๆแล้วก็ไปว่าเขาไปทำลายระบบดิเวศอะไรเขามันเป็นเรื่อง พูดกูข่ากูข่า ว, าวใชนไัมมันไม่มีไม่มีการศึกษาไม่มีการข้อมูลรับรองของตังนี้ตั้งหูไว้หูนะบงทีมันได้ยินอะไรมาคุณถามหมดแล้วเจ้าค่ะหมดแล้วนะโอเคเวลาก็ใกล้จะหมดประดีมีใครคพณเข้ามายังไม่ได้ถามนีคุณหญิงเหรอคุณหญิงยอหญิงเชิญ มาพนักงารเจ้าคะ่ะไม่ใช่หญิงที่เล่นหวยใต้ดินเมื่อกี้นะเท่าคะ่ะเออมาเห็นหที่อยู่เชียงใหม่ใช่ไหมแต่วันนี้หญิงถูกลอตเตอรี่ด้วยแหละแล้เล่นเล่นการพ น, น, นันหรือเ่าหรืว่าเธอเซ็กชั่นไม่ใช่ชค่ะห ญ, หญิงไปหญปรับนมบีแทกิ้นให้คุณพ่อที่เซเว่นเราพอดี<ล><า>เห็นแผงเขาเหลือไม่กี่ใบก็เลยช่วยเขาหยิบ ม, มาสามใบถูกใบหนึ่งเล่นไม่ีเลย่อทำบุญเงินอะไใช่ค่ะบางเอิ่นค่ะเข้ามากาบนักพนักงานผจญแล้วก็แบบ มีหญิงมีคำถามหนึงเจ้าค่ะคือหญิงอ่ะเป็นแรนหลอดเราก็คือที่ดินที่หญิงหญิงปล่อยให้คนเช่าอ่ะหญิงไม่ค่อยหญิงไม่เคยทวงเขาเลยแล้วแล้วเขาก็มักจะจ่ายเงินหญิงในทุกเดือนเพียงแต่ว่าแล้วแต่ว่ามันจะช่วงไหนแค่นั้นเองทีนี้มันมีตรงที่ว่าช่วงที่ผ่านมันมีปัญหามาเขาก็เลยหยุดหยุดจ่ายตังค์หญิงแต่หญิงก็นิ่งนิ่งไปรอไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็บางทีหญิงก็แค่ทักเขาไปว่าลืมหรือเปล่าเฉย แต่ว่าเนี่ยหญิงหญิงกะจะไม่ทักเขาแล้วอะ่ะแต่ว่าเพราะว่าหญิงรู้สึกว่าเขาก็าคงลําบากหญิงควรจะให้เวลาเขาก็ดีนนทุกค น, น, นลบาบากใช่แต่ว่าหญิงหญิงจะต้องหาวิธีคิดต่อเรื่องเรื่องความกลัวในในอันต่อไปอะ่ะเจ้าค่ะถึงแม้ว่าหญิงจะรู้ว่าพระเจ้าจะบอกว่าให้คิดวันต่อวันแบบบางทีไม่ต้องกลัวล่วงหน้าอะไรย่างนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะอะบาง เ, เรื่องต้องคิดให้ให้มันรอบคอบเป็นปัญญา เช่นร่างกายเนี่ยต้เที่ยวมันต้องเกิดแก่เทียบตายเนี่ยคิดได้ค่ะอย่างอย่างเรื่องเนี้อะค่ะคือเหมือนแบบว่าหมอมาบอกว่ามันจะไปถึงลงถึงศาลได้หยิมยังบอกว่ายิงจะนิ่งรองไปก่อนก็อยู่ที่เราอยู่ที่เราเราจะไปลงมาศาลมันอยู่ที่เราถ้าเราไม่ไปฟ้องเขามันก็ไม่ไปถึงศาลใช่ใช่หนูก็ว่าจะปล่อยไปเลยเจ้าค่ะถ้าเราคิดว่าเป็นการทำบนินต่างนไปก็มีการสร้างบารมีไปก็ดี ห น, หนูคนจะทําใจยังไงอะคะบางทีหนูรู้สึกว่ามันไม่ถูกจาไม่จาเงินแต่จ้าบารมีแะ <laughs> หนูแค่คิดว่าเขาต้องสงสารหนูบ้างหรือเปล่าแค่นั้นจ้าคะก็บางทีเขาก็อยากจะสงสารนะแต่เขานไม่มีอะไรจะให้ในเราเนี่ยถ <c oughs> ้าลราคุยกับเขาดีๆแ็่คุยว่าพี่จะทําที่ไปนานนั้นเท <c oughs> ่าไหร่เพะหนูก็ต้องหนูก็ต้องมีไรายได้ถ้าพี่ไม่สามารถจ่ายได้พี่อาจจะต้อง ย้ายไปให้คนอื่นก็เข้ามาแทนเลยก็พูดเข้าดีๆไป<น>แต่เราไม่พูดถ้าเราไม่พูดอะไรเขาเขาคิดว่าคงมมันุญาตแล้วเขาอยู่ไปเรื่อยๆมั้งแม่หนูก็บอกค่ะเออพูดได้ไม่เป็นไรหรอกหนูไม่รู้จะพูดยังไงต่อค่ะจะพูดดีๆอย่างคุยกันดีๆพี่ไม่ได้จ่ายเงินมาหลายเดือแลนะ้วหนูก็ลาบากเหมือนกันคนะ่ะ ว่าจริงๆมันเป็นคําถามที่แบบไม่น่าออกมาถามพระอาจารย์เลยแต่หนูสึกว่าพระอาจารย์เป็นเป็นคุณลุงเป็นคุณปู่หนูว่าหนูก็เลยอยากคุยด้วยแบบนี้เท่อค่ะมันก็เป็นธรรมะเรื่องราวต่างๆก็อยู่ที่ว่าถ้าเราคิดว่าเขาไม่มีที่ไปจริงๆแล้วเรายังพอที่จะช่วยเหลือเขาได้ก็คิดว่าให้เขาอยู่ฟรีไปถ้าพังแต่จะบอกเขานะว่าต้องให้เวลาเขาจะได้ให้เขาไปหาที่ที่ที่ใหม่ ค่ะขอบพระคุณ้าค่ะโอเคนะเหนื่อยไมเจ้าค่ะวันนี้ก็ไม่เหนื่อยแล้วก็เหมือนเดิมเดี๋ยวแปดนาทีก็จะเลิกแล้ว <c oughs> เหมือนม่ก <c oughs> เริ่ม okay, นะเมาแล้วโอเคนะแมัสการมาเจ้าค่ะคุณพัชราพรบัว ส, ส, สุกจากเปนอิซลับมสัสการครับตเดียวกบตมัสการคเป็นยังไง ตีกเกิดกดมาวันนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะก็เลยไม่ได้เข้ามารับมก ร, รับพรเจา้าค่ะหลวงพ่อเดี๋ยวต้องเดี๋ยวหกโมงต้องไปโรงพยาบาลอีกเจ้าค่ะเป็นโควิเนี่ยไม่ได้โควิดเจา้าค่ะหลวงพอ่อน้ำในหูเท่ากันน้ำในหูเจ้าค่ะคน้ำในช่องหูไม่เท่ากันเวียนศีรษะเวียนศรรีนศ ร, ร ไ, ม ไ, มไม่บายเ น, <อ>นี่ย เจ้าค่ะแล้วก็ <ม S 2> น้ําหนักอ่าเพราะน้ําหนักอ่าหมอบอกน้ําหนักน้อยเกินไปเพราะช่วงหลังลูทานมื้อเดียววันพุธกับวันพายเนี่ยเจ้าค่ะ <ม S 2> ก็เลยอาทิตย์ที่แล้วตั้งแต่ป่วยมาแล้วก็ค่อยจัดการจบพรุ่งนี้ขอค่อยเริ่มใหม่ขอเริ่มใหม่เจ้าค่ะหลวงพ่อเพราะคนก้างเข า, ม า, มามไม่มีคาถามไม่ไมีจะรบกวนไหครับ ต, รต้องไม่ถามได้ถามได้ยังไม่เวลา ก็ตอนเด็กๆอยู่เมืองไทยจะเคยได้ยินบอกว่าถ้าทําธุรกิจเลยต้องต้องสวดมนต์ต้องอะไรอย่างเงี้ยครับธุรกิจถึงจะดีแล้วไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคนที่ก็ไม่สวดที่ก็า่ำรวยกันก็มียอะยะไปมันอยู่ที่การทํางานทําธุรกิจให้มันด้วยเหตุด้วยผลมันก็จะทําทให้เราชน่งงงงได้แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดลองก็ไม่มีผลอะไรใช่ไหมครับจะ ไม่การส่วมดมนนี้เพื่อให้จิตใจเราสงบให้จิตใจเราสบายไม่ได้ทําให้ธุรกิจเราเจริญงูงเรื่องเงินต่างยังไงครับครับทุกอย่างอยู่ที่การกระทําใช่ไหมครับใช่อยู่ที่การกระทําไห่วนมนต์ก็ทําให้จิตเราสงบกินข้าวมาทําให้ร่างกายแล้วอีกแต่มันไม่ได้เกี่ยวธุรกิรกรกจเพื่อจิตใจเจริญได้ก็ต้องอยู่ที่ว่าเราอ่ารู้จักรู้จั ก, จกทําการตลาดหรือเปล่านี่ไหม ก็ขอบคุณน้ำตาครับโอเคนะมีท่านี้แหละขอเป็นเจ้ค้หนหลวงพอ่อ <Okay. S 2> ขอให้หลวงพ่อมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจา้าค่ะถูกต้องก็คิดว่าพอสมควรกัเวลาสำหรับวันนี้ก็เหลือ้านาทีก็ขอเลิกแววหน่อยถ้าไม่มีใครมีคำถามมีของเฟซบุ๊กสองคำถามได้ไหมครับพระาอาจารย์ได้แล้วนี่นะ มีคำถามอีกสามคำถามเจ้าค่ะคำถามแรกจากคุณพัทรากลาบเรียนพระอาจารย์เจ้าค่ะตอนนี้สมาธิโยกนิ่งทุกวันต่อจากนี้โยมควรไปต่อพิจารณาตายได้แล้วหรือยังเจ้าคะถ้าจะพิจารณาต้องเริ่มอย่างไรเจ้าคะก็ต้องรอให้ออกจากสมาธิก่อนนะไม่ได้อยู่ในสมาธิก็พิจารณาได้จะร่างกายเราไม่เที่ยมเกิดแล้วเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเม่ เอไม่ใช่เราเป็นดินน้ำมันเป็นดิน น, น, ดน้าำลงไปท่านมาจากดินน้าำลงไปดินน้ำลมไฟไม่ไม่ใช่ตัวเราพิจารณาให้ปล่อยว่าคคำถามต่อไปจากคุณทัญรัตน์ขออนุญาตสอบถามพระอาจารย์ค่ะว่าเราอุทิศบุญให้คนต่างศาสนาได้ไหมคะเขาจะได้บุญหรือเปล่าได้เขาตายไปแล้วถ้าเขาตายไปแล้ ว, าา ไ, ลวได้อยู่ที่เขาจะมารับหรือเปล่า คำถามสุดท้ายจากคุณป้องการที่เราตักเตือนคนเขาให้ทํางานจะบาปหรือไม่ครับถ้าเป็นหน้าที่ของเราก็ไม่บาปนะถ้าเรามีหน้าที่เราต้องแต่ก็ต้องทํางานนะเพราะว่าเราจ้างเขามาอย่างนี้มีสัญญาว่ามันจะได้เงินเดือนก็ต้องสอนหาคุณทำงานให้แบบๆนี้ถ้าเกิดเขได้พูดดีๆก็แล้วกันอย่าใช้อย่าใช้วาจาว่ามึงเหมือนกับเขาเป็นทาสเราอย่างนี้ไม่ใช่ เขาเป็นคนที่เข้ามาช่วยทำงานให้กับเราพูดวาจาสุภาพเรียบร้อยหมดแล้วเหรอำคำถามหมดแล้วเจ้าค่ะโอเคนะเวลาก็หมดัวนี้ขอให้ท่านโยมดำเอาสิ่งที่ได้ยิ น, นได้ฟังไปพิพจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในทางนิ่งขึ้นไปเถอ